จเจิญพรท่านสนาธุชนทุกกระบอกเสียงทฝ่ายทุกทุ่า น, านวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาพบกันเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านผู้ใดมีความสนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมได้วันนี้ก็ไปที่ท่านแรกที่เข้ามาก็คือคุณหมอพิเชษจากกองทัพอ๊ หมเปิดไมค์ก่อนนะหมอยังไม่ได้เปิดใหม่ไม่ได้ยินเสียงนะกับนรมาส ก, การพระอาจารย์ครับอบาย<ม>ดีนะครับยมได้มีโอกาสอ่านหนังสือเปิดใจเปิดธรรมของพระอาจารย์เมื่ออ่านจบแล้วมีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างสูงกับประวัติที่พระอาจารย์ได้เมตตาเล่าให้ฟังครับแล้วโยมก็จะน้อมนําคําสั่งสอนของพระอาจารย์ไปปฏิบัติ เกี่ยวกับความก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปครับจึงมากาบเรียนพระอาจารย์แล้ะขอความเมตตาพระอาจารย์ชชี้แนะด้วยครับก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือเพศหรืวยอยู่ที่การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องมีความเพียรพ ย, ยายาปฏิบัติไปให้เต็มที่มันก็มันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางไม่ช้าก็เล็ ก็ขอให้ทำไปอย่าทอแท้เลยน้อยจะน้องนำไปปฏิบัติเจ้าพระอาจารย์นะครับสาธุจามณ์และจัดที่อักศกลาชาพี่สาวในวัสการพระอาจารย์ครับวันนี้มาส่งกันวันครับมุงพล38ประการ4ีข้อสุดท้ายครับ38 5ถึง38ใช่ไหม เช่ครับผุดุทัสสะโลกธรรมะหิตจิตตังยส า, านะกัมปติอโสังวิลาชังเขมังเอตัมมังคลงมุตตังมังผู้ที่มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวจิตไม่มีความสร้าโศก จิตหมดทุรีคือกิเลสและจิตถึงความปลอดโปรงคือปลอดจากกิเลสทั้งปวงทั้งสี่ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดออันแรกว่าอย่างไรคืออันนี้ยากหนครับพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์เมตตา อ, อธิบายฟังหน่อยครับอ่ามาอันไรกวา่าอย่ ผู้ที่มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหวคัะโลกธรรมคืออะไรก็คือลาภยศสรรเสริญสุขลาภเป็นเงินทองยศก็คือตําแหนือสรรเสริญก็คือการเยืนยอความสุขก็คือความสุขจากการได้ไปเล่นไปเที่ยวไปกินไปเดืนความสุข สิ่งเหล่านี้มันเป็นโลกธรรมคือมันเป็นมีการจเจริญก็มีการเสื่อมได้ได้ราบก็เสื่อมาบได้มีเงินเดี๋ยวเงินก็หมด น, ะมนใช้ไปเดี๋ยวก็หมดนะเวลาได้เงินมาดีใจไหมเวลาแม่ให้เงินมาดีใจไหมดีใจครับเวลาไปใช้หมดแล้วเป็นยังไงดีใจว่าเวลาเงินหมดนะใหม่รครับ เสียใจ่ไหมใช่ครับอยากจะได้ใหม่ใช่ไหมใช่ครับเข้าไปขอให้ขอแม่ใหม่ถ้าแม่ไมให้ก็โกรธแม่ปะก็ไม่เคยกดธไม่ครับไม่พอใจแล้วปะไม่ครับไม่ครับเสียใจปะไม่ไม่ครับไม่ต้องง่ายเยขออะไรแล้วไม่ได้รู้สึกเสียใจห ก็บางทีกบางทีบางทีจิตของผูท้ที่ไม่ไม่ถูกผู้ที่ไม่ไม่สะทกสะท้านกับโลกธรรมแตกก็คือเนี่ยเวลาได้มาก็ไม่ดีใจเวลาเสียไปก็ไม่เสียใจได้ของมาเกิดถูกขโมยไปก็รู้สึกเฉยเฉยไม่เสียดายไม่เสียใจได้มาก็ไม่ได้ดีใจ นี่คือจิตของผู้ที่ได้ปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดคือขั้นบริสุทธิ์จิตนี้จะไม่มีการสะทกสะทานกับเวลาที่สัมผัสกับโล ก, กธรรมทั้งแต่จเจริญราดเจริญราดละเสื่องราดก็เฉยเฉยเจริญยอดละเสื่อมยอดก็เฉยเฉย ได้รับการสนับสนุนเงินทุนทางเฉยๆได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปเดิมไปดูไปฟังหรือได้ความทุกข์จากการไม่ได้ไปเที่ยวไปกินไปเดิมก็รู้สึกเฉยๆเข้าใจไหมทาได้ไหมเฉยๆกับเวลาใครเขาด่าเรานี่เฉยได้ปะเ อ, อ่เอก็ได้ค่ะ เวลาต้องรู้เรื่องเราเฉยเฉยได้เปล่ไม่ได้ไม่ได้ไส่ฟังไม่ได้ฟังถูกถ้าปฏิบัติไปแล้วถ้าํำละกิเลนได้หมดแล้วมันก็จะเฉยๆได้นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อไม่ให้สต๊อกสถานกับเวลาที่ต้องสัมผัสกับโลกกระมทั้งแปด ใครชมก็ใช้ใครชมก็ไม่เติบเต้นดีใจมีียกดีใจใครด่าก็ไม่เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาเป็นโลกเป็นเป็นโอกเป็นเรื่องของโลกโลกนี้ก็มีทางอาศัยเยยวอมีเจริญ น, นาบเสื่อมนาบเจริญยศเสือมยศมีสุกมีทุกสลับกันไป เจ็ช่องผู้ที่ได้ปฏิบัติถึงขัง้นสูงกว่านั้นก็จะไม่ไม่เดือดร้อนเข้าใจไหมเข้าใ จ, จ, จเอาเราไปทำดูนะเวลาใครด่าเราก็พยายามดูจนะทาไงไม่ให้เดือดร้อนได้เปล่าไม่เฉยได้เปล่ถ้าไม่เฉยก็พุโทโธพุโทโธไว้เวลาเสียใจเวลาทุกข์กับอะไรก็พุโทโธพุโทโธไว้ทํำใจใเฉย ข้อต่อมาข้อต่อมาจิตไม่มีความเศร้าโศกครับใช่ไหมจิตแบบนี้จะไ ม, ไม่ไม่เศร้ากับอะไรนะเพอไม่ได้ไปอยึดไปติด ก, กับอะไรมีอะไรเวลาเสียอะไรไปก็เฉยเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามีได้มีเสียเป็นธรรมดามีมาไม่ไปเป็นธรรมดาไม่เศร้าโศกเสียใจ กับการมาการไปของไขเ่เ น, น้นนะเข้าใจไหมเข้าใจครับข้อต่อมาข้อต่อมาก็คือจิตหมดทุลีคือกิเลสครับนั่นแหละจิตแบบนี้ก็ไม่มีกิเลสนะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความลักความช่างความกลัวเฉยๆหมด จิตเป็นจิตที่เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างเราเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ไหมเห็นเห็นเกมแล้วอยากเล่นไหมอยากควานั่นแหละคว า, ามอยากก็เรียกว่าโลกนะอยากเล่นเกมนี่ก็เรียกว่าเป็นคว า, ามโลกนะอ๋อไม่ได้เล่นก็โกรธนะมันก็โกรธมันถูกถูกนั่นแหละนะนะทศนาวันจิตเรายัางมีทุลีอคว า, ามโลก ปวดหนงนี้เรียกว่าเป็นทุรีของจิตเป็นเครื่องเศร้าหมองถ้ามีความโลภความปวดทามหน่วงความปวดขึ้นมาในใจเมื่อไหร่ก็จะเกิดความเศร้าเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าปฏิบัติจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์ปราศจากทุเรีแล้วก็จิตก็จะไม่เศร้ากับอะไรต่อไปครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายครับก็คือ จิตถึงความปลอดโปร่งคือปลอดจากกิเลสทั้งปวงครับอันนั้ก็เมื่อปราศจากทุเรศมันก็ปราศจากกิเลสจิตก็ว่างจิก็มีแต่ความสขุขครับครับไม่เศร้าไม่โศกไม่มีความโศกเศร้าโศกการวิลาชางังเี้มันนี่ตั้งมั่งกลัวมา น, นี่คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติมงคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งพอถึงขั้นที่สามสิบห้าก็จะได้ผลสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามแปดก็เป็นผลนี่เกิดจากการปฏิบัติอาศวนาจมารานันตาิตานันจาศีวนะการไม่งโบหกโหยคโกหฉลาดปฏิบัติ นี่ยสาสิบแปดข้อในสามสิบห้าสามสิบสี่ข้อแล้วก็จะได้ผลคือข้อที่สามสิบห้าถึงสามสิบแปดไปคครับอย่าลืมนะต้องทําอย่าลืมมาจาวัานตายนะถือว่านี่เป็นแผนที่ของชีวิตเรานี่คือเป็นวิธีการดําเนินชีวิตของเราที่ถูกต้องที่จะทำให้เราพบกับความสักสจากความทุกข์ไม่ต้องนั่ไม่ต้องรวยไม่ ความรวยไม่ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การไม่มีกิเลสการไม่มีความโลภความโกรธความหลงนี่ยจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คครรัับบเราจะทําะไรต่อเนี่ยพี่เน่ขอกันบ้านใหม่ครับไม่รู้จะให้คการ บ, บ้านอะไรเราอยากจะได้กนาะร บ, บ้านอะไร ปฏิบัติาิศปข้อนไก่อนเนถะอเรามาล่าว่าได้ทาข้อไหนบ้างนะได้ไหมเราติดไข้อนี้ทาข้อไหนได้บ้างไม่ถุกคนพไม่ ค, คนะุ้มงานเขไม่คุ้มคนม่คคคคนานะเราไปรู้ทางงานคนไห น, น, น, นเป็น ค, คนพาเราบางทีก็กลายเป็นคนพาเอไม่ได้เรากง้อหรือเราะได้ คนงออคนฉลาดไม่ได้ไมายถึงคนคนง้อคนฉลาดข้างนอกคนงออคนฉลาดก็มีอยู่ในใจเราหรือเปล่าคนงออคือไอ้คนที่มาชอบชวนเราไปเล่นเกมนะี่แหละเป็นคนโง้อใช่ไห <c oughs> แต่ละคนที่ชวยมาเรานั่งไปนั่งสมาธิไปฟังธรรมนี่ย <c oughs> เขาจะเป็นคนฉลาดเราอย่ามองแต่คนข้างนอกมองคนที่อยู่ข้างในคนที่คอยกระซิปใน แห่หูเราเลยวอาไปเที่ยวดีกว่าไปเล่นดีกว่าอย่าดูหนังสือเลยอย่าทํากานบ้านเลยถ้านแหละคือคนง้อกำลังมาชวนเรารู้จักคนง้อข้างในเราบ้างไหมเคยเห็นไหมมันเคยมาชวนเราไหม ช, ชวนเราไปทําอะไรสิ่งที่ไม่ดีบ้างไหมไหนชวนแต่เล่นเกมครับ เนเกมอย่างเดียวอลยชวนให้ไปไม่ให้ไปโรงเรียนมันมันโอ้ยวันนี้ขี้เกยียจไปเรียนมากเกินไม่ค่ะไม่ครับต้องไปครับต้องไปนะอ่เนี่ยเปนคนฉลาดค่อยคอยชวนนะคนที่บอกว่าต้องไปโรงเรียนเนี่ยเขาแหละคนฉลาดนะคนมากก็เบื่อเรีย น, นการไม่รู้เรียนไนปะทำไมเนี่ยเรียกคนงโง่ต้องระวังนะคนโง่ข้างนอกกับไม่ไม่อันตรายเท่ากับคนโง่ข้างในไม่ได้ เราต้องเชื่อคนโง่ข้างในใช่ไหม <c oughs> เรนต้องคอยเข้าดูคนโง่นะดูคนโง่ที่จะมาคอยลากให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เราทํากันบ้านไม่เราดูหนังสือไม่ให้เราไปโรงเรียนช่วยให้เราไปเล่นไ ป, ไปดูเกมไปดูหนังดูอะไร เนี่ยคือคนโอกในตัวเราเองรู <Yeah. S 1> ้ไหมเนี <Yeah. S 1> ่ยครับใช่ครับคอยสังเกตดูนะดูทั้งคนที่ข้างนอกคนข้างในด้วยคนข้างนอกข้างนอกก็มีเดี๋ยวเพื่อนก็ชวนไปเล่นเกมก็อยากไปครับ <Yeah. S 1> ให้ถ้ามีเพื่อนชวนไปทําการบ้านเอี่ยไปเป็นเพื่อนดีเพื่อนฉลาดไม่ได้ชวนเราไปดูหนังสือชวนเราไปทําการบ้าน ครับครับเข้าใจนะ ก, กันมากคือลองไปดูปฏิบัติข้อต่างๆดูนะไม่ใช่เท่าเฉยๆเท่าเฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรครับครับลองลองไปทบทวนดูแต่ละข้อที่เริ่มมาทําได้ไบ้างหรือเปล่าบูชาบิดามารดาได้เปล่าแล้วพ่อแม่ถึงพ่อถึงแม่เป่ะ เรือกกับพ่อกับแม่แล้วแบบอนีนะ้ท่านจะบูชาก็ต้องไม่เลือกที่ะฟังครับโอเคนะครับอ่านนี้ก่อนมีอะไรนะัหมมีอะไรไหมไม่มีไม่มีครับโอเคไม่มีครับท่านนี้นะั้น เราไปดูงงคนที่เข้ามาเนี่ยดู่าเราทําข้อไหนได้ทําข้อไหนยังไม่ได้ข้ไหนทําไม่ได้ก็ทําัทดทำไม่ได้ครับครับโอเคนะอาจารยครับคุณสาวทักกาอันนี้อยู่จีน่าแล้วอยู่ที่ที่ไหนจีน่าว่าน้ําท่วมเยอะนะเยอะค่ะอาจารย์ค่ะ อยู่วันเข่าค่ะพระจ่าในบ้านไม่ท่วมนะค่ะก็ที่บ้านไม่ท่วมแต่บ้านพ่อท่วมค่อุ ท, ทยัยท่วมอ๋อแต่แต่ว่าก็การไว้มันก็ยังไม่เข้าเท่าไหร่ค่ะพระจ่าท่มวมถนนค่ะช่วงข้านอกข้างน้ำท่วมเลยไม่เข้าเข้ามาในบ้านนี้เลยค่ะใครยังไม่เข้าก็กันแค่นั้นนะคะพระจ่าแต่ว่า ที่ใไชน้านี่ไม่ไม่ท่วมค่ะเพราะเราอ ย, อยู่อยู่ที่สูงแล้วอยู่ที่ห่างไกลจากไช น, นาเขาเขาต้นนะคะพระอาจารย์ที่อยู่อ่ะค่ะที่วัดสิงค์อะค่ะเขากันอืมค่ะก็เลยแบบไม่เข้าค่ะค่ะก็เลยอยู่ปั<ต>้ <laughs> <า>งแล้วนั่งไปไนั่งกลับไปดูบ้านก็ก็ก็เจ้ามาแล้วก็ไม่ Tiro tiro tiro tiro ไม่รู้กลับไปทําอะไรกลับไปก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์น้องฟังทค่ะพระอาจารย์โอเคพระภิกษุเนี่ยจงระเสตินั okay. ่งสมาธิสู้กับทุกขเวทนาหนูนะค่ะคเก็บน่้หยาลูกเนี่ยไปมดไปค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคคุณหมอหน้าที่ละก็ทำ เกี่ยวกับรรมสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เอ่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่พระอาจารย์กรุณาให้อุบายเรื่องของเผากายโยมก็ได้ไ ด, ได้นําไปปฏิบัติ ด, ดูเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็พบว่าได้ได้ผลดีอยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเราก็กําหนดเผาเผาไปเรื่อยๆแล้วก็จนอร่างกายมันก็เหมือนสลายเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นดินเป็นอทุลีไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ รู้สึกว่าเอระดับความเจ็บปวดที่คิดว่าปกติเราน่าจะทนไม่ได้นะเจ้าค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนกับมันก็ดูเฉยๆจิตเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดิ้นรนหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะพอาจารย์แล้วเราพจจิตเราให้เป็นคนดูไปอย่าไปเป็นอย่าไปเป็นคนแสดงอย่าไปเป็นร่างกายให้เป็นคนดูร่างกายแทนปกติเราจะอาจะเป็นเราจะเป็นร่างกายกันใช่ไหมจิตเรา โอเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่าเราพอเรานั่งเพ่งดูร่างกายมันก็เลยแปลว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเลยเราเป็นคนดูร่างกายไปเด่เราก็เลยไม่เดือดร้านกับความเจ็บของร่างกายแต่ถ้าเราไม่ดูเราไม่ดูร่างกายเราก็จะเป็นน่างกายไปแล้วเราก็เราก็คิดว่าเราเจ็บอืมโอเข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็ก็แล้วก็บางบางครั้งหลังจากนั้นโยมก็บางทีก็ไม่ได้เผาก็เหมือนกับว่าปล่อยให้เราดูไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่ามีเหมือนกับเห็นความแยกได้ชัดเจนมากขึ้นระหว่างจิตกับกายเจ้าค่ะพระอาจารย์ผู้รู้กับกายเป็นคนละส่วนกันผู้รู้เป็นนั้นหมอกายเป็ น, น, นเ ห, นหมือนคนไข้ใช่ไหมหมอก็าดูคนไข้ไปดูแลคนไข้ไปตามอัตภาพ เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือถ้าอย่างนี้โยมก็อาจจะแบบใช้บ้างไม่ใช้บ้างเป็นระยะได้ใช่ไหมเจ้าค่ะเรื่องเรื่องเผ่านี่สมมุติว่าเราถ้าเราก็แ้วแต่ถ้าเราถ้าเราไม่จําเป็นต้องใช้ก็ไม่ใช้ก็ได้ถ้าเราไม่เดือดร้อนกับสวามเจ็บก็ไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าเรายังเดือดร้อนกับความเจ็บอยู่เราก็จะใช้มาเพื่อบรรเทาอาการความเดือดร้อนของใจต่อความเจ็บตรงหน้ากายอือเจ้าค่ะพระอาจารย์ เปยาแก้ปวดเนี่ยธรรมดาลาลา่างกายปวดก็จะเอายาแก่ปวดมากินนะเพราะเยอบรรเทาความทรมาในหึงใจมากไปะกินยาแค่ปวดเข้าไปอาการปวดในร่างกายมันนะน้ำอาการอ า, รร ก, ารรการปวดปวดทั้งใจก็หายไปด้วยทีเราไม่เราจะไม่กินยาแก้ปวดทางร่างกายเราจะกินยาแก้ปวดทางใจเลยโดยการใช้สติแห้ง ดูเวทนาดูแล้วก็ปล่อยวาง Make ให้มันให้มันอยู่ตามสภาพของมันไม่ไปไม่ไปเดือดร้อนจากร่างกายแยกใจออกจากร่างกายแค่รู้ว่าท้านไม่อยากแยากาจะต้เผามันไปบางทีถ้าไปดูเวทนาแล้วเกิดยิ่งยื่อรู้สึกเจ็บยิ่งรู้สึกทรมารยก็ดูไม่ถูกนะดูไม่ เพรานดูแบบอยากได้ให้มันหายถ้าไปดูด <Okay. S 1> ้วยท่านดูความเจ็บแล้วอยากให้มันหายมันก็ยิ่งรู้สึกปวดมากขึ้นเจ็บมากขึ mm ้นเหยียบที่ใจอ <Okay. S 1> ถ้าดูแล้วใจเฉยๆปล่อยให้มันเจ็บไปเ mm hmm. อันนี้ก็แสดงว่าใจไม่มีความอยากให้ความปวดหายไปท้า mm ันทภจารย์ mm hmm. บางทีพอ นั่งเสร็จโยมถ้ายังปวดอยู่โยมก็ยังไม่ขยับกายแล้วเหมือนโยมก็ลองมองดูไปต่อนิดนึงเจ้าค่ะพรอาจารย์ถ้าแบบลืมตาแล้วว่าใจเรามันเป็นยังไงแล้วก็เวทนามันก็อยู่ตรงนั้นอะไรแบบเนี้เจ้าค่ะก็ใจก็ให้มันเฉยกับความเป็นไปของของร่า ง, งกายมันจะเจ็บจะปวดตรงไหนก็รู้เลยตามความเป็นจริงไม่มวิตกกังวลไ ม, ม่เดือดร้อน ครัรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ลกปล่อยอยู่กับมันไปจเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี้โยไม่แน่ใจควรจะสงสัยไหมเพราะว่าว่าการเผาเนี่ยคือมันเป็นสมถะหรือวิปัสนาหรือว่ามันก็ทั้งคู่หรื อ, อยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์อ่ามันก็มันก็จะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้เจ้าค่ะตอนแล้วก็เห็นเห็นกลาง การดับของร่างกายร่างกายก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงอันนี้จะเห็นวาเป็นหน้านตามันแค่ดินน้ำหลงไปแล้วเอาไปปั๊บมันก็เหลือแต่ธาตุดินเหลือแต่ขี้เท่าต้องหวะอาจารย์จังหวะต้อง ก, องอองก็จากที่พระอาจารย์ให้คําแนะนําว่าเหมือนแต่ว่าให้มองเวทนาเหมือนเป็นเพื่อนยงก็รู้สึก เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกยินดีที่ที่ทมีเวทนาเจ้าพระอาจารเหมือนกับว่ามันจะเป็นเหมือนแบบทดสอบเราให้เราเหมืนอนมีความก้าวหน้าหรือพยายามจะผ่านมันไปให้ได้มากขึ้นอย่างนี้ยจ้าของพระอาจารย์ใช่เพราะเราต้องอยู่ประมาณน่ะมันทำตามได้มีร่างกายมันก็ต้องมีทุกขเวทนาถ้าเราพยายามที่จะหนีมันเรรังเกียจมันมันึน ก, นนนก็สร้างความทุกขให้กับใจเราบอกมาถ้าเราไม่อยากทุกเราก็ต้องปรับ คติแทนที่จะพยายามให้เขาหายก็อยากให้เขาอยู่เนี่ยนานๆก็อยู่เนี่าพึ่งไปเวลาเราเจอใครเราชอบแล้วก็อยากให้เขาอยู่นานๆนะไม่อยากให้เขาไปเราก็ต้องขัดชอบเขาก็ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้มันก็เลยเหมือนทําให้ในการปฏิบัติกับในชีวิตมันเออมาดูรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นต่อค่ะพระอาจารย์ว่า มีความสงบแล้วเราก็ดูกายของเราไปแล้วก็อะไรที่เข้ามามันก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบทดสอบเราไปได้เล ย, ยเจ้าพักพระจันทร์ก็ดูแล้วเพื่อให้เราปล่อยว่างดูสักแต่ว่ารู้ไปสักแต่ว่าเห็นไปสักแต่ว่าได้ยินไปมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับเจ้คระไม่ต้องไปจัดการกับ เดี๋ยวถึงเวลาเขาไปก็ไปไปทนามันก็ไม่ได้เจ็บไปตลอดเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็มาใหม่ไม่น่ามันก็มาได้เดีวเกิดปวดท้องขึ้นมาแล้วเกิดปวดศรีรษะขึ้นมาก็ได้<ช> <c oughs> ก็ต้องดูมนะันว่ามันเป็นธรรมชาติเห็นหน้าตาเห็ น, นี้จไม่เที่ยงไม่ถาวรเราไปกําหนดบังคับมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ สิ่งที่เราทําได้ก็คือหันอยู่ประมันไปเท่านี้เองในกรณีอตอนนี้คนต้องหันอยู่กับน้ำท่วมจะไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับน้ำท่วมไปจะไปสั่ให้น้ํามันโดมันก็ไม่ลดให้เราจะไปเครียดไปทุกข์ก็ก็ทําอะไรไม่ได้ก็ปรับใจให้อยู่กับมันไปทําใจเฉยๆไปเจ้ขเาขังไว้จ้ะ ก็กลับขอขอบคุณทคำแนะนำจากพระอาจารย์มากเจ้าค่ะวันนี้ยังมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคนะครับทุกคุณ น, ค น, นันทพัฒน์รอุบวนาชะตาในนวัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อัน<า>อนี้อุบวนอุบวนหายท่วมไม่ยังบวนใหญ่ใน ย, <ำ>ยังกำกำกำลังจะท่วมเพิ่มเนื่องจากว่ามีการปล่อยน้ําจากเขื่อนจากจาเขื่อนที่โคราชแล้วมันแม่น้ํามูลตรงอุบวนมันเป็นปลายปลายน้ําเจ้าค่ะพระอาจารย์ พื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำแล้วก็ที่ที่ลุ่มก็จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำตรงนี้เจ้าค่ะนธแต่ที่ที่เคยท่วมอยู่มั น, นมันน้ำา้ำหายเป็นปกติหรือยังด้ยอย่า ง, งีน้ำท่วมคอั้่ เท่าที่ลองสอบถามดูยังส่งๆเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ที่ได้ยินข่าวจากโคราชตรงพี่ไม้เนี่ยน้ํามาวันนี้เจ้าค่ะมามาตรงพี่ไม้แล้วเจ้าค่ะทีนี้ถ้าถ้าแม่นะแม่น้ํามูลตรงพี่ไม้มันได้ไ ด, ได้ได้รับมวล น, น้ําแล้วเจ้าค่ะมันก็จะค่อยๆส่งส่งมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะถึงปลายน้ําที่อุบลเจ้าค่ะพระอาจารย์มันยันไหลนูแม่น้ําของ ใช่เจ้าค่ะมันมันจะมีมีปากทางอยู่ที่อำเภอขงเจียมมัเจ้าค่ะที่อุบลไปลงแม่น้ําขงเจ้าค่ะค่ะน่าจะเป็นอําเภอขงเจียมในตัวเมืองอุบลนี่น้ำยังท่วมหรือเปล่าไม่ท่วมนะมีมีมีบางส่วนท่วมเจ้าค่ะอ่าในส่วนของที่น่าเป็นห่วงก็คือโรงพยาบาลก็ก็มีน้ำค่อนค่อนข้างตรงถนนน่าจะใกล้เข้ามาถึงแล้วเจ้าค่ะผ่านจากเจ้าค่ะ แต่แต่โรงพยาบาลเขายกตึกสูงขึ้นไปอยู่้ะค่ะเพราะมันมันเคยมีประสบการณ์ค่อนข้างจะท่วมเข้ามาบ้างในช่วงน้ําน้ําที่ปล่อยเขื่อจากเขื่อนลงมาประมาณ mm hmm. ตุลาพฤศจิกาเนี่ยเจ้าค่ะเคยเคยมีท่วมเข้ามาตรงถนนหน้าโรงพยาบาลอยู่เจ้าค่ะค่ะแล้วอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่าตรแล้วอยู่ที่ลูกลูกอยู่ในอําเภอเมืองค่ะแต่ลูกอยู่เลยเลยออกมาจากจากส่วนที่ใกล้แม่น้ําเจ้าค่ะมันก็เลยไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ ในส่วนของถนนหน้าบ้านลูกที่หน้าโลตัสอะเจ้าค่ะมันเคยท่วมแต่โชคดีเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเขาลื้อถนนแล้วทำท่อใหญ่ใหม่มเจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่งเสร็จพอตกหนักๆช่วงช่วงที่พายุเข้าก็เลยหน้าโลตัสน่าจะไม่ท่วมมากเจ้าค่ะก็เลยมไม่ได้รับผลกระทบอะไรเจ้าค่ะพระอาจาร<า><ะ>ย์โอเคถามเยจะถามดูเฉยๆอยาก จ, จะรู้ว่าเป็นยังไงบ้าง แล้วค่ะก็ตอนนี้ก็มีการระดมกําลัง<ม>ในการสาธาลาหนุบระโภธิ์สำหรับคนที่ท่วมจ้าค่ะลูกก็เพิ่งทําบุญกับคนในซอยที่เขาทําอาหารกับพวกยาพวกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปให้มูลีธิเอาไปแจกคนน้ําท่วมเจ้าค่ะเออแล้วได้เหมือนกันทําุญทำทานก็ได้บุญเหมือนกันพอนนดีเป็นบุญปัจจุบันทันด่วนก็เลยตั้งใจทําไปเจ้าค่ะพ่ะย่มีโอกาสทําได้ก็ทํำไปค่ะ ก็เพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามีบางส่วนที่อยู่ลึกมากไม่มีใครเข้าไปถึงไอ้โมลิที่เขาก็จะพยายามเอาเข้าไปให้ไปแจกให้ถึงเจ้าค่ะหมายถึงเฉพาะคนแก่คนเจ็บนะที่มาไหนมาไหนไม่ได้ก็น่าสงสารเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องอยู่บนชั้นสองแล้วก็ต้องรอการช่วยเหลืออย่างเดียวเจ้าค่ะมันทําอะไรไม่ได้เลยเจ้ า, า, จา ค, ค่ะอาจารย์ค่ะคำถามอะไรไหมวั น, นวันนี้ลูก อ, อไม่มีคำถามเจ้าค่ะ เ, เข้ามากราบพระอาจารย์และร่วมฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องได้รับค่อยๆได้รับความสงบสุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการปฏิบัติของเราเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เน้นสติไม่ผิดหวังที่น่า อ, อัจากงานนะไม่ผิดหวังเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ยังยืนยันคำพูดเดิมคือรู้สึกเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตเจ้าค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมเจ้าค่ะถ้าจิตใจดีกับตอนที่ทํางานเยอะแยะเลย เยอะแยมากมาเลยเจ้าข่าวพระอาจารย์แล้วก็ลูกลกก็คือขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์นะเจา้าค่ะคือลูกก็คือก็ค่อนข้างเห็นว่าตัวเองตัดสินใจถูกที่ที่ยังเลือกอย่างหนึ่งคือได้ดูแลพ่อแม่ด้วยเจ้าข่าพระอาจารย์มันมันทําให้ใหัวใจชุ่มชื่นแล้วก็ด้วยความที่พ่อแม่เราเป็นสมาชิกถิ่เจ้าค่ะวเขาสนับสนุนการปฏิบัติเราด้วยมันก็เลยทําให้ไ ป, ดปได้ไปได้เจ้าข่าวพระอาจารย์ค่ะ ก็ได้บุญสองบุญเลยเช่คคาค่ะอาจารย์ได้กับคนชราได้อยู่กคนชราได้อยู่กคนง้กัเทียงกันอ๋อแกแต่ ก, ก็ก็บอกคนที่อยู่กับพ่อแม่นะเจ้าคะว่าถ้าอยู่กับพ่อแม่เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีตัวตนเราจะมีโอกาสที่เราจะเถียงเขาบ่อยมากเหมือนที่ลูกๆหลายคนเป็นแต่ที่ลูกได้รับ คำสอนจากพระอาจารย์ว่าเราเป็นคนใช้อะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นเซิร์ฟเวอร์นาะเจ้าค่ะแล้วก็พ่อกับแม่เป็นเหมือนพระอรหันที่เราจะต้องพูดเพราะเด้วยเหมือนเหมือนเราเข้าหาพระอรหันต์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะลูกพยายามเตือนตัวเองเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือทําตัวให้เป็นคนใช้แล้วก็ทําตัวว่าเราเป็นผู้ที่ไปดูแลพระอรหันต์อย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันทําให้เรามีความสํารวมแล้วก็พอเราเป็นคนใช้ เขาสั่งให้ทําอะไรหรือมีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะต้องบอกเขาหมดทุกอย่างเนี้ยจ้าเพราะเขาเป็นเจ้านายเราอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ทําให้ปัญหาน้อยลงเจ้าค่ะพระจานทร์แทบไม่มีเลยคือหลายคนเพื่อนอย่างเงี้ยโทรมาหาลูกก็บอกว่าเป็นยังไงมีการปะทะมีอะไรไหมเพราะเขาอยู่กับพ่อแม่เขาก็จะมีตัวตนใช่ไหมเจ้าค่ะก็จะมีปัญหาปัญหากับพ่อแม่อะไรเงี้ยลูกบอกว่าลูกแทบจะไม่มีเลยเจ้าคะ่ะพระจานทร์เพราะเพราะทำตามความสอนพระจานทร์เขขออจ้าค่ะค่ะเ<ม>ขาก็เขาก็ชอบเราด้วยค่ะใช่เจ้าค่ะเขาก็ เหมือนคนแก่เจ้าค่ะพระอาจารย์พอใคร ม, มาบ้านก็จะพูดถึงเราให้คนอื่นฟังแบบ ม, มีความภาคภูมิใจเล็กน้อยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคาอยดูแล้วพ่อแม่พ่อแม่ต้องการไปไหนมาไหนถ้าเราขับรถพาไปได้ก็พาไป ก, ก็ลูกลูกขับขับรถเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนแรกไม่กล้าเลยแต่ตอนนี้ขับขับรถแล้วรู้สึกดีคืออย่างวันมีช่วงหนึ่งที่แม่ปวดฟันหนึ่งอย่างเจ้าค่ะพระอาจารย์ เขาก็ขับรถเองไม่ได้เจ้าค่ะลูกพรลูกขับเป็นลูกก็สามารถทําหน้าที่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ก็ดีค่ะพระอาจารย์เขาจะมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขอยู่ด้วยกันเพื่อมีความสุขมีความสุขเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ก็มีบ้างที่ความเห็นไม่ตรงกันแต่ลูกก็ก็ถ้ามันมันมันแหวกแนวจากเรามากๆเราก็จะมีเสนอความเห็นเราไปบ้างเพื่อคานเขาไว้บ้างแต่ไม่ได้ ไม่ได้ด้วยการที่จะเถียงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือให้เขามีความเข้าใจบ้างอะไรเงี้ยเจ้าค่ะก็ก็เข้าใจกันที่ดีที่ดีก็คือสงวนส่วนต่างภาสาส่วนนั้นเดีว่าค่ะส่วนตาก็อย่าไปอย่าไปพูดกันค่ะแต่ส่วนที่เห็นข้อต้องการกบพูดกันได้คุณเห็นได้เจ้าค่ะส่วนตาก็ถือว่าคำใครทํามันยอตัวใครตัวมันยอดกันนะ ก็ก็ด้วยความที่พระอาจารย์สั่งอย่างนี้ไว้ด้วยเจ้าค่ะอย่างพ่ อ, <im it> พอของลูกอะ่ะเจ้าขาพระอาจารย์ท่านปกติท่านทานเบียใช่ไหมเจ้าคะ่ะ <im it> แล้วท่านก็เข้าพรรษาคือท่านจะงดเหล้าเข้าพรรษาตามประเพณีของคนคนอีสานอ่ะเจ้าขาพร ะ, ะ <im it> ช่วงเข้าพรรษาท่านจะงดท่านจะทําวัดเย็นทุกวันอะไรอย่างเงี้ย ค, <im it> ค่ะก็จะสงบสุขมาช่วงหนึ่งแต่ก็ก็จะเริ่มเข้าสู่ปกติแล้วค่ะพอออกพรรษาแล้วก็จะเหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าสงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนคือเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเรื่องนี้เจ้าค่ะเป็น เป็นเรื่องของเขาไปพูดกันไม่ได้พูดกันแล้วเดือดตีกันใช่เจ้าค่ะพอลูกพูดเรื่องนี้เขาจะมีเหมือนตึงขึ้นมานิดนึงเจ้าค่ะพ่อันก็เลยหยุดหยุดเลยแล้วก็เป็นคนละส่วนไปเลยไม่พูดถึงเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพ่อจันเรื่องนันสงวนสนต่างไว้ค่ะไม่พูดมันพูดก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันไม่ได้ทําให้มีความสุขพูดไปแล้วทําให้มีความทุกข์พูดไปทั้งนั้นใช่เจ้าค่ะ พ่อค่ะพลพ่อเขาจะทานช่วงเย็นใช่ไหมเจ้าคะพ하자ลูก ก, กับแม่ก็จะรีบขึ้นมาข้างบนบ้านมาอยู่ข้างบน mm hmm. ให้เขาเป็นส่วนตัวในส่วนที่เขาอยู่ตรงนั้นไปคนเดียว mm hmm. เนี่ยเจ้าคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าอยู่นกลูกก็บอกแม่ว่าให้รีบขึ้นเพราะแม่เขาก็จะพ่อจะมีเถียงกันใช่ไหมเจ้าคะมัน mm hmm. แล้วพอทัพพ่อทานเบียร์ก็จะมีอารมณ์ตามภาษาคน mm hmm. ที่กินแอลกอฮอลลูกก็เลยจะชวนแม่ว่าให้รีบขึ้นบ้านอะไรอย่างเง mm ี้ยเจ้าคะจ mm hmm. ก็ประสานส่วนสงวนส่วนต่างประสานส่วนเหมือนนะเจ้าคะแยกกันไป ค่ะก็ก็มีความมีความสุขดีเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ลูกลูกทําตามที่อาจารย์บอกคือเน้นสติก็คือแต่ลูกอย่างที่ลูกบอกพระอาจารย์ว่าลูกยังพูดโถคําเดียวไม่ได้ก็จะสวดมนต์ยาวใช่ไหมเจ้าค่ะแต่พอพอทํามากขึ้นเรื่อยเืยเหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยเจ้าค่ะว่าพอเรามีสติมากขึ้นการที่เราจะคิดหรือปรองอะไรหรือวางอะไรมันง่ายเองเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเราไปทําสติได้ ม, มันมันหมายเอง มันมี อ, อุเบกขามากขึ้นมันปล่อยวางได้มากขึ้นเองเจ้าขาพระจานทร์เพราะจากการที่เราจเจริญสติมาเรื่อยๆเก็บสะสมมาเจ้าขาพระจานทร์มันทําให้เราปล่อยวางหรือโปรงหรือว่าคิดอะไรมันก็มีความหลักแหลมมากขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าขาพระจาทนทร์โอเคดี่ากค่ะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีไม่ไม่มีอะไรแล้วเจ้าขาพระจานทร์กับขอบพราะคุณพระจานทร์ค่ะค่ะสาธุมัชชีมะเมล กลับนมัสการกับพระอาจารย์ไม่มีคําถามอะไรค่ะอาจารย์พรมวิไลจากกรทมค่ะคุณน้อกุการนมัสการพระอาจารย์ค่ะน้องกุ้งกำลังตามแล้วค่ะรอนานหน่อยครับนมัสการพระอาจารย์ครับใช่ายดีนะสบายดีครับพระอาจารย์สบายดีนะคะฉีดยาแล้วก็เรียบร้อยดีนะคะเรียบร้อยดี ไม่มีมันไม่มีไม่มีผลข้างเคียงอะไรโอ้ดีจังค่ะค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะเพียงแต่ว่าฟังเด็กๆ เ, เมื่อกี้สองคนแล้วได้เรียนรู้ไปด้วยว่ามงคลสามสิบแปดข้อสามห้าถึงสามสิแปดเนี่ยจริงๆเราเป็นเป็นผลอะไรที่ใช่เป็นผลที่เราจะได้จากการปฏิบัติแท่นแต่ข้อหนึ่งข้อที่ <34. S 2> ะ รู้สึกดีค่ะว่าอืมเราเราต้องเร่งทำตรงนั้นมากๆขึ้นถ้ายังขาดตรงไหนอยู่ก็ต้องรีบเติมให้เต็มนะคะปฏิบัติปฏิบัติไปแต่ว่านําธรรมาชาติี่ต้องต้องเร่งทำอย่างนั้นเราก็จับประเด็นได้ว่า ค, คือทำใจให้เราเฉยกับทุกอย่างนั่นเองให้เราไปดีใจให้เราไปเสียใจเราไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ไดทุกอย่างมันเหมือนธรรมชาติเกิดอยาเจริญเสือ่อม ใช่ไห ม, ม า, ามืนี้ก็มื่อตอนก็มียุดมันมีตาแหน่งเดี๋นี่ก็กลายเป็นคนธรรมดามเกษียณอายุแล้วเกษีย น, ยน <relationships> เกษียนนานเป็นหักเกษียนออกจากงานแล้วจริงๆเราก็สบายมากกันนะคะแต่ก็ยังทําให้อยู่นะคะพียงแต่ตวา่าไม่ไม่ต้องห่วง <S <S ไม่ห่วงไม่ยืดไม่ติดไม่ยืดไม่ติดแต่ว่ายังใ ห, ใ, หให้ให้ให้เต็มร้อยเหมือนเดิมค่ะ นี่ค่ะไม่มีอะไรค่ ะ, ะ, ะก็กลับไปจานค่ะเอาเท่านนี้ก่อนนะค่ ะ, ะคุณแนนต่อที่บุดดรยนทานีกล่าวอำมาสัการ์ค่พรอาารวันนี้ไม่มีคำถามค่ะโอเคคุณออมจากบ อ, ว อ, อเวนอ้อมในงานยังมีปัญหาเรื่องความควยหรือเปล่าไม่มีค่ะ ไม่กลัวแวนะไม่กลัวผีไม่กลั ว, ลวไม่กลัวผีแล้วค่ะอยู่คนเดียวได้นะอยู่ได้ค่ะเออมันมีเตือนความจําในเฟซบุ๊กอะค่ะไปบนเขาโคกปีแล้วอ่ะค่ะพ่อาจายันปีนึงนะใช่ค่ะมาเข้าห้องนี้ก็ปีนึงนะเมื่อปีกว่านะน่าจะปีกว่าค่ะเพราะว่ารู้จักพา่อาจารย์ก็น่าจะเข้าปีที่สองค่ะค่ะโอเค ขอให้ปฏิบัติไปคมีปัญหาตรงไหนก็พยายามแก้มันนะค่ะถ้าเป็นกลัวก็โกรธโกรธก็กต้องแก้ครับ โ, โกรธให้ได้ตั้งแต่รู้จักผู้อาจารย์ก็ทุกน้อยลงค่ะค่ะรู้จักวิธีการจัดการความทุกข์แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เข้ามาค่ะลดความอยากให้มันน้อยลงค <c oughs> ่ะทุกมันก็จะน้อยลงตามค่ะทุกก็จะความอยาก <c oughs> ถ้าสมมติมันเข้ามาแล้วเราก็มีวิธีรับมือมันมีสติมีปัญญานะค่ะอันนี้แหละเครื่องมือสาคัญก็คือสติปัญญาค่ะค่ะโอเคปฏิบัติต่อไปนะอย่าอยประมาทอย่าไปคิดว่าอยากไปคิดว่าเก่งแล้วนะอ๋อไม่ค่ะค่ะยังยังเป็นอนุบาลอยู่ค่ะพ่อจสติยังไม่ต่อเนื่องเลยค่ะเวลานั่งสมาธิ คนที่คิดว่าตอนเองฉลาดนะคือคนนอก ค, คนที่คิดว่าตอนเองยังไม่ฉลาดคนท่านั้นคือคนฉลาดค่ะแ ต, แต่แต่มันก็คือความจริงค่ะว่าอาจารย์นั่งสมาธิรู้สึกว่ามันมันยังมีมีสติไม่ต่อเนื่องหรอค่ะอ่าค่ะเดีสติที่สําคัญพยายามเจริญสติให้มันมีได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนได้อย่างนี้ค่ะค่ ะ, ะ เ, เดี๋ยววันศุกร วันศุกร์ขึ้นเขาอีกค่ะคพียนี้สองวันนะค่ะโอเคค่ะค่ะขอบพระคุณครัอ่าทุกอ่ะคุณในเชียงรายา ก, ระะการนวมสการพระอาจารย์ครับเออวันนี้ไม่มีคําถามครับเข้ามารับฟังครับอาจารย์แต่ก็ปฏิบัติอยู่ครับถือเนสันชิปอยู่ครับอาจารย์ครับเครื่องแบบแบบเแบบิม ครับผมในวันที่ไม่ใช่วันพ้าไม่ใช่ครับในสัปหิได้อ๋อไม่ครับวันนี้เป็นวันเข้าห้องเรียนต่อเหมือนกับเหมือนกับไปโรงเรียนนะครับอาจารย์ อ, อันนี้คิดว่ามืนกับวันพ่าครับครับผมแต่ชุดนั้งเรียนมาแล้วทำปฏิบัติการั่งเรียนครับครับผมครับผมก็ก็ปฏิบัติทุกวันนะครับอาจารย์ก็อยู่กับเวทนาได้ครับก็ก็อยู่ได้ก็ไม่ ไม่ไม่ทุกข์อะไรกับกับเวทนามากนะครับอาจารย์ก็อยู่ได้ด้วยสติก็บางทีก็ทอออ่องเอีิทีโศไปเป็นครบเท่าอายุไปมันมันก็ลืมไปครับอาจารย์ก็อยู่ได้ดีครับเน่ครับผมอไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่ทร ม, มานครับผมอยู่มันได้อยู่มันเฉยๆได้ครับผมอ่าโอเคนะปฏิบัติผลอยู่ที่การปฏิบัติครับผมครับผม ไมไดที่ความอยากอยากได้ผลนี่ยัไม่ได้ต้องปฏิบัติกระหูกกระหูกกระหูกกระพุนพระจานร์อยสุขผลท่าฐันพระจานทร์แข็งแรงครับผมสาธุครับเป็นรองศาสนาต่อกลาวณมรสการพระจาร์ชาอาทิต์อาทิตย์นี้ก็คงความสงบแบบรมเย็นในใจได้พระอาจารย์แล้วก็สักแบบว่ารู้เนี่ยก็เข้าใจแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่ามันดีมากๆเลยต้องขอบคุณคุณพระอาจารย์มากมันทําให้เข้าใจค่ะแล้วก็ลดการจัดการคือคําเนี้ยที่พระอาจารย์พูดแหละมันทําให้เออคือเรารับรู้แล้วก็มันเข้าใจอนัตตามากขึ้นนะคะอาจารย์คือเข้าใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันสมมุติแล้วก็แล้วก็ไม่จัดการแบบอะไรแต่ว่าเราทําตามหน้าที่นะพระอาจารย์แล้วก็แปลกตรงที่ว่าอารมณ์มันไม่มีพระอาจารย์แบบเอออารมณ์มมมมมััันนไไ่่่่คควววใชีหหุา ไม่มีคำไม่คืออย่านี้รู้สึกดีเหมือนแบบรู้สึกมีความมันเย็นข้างในอย่างพระอาจารย์คือรู้สึกว่าแบบอ่านเคยเคยอยากทํามากเลยแล้วก็อ่านเองอ่ะมันไม่ค่อยเข้าใจนะพระอาจารย์แต่พอทําตามที่พระอาจารย์แนะนําสั่งสอนนะคะมันมันเข้าใจมากขึ้นพระอาจารย์ต้องขอพรึกษาบมากเลยอ่ะค่ะก็ทําต่อพระอาจารย์คือมันมันเข้าใจคําว่าไม่จัดการกับอะไรอย่าพระอาจารย์ใช่เป็นธรรมชาติเราไม่มันไม่เป็นจัดการกับธรรมชาติ สายชายก็สู้ธรรมชาติไม่ได้ธรรมชาติยิ่งใหญ่กว่าเราหรกก็ทํำต้นที่เราทําได้ถ้าจําเป็นต้องท ำ, าา ก, งทำก็ถามไม่ใช่ว่าง่วงงเมยรอเท้าเลยทีเดียวถ้าลังคารั่วก็ซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ใช่ว่าเออลังค า, า, า, <c oughs> ารั่วเพราะหวานมันรั่วไปอย่างนูหลวงปู่ชาเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งท่านอยู่ประเทหลังคารั่วนั้นก็ปล่อยให้มันรั่วไป <c oughs> ก็ทำตามสมุดได้่ต้นซ้อมใ่ไพอยงอย่ส ม, มุตร <c oughs> <t ask S 1> ิรักษานทัดกัน <c oughs> ก็ยังอมีหน้าที่ดูแลอยู่ก็จ <c oughs> ปล่อยวางทุกอย่างไปปล่อยวางบานเลี้ยงเทก็ไม่กไม่เก็บไม่กว่านี้ก็ไม่ใช่ปล่อยวางแบบนี้ไม่ใช่นะนี่ปล่อยวางแบบกี่เลียงคือความเกียดคานี่เองกินเลี้วมันตลบหลังเรานเราทำมากมาหลอกเราแล้วฉันปล่อยวางแล้วนะ ในบ้านนี้โลกยิกังลังอยู่อีกแล้วตัวเองมาเป็นนักปฏิบัติธรรมไม่ได้นักปฏิบัติธรรมได้านะที่บ้านทั้งเรียบร้อยสะอาดเหมือนกับเหมือนกับไปอยู่ในโรงแรมอย่างเงี้ยเวลาระพักในโรงแรมนี้ห้องเขาจัดให้เรียบร้อยบ้านเราควรจะเป็นแบบโรงแรมทุกวันเรียบร้อยไม่มีขอไม่มีขอะไรวางไม่กระจัดกระจายรองเท้าอยู่มุมหนึ่งเสื้อผ้ากองไว้กองหน่อย ต้องเก็บมันนะเก็บออกม า, าทำมาอะไรวางไว้มันเรียบร้อยแล้วก็네ถ้าไหนจะดูว่าคนเป็นไงไปดูที่บ้านก็ว่าไปดูแบบไม่ต้องบอกเขาลงหน้ารถได้ต้องจานในรถอะห็นอะทำไมส่<ด> <peek ing> วนคนทำ ง, งานเยอะรถนี่แบบอ เดี๋ยนี้สบายมากคนขึ้นรถเราแบบสบายเลยรถสะอาดแบบเมื่อสมัยก่อนมาจจะทำงานอ่านื่งปฏิบัติต้องเรียบร้อยเ น, นี่คือความเพียรครับวิญญาณเข้าใจ ไ, ไหมความระ เ, ก, เ ก, กะความเกจกะความอะไรเนี่ยเรื่ความขี้เกียจไม่ใช่อะไรขี้ เ, เกียจคา้านไม่จัดข้าวของให้มันอยู่เป็นบบระเบียบเรียบร้อยให้มันสะอาดเนี่ยขี้เกียจทําำไม่ใช่ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวาง ยังทําตามนะดยังทําหน้าที่ที่ตามสมที่เราได้มาค่ะแต่ทํางาน่ะพระอาจารย์ก็คือปล่อยวางแล้วรู้สึกดีมากเพราะว่ามันทําไม่มีอารมณ์แล้วก็มันไม่หุนเหวียวคนคือสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้แต่ว่าเราทําหน้าที่ของเรารู้สึกโค o l แบบมันดีมากเลยพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็งานก็ค่อยค่อยแบบโอเคแล้วพระอาจารย์เพราะว่างานที่ต้องทําคือภาพภาพผ้ป่านแล้วก็เรียบร้อยหมดแล้วพระอาจารย์อมากเลยเวลาของเรามีหน้าที่อะไรก็ทำเลยค่ะพระอาจารย์ ขอบพระคุณมากเลยสายถึงสายถึงโยมหญิงไม่แเจอกันหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยหายไปไหนอาทิตย์เดียวค่ะพระอาจารย์อาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์ที่แล้วไปชาอํากับพระอาจารย์เท่าไปชาอัมแล้วคืนเด็ดไม่ไม่มีสัญญาณไม่มีในโทรศัพท์มือถือโยมหญิงก็ไม่มีซูมเหมือนเจ้าค่ะก็ฝังเอาข้างนอกค่ะพระอาจารย์พอถึงมุฟุตนี้ต้องรีบเข้ามารายงานค่ะพระอาจารย์คะเอโยมไม่ไม่แน่ใจว่าโยมปฏิบัติถูกหรือผิดนะคะ คือโยมนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งพอโยมรู้ว่า ม, มีมีมีความเจ็บเข้ามาโยมก็ดูดูความเจ็บแต่เราเราก็ปล่อยอะค่ะจะเจ็บก็เจ็บไปซึ่งซึ่งซึ่ ง, งใจเ ร, เราเราเราจะไม่ไปเดือดร้อนทุกร้อนนะคะแล้วพอสักพักหนึ่งโยมดูไปสักพักหนึ่งเวลาที่โยมจะจิตรวมพระอาจารย์โยมจะเหมือนคนหอบอพระอาจารย์แบบแบบหอบแบ บ, แ บ, บเหมือนคน แบบหอบเหมือนคนที่กําลังจะขาดหายใจค่ะพระอาจารย์แตพอสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะนิ่งพอนิ่งปุ๊บเนี่ยพระอาจารย์ลมหายใจจะไม่มีเลยพระอาจารย์ยมยมก็เลยนิ่งอยู่กับลมแบบคือมันดับสนิทลมหายใจไม่มีแบบเราเราไม่เราคือเราเราไม่สามารถจับลมได้ค่ะยมก็อยู่งั้นไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งอ่ะพระอาจารย์ยมก็มีความสุกว่าปุบปตรงกลางหน้าอกมันฟุบฟุบฟุบฟุเนี้ยค่ะยมก็ดูความฟุบไปสักพักหนึ่งแล้วยมก็นึกถึงคําสอนพระอาจารย์บอกว่า เราต้องรู้แต่ลมเราต้องรู้แต่ลมแล้วในในขณะที่ลมรับรู้ถึงสภาวะที่มันวุบฟุบวุบตรงกลางหน้าอกอย่างอย่างเดียวเลยพระอาจารย์โยมก็เลยมานึ้ถึงคําพระอาจารย์โยมก็เลยพยายามควานหาลมโยมโยมก็เลยพยายามตัดไอ้ที่มันวุบวุบวุบออกแล้วก็พยายามไปไปไปดูว่าลมพยายามดึงให้มาอยู่กับลมหรืาพระอาจารย์แล้วพอดึงมาอยู่กับลมโยมก็เจอก็เจอสภาวะลมแต่นี้โยมก็รับรู้ลมเป็นปกติไปเลยพระอาจารย์อย่างนี้ อย่างนี้จริงๆแล้วคือเราต้องถ้ามันเด่นอะไรเราต้องดูอันนั้นอันเดียวไหมคะเพราะเราไม่ต้องไปควานหาลมซึ่งลมมันดับไปเลยพระอาจารย์มันไม่มีลมเลยอะ่ะไม่มีลมก็ดูความว่างไปดูความว่างแต่สภาวะไอเนี้ยมันออกมาเด่นชัดมากพระอาจารย์มันฟุบฟุบฟบฟบบอย่างเง<ก>ี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดูก็ดูเฉยๆไปอย่าไปมียังไม่มีความอย่าไปอย่าไปจัดการกับมันอ๋อแล้วก็ต้องดูดูเฉยๆไป ไม่ต้องมีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราดูศักดิ์วารู้ไปจากดิ์วารู้ไปอ๋อค่ะพราจารย์ว่าทุกอย่างมันก็เงียบแต่ว่ามันจะรู้แค่ฟุบแต่โยมนึกถึงพระอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าให้รู้แค่อย่างเดียวอย่าอย่าอย่ารู้ความฟุบเหมือนกับมันมันวุบฟุบมันชัดเจนมากพระอาจารย์มันฟุบฟุคือรู้แล้วอย่าไปอยากให้มันถ่ายไม่อยากอยายกให้มันต่อว่าใช่ไหมโยมทําผิด ค่ะพระอาจารย์งั้นถ้าอะไรสภาวะอะไรที่เกิดเฉพาะหน้าเราก็ดูอันนั้นเฉยเมันมันจะเกิดขึ้นก็ปล่อยมันเกิดขึ้นมันจะตั้งอยู่ก็ไปมันตั้งอยู่มันจะดับไปก็ไปมันดับไปแต่มันไม่รวมวู่นพระอาจารย์แล้เราไม่นํางไปจัดการไปอะไรกับมันให้ให้ฉยเฉยค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าลมหายยมเข้าใจเลยค่ะคําที่ว่าลมหายเป็นยังไงคือมันเหมือนคนไม่ไม่หายใจเลยพระอาจารย์มัน มันลมหายก็ไม่ต้องไปควานหาหาลมให้รู้ตามความเป็นจริงของลมเนาะตอนนี้ลมไม่มีก็รู้ว่าไม่มีแต่ไม่ต้องไปตโนธ้องกันไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะพระอาจารยโยมโยมก็นิ่งโยมก็โยมก็ดูความยุดโยมก็อยู่ความเฉยไปแต่พออยู่ความเฉยสักพักหนึ่งมันก็มีที่บอกสภาวะที่มันวุบวุเข้ามาโยมก็เอ๊โยมก็ดูวุบวุไปแต่ว่าคือโยมก็รู้ว่าอ่ะมันวูบก็คือวูบแต่ตัวตัวผู้รู้ก็คือดูไปแต่สักพักหนึ่งโยมก็นึกถึงพระอาจารย์เองก็เลยพยายามไปควานหาที่คือผิด ผิดแล้วไม่ต้องไปความหาให้ให้ให้ตั้งให้ให้ตั้งอยู่บนที่ทานยอมการรู้เฉยๆนั่นเองให้รู้เฉยๆอะไรหายก็รู้ว่าหายไปอะไรโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่าโผอ่ขึ้นมาแต่ไม่ต้องไปจัดการเขาไม่ต้องมีปฏิกิริยากับเขาได้ค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะนั้นยมจะปฏิบัติต่อไปแล้วก็ช่วงส่วนวันที่เข้าพรรษาพระอาจารย์ยมตั้งสัจจะไว้ว่าโยมจะละเว้นเนรศ จนถึงออกพรรษาแต่โยมก็ละเว้นเนื้อสัตว์จนได้มาถึงวันวันที่ห้าที่ผ่านมาเพราะว่าโยมต้องทําตัดตัดผลไฟของหลานเลีหลานหลานสาวอะค่ะโยมต้องไปชิมอาหารถวายพระโยมก็เลยออกก่อนวันที่สิบพระจารย์โยมก็เลยออกวันที่ห้าอันนี้ไม่ถือว่าผิดศาลจะา่ะป่ะคะพระจารย์ไม่รู้แหละกิดไปห้าวันพระจารย์แต่ว่าห้าวันก็ผิดแต่ยัไม่ผิดได้ไงได้เลยจมาหอกตัวเองง่ายไง ได้แต่ว่าโยมมาทานมื้อเดียวสองเดือนเลยค่ะพระอาจารย์แล้วพอเริ่มสักสองสองเดือนครึ่งก็จะมีคนที่บอกว่าทําไมทําแบบนี้อยู่ได้ไงมื้อเดียวคนเขาเป็นห่วงเราค่ะอาจารย์<อ>เขาบอกต้องการ<อ>ต้องการ<อ> <laughs> บอกพระก็อยู่ปรมาเป็นปีเขาเม็นขเขาไป็นตายเลได้ค่ ะ, ยยคะโยมก็เออเห็นคนทักเยอะโยมก็อ่ะโอเคก็ทานทานทานสองมื้อช่วงเดือนช่วงเดือนที่สามค่ะช่วงช่วงก่อนช่วงก่อนก่อนก่อนจะหมดพรรษา แต่ว่าต่อไปโยมก็จะาทางแค่มื้อเดียวปกติเหมือนเดิมค่ะงั้นเดี๋ยวแสดงว่าเราถูกทีเ่เลยเราใช่ไหมใช่คาะพะาัชญงั้นเดี๋ยวเข้าพรรษาหน้าเอาใหม่ค่ะปฏิบัติไม่ต้องรอพรรษาหน้านะเรื่องเริ่มเริ่มเรื่อวันนี้เลยก็ได้ต่อไปอีกสามเดือนปวดขาดปวตีนะคะพะัชญาโอ้ไม่ขาลงรนี่เรากินมาตั้งกี่ปีแล้วกินมื้อเดียวมาตั้งแต่บวชโอเคค่พะพัชญาเดี๋ยวโยมทําต่อค่ะค<า>่ะเป็นรอพรรษาหน้าเดี๋ยวมันจะตายขึ้นก่อน S <S> <S ตอนที่ทํานอยู <did> ย่ทำเนอะค่ะพระอาจารย์ก็กะถามอีกเรื่อหนึ่งค่ะพอาจารย์เวลาเวลายอมไปใส่บาตรใช่ไหมคะแล้วสมมติว่าเราเราเราถวายา ส, สังฆทานด้วยค่ะแล้วยอม Man. จะชอบซื้อถั่วถั่วถวายไปในในถุงสังฆทานหรือว่าจะถวายไปน่าจะประมาณช่วงประมาณสิบโมงก่อนก่อนก่อนที่ท่านจะฉันเพลนคือตอนที่ทําบุญบ้านนะคะยมก็จะแบบสัสงฆทานยมก็จะถวายถั่วใส่ไปแล้วญาตาเขาบอกว่าทาอย่างนี้ผิด เอาถัว่วเอาถั่วให้พระได้ยังไงช่วงสิบโมงอย่างนี้ท่านก็จะฉันไม่ไม่ไม่หมดถุงเหมือนว่าพอเหลือปุ๊บเนี่ยท่านก็ต้องให้ให้ลูกศิษย์ต่อเหมือนกับว่าอาหารนั้นจะต้องหมดภายในวันนั้นใช่ไหมคะพระาจา่าคือถ้าเป็นอาหารพระเก็บข้ามคืนไม่ได้ไม่ได้ถ้าถ้ารับประเคนถ้าถ้ารับกรรมมืแล้วก็ต้องฉันเสร็จหน้าที่เหลือก็ต้องต้องสละไปไม่เก็บไว้ข้ามคืนไ ม, ไม่ให้สะสอมอาหาร แต่ในนี้เขามีเขามีวิธีไงคือว่าถ้าเป็นของมากเราก็อยากไปถวายกับพระฝากรูปิล์ไว้้นูปิล์แล้วเวลาพระต้องการมูอศิล์ก็จะเอามาถวายแบ่งถวายมาเป็นตอนๆไปได้อ๋อค่ะแบ่งเป็นส่วนๆได้แต่ถ้าพระรับเองรับไม่ได้ไม่ได้ก็แค่ได้มือเดียวมือนั้นมือเดียวหลังหลังเที่ยงไปนับก็ต้องสลระใช่ค่ะเหมือนแจ้ก็บอกอู้ เดีได้ยิ่งถ้าเราถวายอาหารเยอะบางทีเป็นของแห้งพวกปลากระปองมามากนี่เราไม่เราอย่าไปถวายกับมือว่าไว้ข้างหน้าท่านอกว่านีแล้วเดี๋ยวท่านก็จะให้ลูกศิษย์จัดการเก็บไว้ได้ค่ะพยมใส่ทั้งมีดมีดตัวหนวดทั้งทั้งสบู่ทุกอย่างแล้วก็ยากควรจะแยกของกินกับของใช้ออกจากพญานิษย์อ๋อครับอาจารย์ค่ะแล้วแบบได้บอกจะได้แมคข้าดิเมียเช่วนะท่านฉันไม่หมดท่านก็ต้องให้ลูกศิษย์เลยอย่างเงี้ยค่ะ เขาไม่เป็นไรท่านก็ทําบุญทําทานไปท่านก็ไม่ได้คิดอะไรว่ากญามิยมไม่คิดกันเองที่พระท่านก็ไม่ได้คิดอะไรทีเรือก็อยากจะแจกให้ลูกศิษย์กินบ้างใช่ค่ะใช่ค่ะโยมก็บอกกับญาติบอกก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ท่านท่านจะบริจาคอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แต่อนนี้ก็คือเป็นความรู้แล้วค่ะอาจารย์หน่อยโยมก็ต้องแยกแล้วก็ฝากให้ลูกศิษย์ไปนอกจากว่าถ้าท่านไปอยู่ที่กันดารเช่นอยู่ที่ตาป่าตาเขาไกลๆคนไปทําบุญน้อย เวลาย่างเดือยเ อ, ย า, อย า, าของแห้งไปก็ไม่ควรจะประเคนไม่ควรจะเอาของถวายท่านปับ๊บท่านก็เก็บ ไ, ได้แค่มือเดียวอันนี้กะวางไว้ทนะ่านด้วอถามถ้าไหรให้ทํายังไงบอกถามได้ของอยากถามได้ว่าของพุทธิย้ายหรือประเคนแบ่งประเคนด้วยยังไงก็ว่าไปค่พะพระอาจารย์ค่ะค่ะถ้าพระท่านท่านถ้าท่านรู้จากพระวินัยท่านก็จะบอกว่าเอามันเยอะกินไม่หมดเอาวางไว้ก่อนดีกว่านะ อยามามาถวายเฉพาะพงศ์วินิยมเพื่อนเดียวพอพอค่ะพระอาจารย์ค่ะอรากนมัสการพระอาจารย์นะค่ะโยมอยากไปกราบพระอาจารย์แต่ว่ากลัวเรื่องฝนกับกลัวเรื่องน้ําท่วมเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วพาคุณพ่อไปกราบพระอาจารย์ค่ะเอ่อจางคุณบานไม่เป็นไรนะไม่ต้องมาก็ได้คุณพ่ออยากไปค่ะพระอาจารย์คุณพ่ออยากไปบ่นตลอดค่ะแต่โยมบอกว่ากลัวฝนแล้วกลัวแบบคุณพ่อเขานั่งนานแล้วกลัวน้ําท่วมน้ําท่วมไหมคะชลบุรีพัทยายังไม่ท่วมใช่ไหมคะ มันก็เป็นพักๆมาแต่มันไม่มันไม่ท่วมนะไม่ท่วมขาไ ม, ขามันอาจจะถับฝนตกนั้นก็เยอะมันก็ จ, จะท่วมกันหนอยอยู่ทั้งครึ่งชัง่วโมงชั่วโมงแล้วมันก็มันจะระบายไปได้ค่ะพระเจ้าเราก็ยอมรับงานพรเจ้าอีกอย่างหนึ่งค่ะคือช่วงนี้ยอมเวลายอมได้ยินอะไรยอมก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินแล้วก็ปล่อยไปบางทีแฟนบางทีเขาหุนิดใส่เนี้ยค่ะแบบเวลาเขาเขาวัยทองเน<ช>ี้ยค่ะที่ามาว่าอะไรเราก็อ่ะเหรอโอเคก็เฉย คือใจเฉยมากเลยพระอาจารย์โยมก็ ด, ดูใจเด้งว่าทําไมใจเรานิ่งแบบนี้ทำไมใจเราไม่ตกรธใจเราไม่โมโหใจเราไม่รู้สึกญญญอะไรปัญญาไงเรามีปัญ ญ, ญาใช่บอลแบบดีมากเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทุกอย่างก็จบแฟนเขก็ตัดเป็นพวกแฟนเขาก็หายของเขาไปเองอ ะ, ค, ะค่ะาาใช่ค่ะมากมากเลยค่ะเขาเป็นเขาเดี๋ยวก็หายใช่ค่ะแต่จ<ต>ัด ต, ตั้งอยู่แล้วจับไปจริงค่ะพระอาจารย์ ัเกิดจงหลายรอบแล้วทุกครั้งก็คือใจนิ่งึกับขอบพระคุณพระอาจารย์ฟังคาสอนพระอาจารย์นี่สุดยอดจริงๆพระเจ้าค่ะค่ะต้องไปใช้ต้องไปใช้ถึงจะเห็นผลาจริงนคะพระอาจารย์จริงค่ะเราไม่ใช่ก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์จริงค่ะพระอาจารย์ค่ะกลับนะว่าพระอจาย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะปฏิบัติต่อเนื่องค่ะโอเคคุณพงพันต่อพันแก่เนี่ยพงพันจำได้ อ่าปิดไมค์ก่อนไม่ได้อีกเสียงครับกาบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับกา<ม>บอยู่ขอนแก่นครับพระอาจารย์<ม> อ, อวันนี้ก็มีเรื่องมากาบเรียนถึงเ อ, อผลพลอยได้จากการปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์ครับก็คือก่อนหน้าที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์ครับก็คือผมป่วยเป็นลิซิดวงมาหลายปี ก็พยายามรักษาด้วยการกินยาแล้วก็อวิธีบําบัดหลายๆวิธีก็ไม่หายครับจนกระทั่งวันหนึ่งก็มาปฏิบัติตามคำสอนพระอาจารย์แล้วแล้วก็อคิดซะว่าอมันจะหายเองก็ให้มันหายถ้ามันไม่ถ้ามันไม่หายก็ให้มันอยู่กับเราไปซะคิดอย่างนี้ครับพระอาจารย์ mm hmm. ก็จะเลื่อนสติไปตามปกติตามสมาธิไปตามปกติครับ mm hmm. แล้วก็ ก็มันมันก็หายครับแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนี่ก็จะสองเดือนแล้วครับพระเจ้าครับให้ทำใม้โอรสได้มาให้สติใช้ปัญญาปลาอยวางครับถ้ามันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้าเรารักษาไม่ได้ก็จะปล่อยมันหยู่ไปครับเพราะว่าตอนที่เป็นนี่ยก็คือมันมันมันจะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆแล้วก็จะมีเลือดออกแต่ว่าพอพอถึงที่สุดแล้วยายาก็เลิกกินครับแล้วก็อะไรต่างๆก็พอแล้วครับแล้วก็ อตั้งใจแค่เจริญสติกับทำสมาธิแค่นั้นครับ mm. แล้วมันก็อยู่มาวันหนึ่งมันมันมันหายไปมันหายสนิทไปเลยครับอาจารย์ mm. ตรงนี้ก็น่ า, าผมคิดว่ า, น, าน่าจะเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติอย่างเคร่งคัดครับอาจารย์ก็ดีครับแต่ก็ไม่ได้เป็นเป้าเป้าหมายหลักของเราการปฏิบัติของเราคือเพื่อรักษาใจเราไม่ให้ทุก็ อ, อะไรครับผมครับตรงนี้ต้องกราบขอบคุณ ในทำคำสอนที่พระอาจารย์แนะนำด้วยครับวันนี้ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์ okay. ขอบคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะขอบคุณพระรัตนัดดาใจครับ okay. สาธุาธุครับคุณยินดีต่อจากออเมริกาเจ้าแคลินะีไปไงย้ายไปแคนซัสไดียงังยังค่ะท่านอาจารย์วันที่2 4คะ่ะเขาจะมาบริษัทเขาจะมามู v ให้ค่ะ14นี่แหลอ ยี่สิบสี่ค่ะยิบสี่ค่ ะ, ลคะแล้วก็ตอนนี้ลูกก็ดูดูก็เตรียมพยายามดูว่าของอันไหนที่จะต้องแบบขนแล้วก็ของอันไหนที่เพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์เป็นช่วงที่ท ด, ดีเราจะได้อดทิ้งของมันเยอะแยะเกินกันไปทำไมอันไหนไม่ใช้ก็บอยจากไปก็ได้ค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็ดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็อาทิตย์นาพดี เดวิดเขาก็วันจันเขาก็จะเดินทางไปที่นู่นก่อนนะคะอืเพราะเขต้องการตัวไปทางนู้นก่อนอาทิตย์นึงแล้วมันก็ทําให้ลูกว่างเราก็เลยได้โอกาสสบายอยู่ต้ อ, ตอไปหาบ้านระห่างเดินขั้นทางบริษัทหาบ้านให้บริษัทเขาหาบ้านคือเข้าหาอพาร์ตเมนต์คือให้อยู่ช่วงคราวหนึ่งเดือนนะคะถ้าอาจารย์และอาจารยปุ๊บช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยคือเราต้องดูเอ่อหาอพาร์ตเมนต์นะคะแต่บริษัทเขาก็มีซัพคอนแท็กตแบบ ให้ให้ให้เราแบบคอยไกด์ทางให้เราว่าตรงนี้ตรง น, รงนี้ตรงนี้แต่เราบอกกับเขาไปว่าเราต้องการอะไรแล้วจากนั้นเขาไปหาให้เราแล้วจากนั้นเขาก็จะพาเราไปดูอะค่ะแล้วก็ให้ตัดสินใจภายในหนึ่งเดือนนะคะแล้วจากนั้นก็ยายเขาท้าวย้ายเขาค่ะตามโปรแกรมมาค่ะอืตามนี้ค่ะอ่าขออธิตัว อ, อย่างรอบเล่นนะค่ะขอบคุณมีจารย์สูงค่ะถ้าอาจารย์เมื่อเมื่อคราที่แล้วลูกก็ลืมบอกแล้วก็เอ่อคราวนี้เดวิดเขาบอกว่า เเออขอให้ท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมค่ะบอลซ่องเต้ะค่ะท่านอาจารย์เช่นเดิมค่ะขอบคุณมากค่ะขอพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็เหมือนญาติญาต์เหมือนกับญาติธรรมทั้งหลายที่บอกอะค่ะก็ทุกอย่างคําพูดของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะค่ะเย็นดีพระวิญญางสูงค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณตายสาดตกเรื่อะไร โกาบไมมาสักการแล้วาจาจย์ก็หนูไม่กล้าพูดไม่ไม่มันคัาให้ตอบไม่บังคับให้ตอบค่ะก็รู้ตัวค่ะว่าต้องเจริญสติให้มากๆแล้วก็ถ้าเจอเหตุการณ์อะไรที่ไม่ตรงใจแล้วก็ที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าใจอะค่ะก็ต้องพยายามสร้างสติแล้วก็ หาหาธรรมากของพระอาจารย์นะมาข่มให้ได้ข่มให้อยู่ไม่มีอะไรริงแท้แน่นอนค่ะก็ก็พยายามเอาคำสอนของพระอาจารย์ทุกบททุกตอนที่พอจะจำได้เข้ามาสอนตัวเองว่าอย่าไปเสียใจยอย่าไปอย่าไปอยากถ้าเรา ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์อย่าไปยึดติดให้ยึดติดพระธรรมคําสอนของพระอาจารย์แต่มันก็ยังเศร้าใจอยู่ดีอะค่ะพระอาจารย์ไม่ผ่านนะคะตอนนี้เรายัางไม่น้อ ย, อยน้อยอยู่เลยยังมีร่ชาช้งยังมีร่าช้างกลัวเราอยู่มากานะค่ะเนี่ยค่ะที่หนูจะต้องฝึกสติเอ<ป>าค่ะแล้วมันจะร่อนลงค่ะพระอาจารย์มีเรื่องเดียวเนี่ค่ะที่หนูจะต้อง เราไม่สบายใจกับพยายามพุทโธพุทโธพุโธพุโธไปอยาก่อยให้มันคิดยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าค่ะแต่ก็แต่ก็ทําได้ละค่ะใจฟูขึ้นมานะคะอาจารย์เมันเก่าใจามันแฝดเหมือนมันเหี่ยวไปเลยค่ะอาจารย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรละค่ะอาจารย์ก็ดีขึ้นเยอะละค่ะได้ปฏิบัติทําจะได้รู้ผิดรู้ถูกเยอะขึ้นนะว่าทําอะไรผิดทําอะไรถูก จะได้แก้นยอไไนที่ติดจะได้แก้แก้ไขหลับแปลงให้มันถูกหนูจะยึดพ้าทําคคำสอนของพระอาจารย์ให้อยู่ในใจให้ของหนูให้ศึกษาทำมาอยู่เรื่อยๆมาฝั่งเทศนี่ออกพรรษาแล้วนี่ยังจะมาต่อเกียงรักษาศีลมาค่ะก็หนูคิดว่ามันมันอาจจะ อาจจะเป็นอัตโนมัติหรื อ, อยังก็ไม่รู้ไม่แน่ใจก็ต้องดูอีกท่าหนึ่งก่อนว่าใจหนูมันจะไปหรือเปล่าคือเอามันเอามันท่าต่อวันท่าไปแล้วกันค่ะเอาที่เรารักษาได้ครับท่าต่อไปเราก็รักษาต่อไ ป, อไปนอกจากว่าถ้ามันมีเหตุการณ์น้ำท่วมอะไรที่มันสุดวิสัยก็จะเว้นมากงค่ะกว็ขอให้มีเหตุการณ์รบังคับถ้าไม่มีเหตุการณ์บังคับอะไรก็เราเคยรักษาได้เราก็รักษาเราต่อไป อย่าไปคหนดณว่าเอาแค่เข้าพรรษาพอเข้าพรรษาก็ไม่เอาอย่มก็เข้าทานกี่เลยดันใช่ค่ะพอาจารย์แต่ก็ตั้งใจว่าจะทําต่อค่ะทำแม่ว่าอาจารย์ไม่ถามหนูก็จะตั้งใจอยู่เใจก็ลึกๆว่าตั้งใจอยู่เพราะว่าลูกก็ช่วยดูร้านให้แต่ไม่แต่ไม่ทํางไปอธิษฐานเพราจะรักษายาวนะขนาดในขนาดนี้เอาแค่วันอ้าวเอาวันท้ไปก็แล้วกันค่ะพอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจะเสียสัจจะมันจะ มันจะรู้สึกถูบบังคับมันสบายสบายหนึ่งแบบนะับใช่ค่ะอาจางถ้าไม่มีเหตุที่จะทาให้เราไม่รักษาได้เราก็เราก็รักษาไปถ้ามีเหตุนะมับังคับทําให้รักษาไม่ได้ก็ก็เว้นไปบ้างตรนี้ทำน้องน้อมรับคําสอนค่ะแม่จางวันนี้ก็ไม่มีอะไรละคะอคขอบคุณมากค่ ะ, ะคุณสุภาธนารมลิน เป็นมาก่นห <c oughs> รมาการพระอาจารย์แล้วค่ะ <c oughs> ก็เพีางอย่างทีง่โยมท่านพี่บีบอกว่าบางครั้งมันก็มีการเผลอในในกรณีที่เราสติยังไม่อันตโนมัติแต่ก็พยายามจำคำของพระอาจารย์ที่บอกว่าให้รักษาใจไว้นะพอดีวันนี้ธรรมะของพระอาจารย์เมื่อตอนบ่ายสองหาพระอาจารย์ มันก็มันก็เข้ามาเตือนแล้วมันก็สามารถตัดได้เลยเจ้าค่ะอาจารย์มันเหมก็ว่าเจอเจอคำที่ที่มันตรงใจพดอดีเจ้าค่ะอาจารย์เรื่องเรื่องรู้เรื่องรู้ทุกอะฮะแล้วก็เรื่องเวทนา <c oughs> นี้ก็เลยทำทเข้าเข้ามาในทํามะได้เลย <c oughs> ยังไงก็พยายามฟังธรรมทุกวันก็เตือนตัวเองทุกวันด้วยเจ้าค่ะ <c oughs> อาจารย์เอขอบคุณพระอาจารย์ทุกค่ะวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะโอเค ไปที่คนแปลว่าไหลต่อแปลว่าไหลศสีราชาไม่มีคาถามเจ้าค่ะมาตรการไม่มีคำถามเด้คโอเคไปที่คณมาริกาต่อมาริกาจากนั้นมาตรการเจ้าค่ะผ้าจางอยู่ที่นาลาทิวาใช่ไหมค่ะอยู่ที่นาาทิวาก็การปฏิบัติก็หมายถงว่า ไปกำหนดเวลาค่ะผ้าจาย์พอกาหนดเวลาปั๊บพอใกล้ๆถึงหนึ่งเหมือนกันหนึ่งชั่วโมงนี้รู้สึกว่าใจมันใจมันมันลุกไง ม, ม, มันคอยจ่ออยู่ที่เวลามไม่ได้อยู่ที่ทสติเวลาอย่าไปตั้งเวลาตั้งสตินี่บ้างตั้งสติว่านั่งไปได้เรื่องยทั้งบาสติมันจะหมดแรงนั่งไม่ได้ค่อยลุกดีกว่า อไม่ต้องไปกาหนดเวลาว่าเออตรงนี้เราเอาหนึ่งไม่ต้นง่องจากว่าเราวิทุลาต้องไปทำอะไรนี่อีกเรื่องทําไม่วิทุราจะต้องไปทําเวลาเน้นเวลานี้ก็อย่าไปตั้งเวลาตั้งสติถ้ามีสติแล้วนั่งเ น, นียนได้ยาวค่ะ ก, ก็ตอนนี้ก็เกม น, นั่งกันนั่งก็นั่น้นก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่านั่นแหละมัมีปัญหาคือว่าเราไปกําหนดเวลาค่ะพระอาจารย์แล้วก็วเวลาพอ ทำเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปแผ่เมตตาค่ฮะคุณจันนี้ถูกต้องไหมครับคุณจันทร์ไม่ถูกเมตตาต้องไปแผ่ตอนที่เจอกันจส่วนนี้เป็นเพยงแต่เป็นการซ้อมเป็นการตือนสติเตือนใจว่าเราต้องแผ่แต่ราแผ่จริงๆต้องแผ่ตอนที่เจอกันอยา่ากันต้องพัดถายิมให้กันไม่ใช่น้าเบื่อใส่กันเข้าใจไหมแต่ต้องเ่ให้ส่วน ไม่เพื่อจะได้เตือนใจสอนใจว่าเราอย่าลืมแผ่เมตตานะใเวลาเจอกันเวลาใครก็ทําให้เราโมโหก็ต้องให้อภัยเขานอยอาเวลาขอตัวอย่าไปมีเวงกับเขาอย่าไปเบียดเบียนเขาอย่าไปทำร้ายท่างกายจิตใจของเขาให้ความสุขของเขานี่ที่เราส่วนนี่เป็นการสอนเป็นการเตือนใจยังไม่ได้ไม่ได้แผ่ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการส่วนเข้าใจไหม ก็ไม okay. mm ่ม hmm. okay. ีคำถามเลยค่ะว่าจากไปที่คุณจอยต่อจอยปัทยายังขายของเงอนเดิมอยู่นะขายค่ะก็วันนี้คิดถึงผู้ขาจองว่าให้ขายดีก็ขายดีหมดเลยอ่าดีขยันไว้เถอะเงินเงินทองจะไรมาเทมาถ้าเกิดเงินมันไม่มานอรอเ้ามันก็ไม่มีอะไรเก็บ ก็อืถ้าถามว่ามีมีปัญหาไหมก็มีมีตลอดแหละค่ะแต่ว่าก็ใช้ปัญญาที่พระอาจารย์สอนช่วยได้อยู่ค่ะออช่วยได้เยอะเลยส่วนอยากปัญหามันอยู่ที่เรามากกว่าเพราะว่าวงหิริเราไม่ค่อยยอมเขารู้ตัวเองอยู่แต่ก็แต่วันนั้นก็ทะเลาะกันแบบแต่ก็ถึงขั้นเลิกตกยางออกแต่ว่าก็ไม่โกด แล้วก็ไม <mainland> so so like ่ร <mañana benim S 1> <rawd Moder> ู้สึกว่าจะโกรธไปทําไมก็ก็ถือว่าเป็นกรรมของเราไปเพราะเรามันก็ปากไม่ค่อยดีด้วยอะไรก็เลยยังไม่โทษเขาเพราะเราติดกรรมาได้จบก็คิดว่าเออเราเองก็ปากไม่ค่อยดีมันก็ต้องโดนบ้างอะไรบางตบมือข้างเดียวมันไม่ดังเห็นไหมค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไมโกรธถ้าเป็นเมื่อก่อนคงจะแบบโอ้โววิ่งบอกแม่พ้องแม่แต่อันนี้ไม่บอกใครก็ถือว่ามึงทําตัวมึงเองนะอะไรก็จบที่ตัวเองไปอะค่ะดี มีสติขึ้นเลยว่าโตแล้แสดงว่าโตขึ้นนะไม่ทํางแหวกพ้องแม่ะล้ใช่ก่อนหน้านี้พ้องไแมอแล้วได้เลยไปทําแม่ไม่สบายใจพักที่ใช่ค่ะเมื่อก่อนไม่รู้ตอนตอนมีอะไรก็บอกแม่แล้วตอนนี้ไม่ไม่หรอกอะไรที่มันไม่ไม่ทําแล้วคิดถึงที่พระอาจารย์สอนใช้สติใช่ความอดทนลดกั้นนะค่ะเดี๋ยวไปใส่บาตค่ะโอเคค่ะ คุณพรใช่ไหมคุณพอัญนนวณีเลยอัญญาอัญญานีน่เลยเชิญเปิดไมค์ก่อนค่ะ<ช>สมัชาการเจ้าขะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่นครราชาสีมาค่ะคเป็นเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ค่ะพอดีได้ฟังเพจของคุณหมอวีแล้วก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์จากจาก จากเฟซบุ o กนะคะก็เลยก็เลยสนใจแล้วก็เป็นที่เริ่มใหม่นะคะพอาจารย์ตอนนี้ยังจะไม่มีคำถามแต่ว่าจะมาเรียนรู้จากกัลยาณมิตรทั้งหลายนะเจ้าค่ะแต่ละคนเ้าก็มีประสบการณ์ต่างกันเราก็จะเรียนรู้หลายหลายเรื่องหลายนามเ้าไม่เข้าใจท่านผู้ชมชันในภายหลังเจ้า่ะพอดีพอดีเป็นพยาบาลนะคะ ไม่ค่อยมีเวลามาปฏิบัติเพราะว่าต้องต้องดูแลหลอกหอผู้ป่วยก็เลยแต่ว่าช่วงหลังมันเครียดมากแล้วก็เราลืมดูแลคนอื่นคนดูแลคนอื่นจะมมดูแลัวเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะนมัศการค่ะพระพุกเจ้าค่ะขุณเกตใช่ขุนเกตการนมัศการครับอาจารย์อันนี้ ไม่มีคำถามครับแต่ว่าวันอาทิตย์ก็ได้พาแม่โคไปกราบหลวงปู่บัวเกตมาครับไปกับพวกอ า, อาจารย์ภูมิแล้วก็น้องๆทีมนาถาเขาแวะมาที่นี่ตอลอดเพราะมาฟังธรรมที่นี่ต่อใช่ครับมีมีมีคุยกันอยู่ครับแต่ประด็นว่าวันนั้นลูกชายอยากจะไปเขาอยากจะไปดูขุ่นยนตรงบ้านหุ่นยนตครับก็เลยอขอขออนุญาตแยกมาแต่วันนั้นเหมือนฝนตกหนักใช่ไหมครับอาจารย์ใช่มื่วันหนึงฝนตกเที่ยงไม่ได้นะต้องนั่งสมาธิกันตลอด อ๋อผมผ ม, มเห็นอยู่ครับเหมือนอาจารย์ให้นั่งสมาธิสี่ิห้าชั่วโมงได้สี่ิบห้านาทีนะครับอสองรอบรอบแรกสี <45 S 2> ่สองนาทีรอบที่สองอีกสามสามิบห้านาครับอ๋องั้นผมอขออนุญาตถามคำถามครับอาจารย์อย่างเมื่อกี้ที่พระอาจารย์บอกเอ่อรวมหญิงที่ใส่ซองนะครับว่าถ้าเกิดเอ่อของที่ถวายแลพระถ้าไในฉันต้องสละเงี้ยครับสมมุติถ้าเกิดสละแล้วลูกศิษย์เอ่อสามารถเอามาถวายใหม่ได้ไหมครับ ถ้าลูกศิฉลาดก็ได้แต่สั่งไม่ได้ส่วนนี้ลูกศิษย์มันนั่งมันง่วมพอพระจะพระพระสละก็เก็บไว้กินของมันเองแต่ถ้าเป็นลูกศิษย์ฉลาดเห็นว่าพระไม่มีกินมันก็เอามาถวายใหมได้เพราะเหมือนพระอาจารย์พอาจารย์บอกว่าการสละก็คือพระสละให้เขาแล้วก็เหมือนเป็นของเขาแล้วเขาจะไปทำเขาจะไปทําก็ได้ไปทําบุญสายบาตรพระลูกหนึองก็ได้หรือเขาจะกินเองก็ได้แล้วแต่เขาเน มันาะแดงได้ก็สมมติถ้าจานถันไม่หมดก็แต่สั่งเขาไม่ได้บอกให้เก็บไว้เก็บไว้มาประเคนพวกนี้สั่งเขไม่ได้ขสังไม่ได้แต่ลู้สึกสามารถถ้ามีสตปัญญาก็สามารถกลับมาถวายใหม่ถ้าเขาไม่ทำที่อยู่ไม่เสียตรงไหนใช่เป็นของอยู่ในกระป๋องยังไม่เปิดเนี่ก็มาถวายใหม่ได้ อ๋อครับก็เหมือนประมาณว่าลูกศิษย์ก็เอาไปเก็บให้ด้วยแล้วก็ถึงเวลาก็มาเป็นของลูกศิษย์ด้วยเอาของที่พระสละไว้แค่ลูกศิษย์ก็กินได้แต่ของที่เก็บไว้ให้พระกินแต่ไม่ได้ของที่พระฝากไว้นี่กินไม่ได้ลูกศิษย์จะไปกินเองไม่ได้ถ้าจะกินเองต้องขออนุญาตก่อนขอพระก่อนถึงถือว่าขโมยอ๋อถือว่าแต่ถ้าของที่พระสละไว้แล้วนี่ลูกศิษย์ก็กินได้จะไปทํำอะไรก็ได้เอาไปใส่บาตรให้ลูกอื่นก็ได้ เออบางเอออย่างที่เคยไปบ้านลาเสียงธรรมนะครับแล้วพอดีว่าเมืองบางคนไม่รู้ครับแล้วไปหยิบเอ่ออาหารที่จะลอดถวายพระอันนี้ไม่ได้จะว่าไม่ได้นะไม่ได้เพราะยังเพราะว่าเป็นของที่เขาอยาเอาไปถวายพระไม่ได้เป็นของที่เขาจะเอามาแจกให้พวกเรากินกันอ๋อแต่ก็ถือว่าแต่เขาไม่ได้ตั้งใจก็ยังบาปใช่ไหมป้าจาันก็บาปเพราะไปหยิบของที่เขาไม่เขาไม่อันนุญาต ถ้าอยากจะปกัดก็จะหยิบของขอนมีอ่านเมื่อถามว่าของของอัานี่กินได้ไหมครับอ๋อของของมันมีเจ้าของใช่ไหมเขาอยู่ดินไม่ใช่ไม่มีเจ้าของก็ลองถามดูว่าใครเป็นเจ้าของเมื่อถามว่ากินได้ไหมยย้งเป็นว่าถ้ามันถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติตามปกติไม่ถือสากันใครอยากจะกินอะไรหยิบอะไรก็หยิบได้แล้วแล้วไป นนจะได้ถ้าเธอเจอจะได้บอกถ้าไม่แน่นใจก็ทำก่อนนี่ค่ะถ้าไม่แน่นใจทํำไปก็ถือว่าผิดนะครับอ๋อชับทราบครับจะไดไ้ทำในสิ่งที่เราสงสัยอย่าไปทําในสิ่งที่เราไม่แน่ใจถ้าไ ม, ไม่ผิดก็ถือว่าผิดอ๋อแล้วป้าจันครับสมมุติถ้าเกิดเอ่อพวกคือบางท่านสมมุติถ้าเกิดเขาไปเอาพวกของที่ เอาไปของไหว้เจ้าอะไรงเงี้ยไปตักบาปเนี่ยมันสมควรใช่ไหมไม่มีหายไม่มีฐานไม่ไม่เกี่ยวกันเจ้ามีที่ไหนเรามันสมควรขึ้นมาแล้วเนี่อที่อาจารย์บอกว่ามันไม่มีมีปัญญาจริงไม่ต้องไปถวายข้าวผ้าก็ได้พระพุทธูปกินไม่ได้แล้วกินไม่ได้เพราะดไว้คนดีกว่าให้ถอยดอกไม้ทุบเทียนบูชาถ้าอยากจะบูชาที่ดีก็ปฏิบัติบูชาไม่ได้ครับใช่ครับ เข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วครับขอบคุณพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปกับทีมหนาถาไปช่วยนาท่วมที่อยุธยาครับอาจารย์อตอนนี้อยุธยาก็ลังลากเรื่อสึกจะมีคนท่วมไปที่ที่น้ำเยอะอะแล้วก็ที่อุบลที่ตอนนี้หลังจากไปช่วยพระหลวงพ่อลงกดณณ์มาพอผ่านไปสัปดาห์หนึ่งก็ท่วมสูงกว่าปีหกสองอีกครับออืต้งท่วมอนะ อ่าก็หมอบีเขาก็จะชวนทีมทีมจิตอาสาไปช่วยเหมือนกันครับครับอาจารย์ครับขอท้าพายอาจารย์แข็งแรงครับนะครับนั่งรอรอตารอทุเรียมาฟังธรรมสองวันครับว่าฟังธรรมสองวันครับพอดีอาทิตย์นี้โรงเรียนปิดทางอาทิตย์เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ มาส่งการบ้านแล้วก็มีคําถามค่ะบาา้านก็คือกลับไปฝึกเจิตรังสิครับก็ได้ผลดีมาต่อเนื่องครับพอาจารย์แต่ว่าเ <c oughs> ออ่ปัญหาที่ผมติดอยู่ก็คือเรื่องเมตตาผมยงมังเมตตาเพื่อนว่าคนที่ไม่ชอบไม่ค่อยได้ครับอาจารย์เหมือนเวลาเจอหน้าคือก็ไม่ได้ไปทําแบบ ทำกิริยาไม่ดีอะไรใส่เขาแต่ก็เหมือนไม่ค่อยอยากคุยด้วยมันคือเหมือนเป็นมโนกรรมอาจารย์คือแค่เห็นหน้าก็ความคิดไม่ดีก็พุดขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็ใช้อุเบกขาไปก็แล้วกันถ้าพูดทางไม่ได้ก็อุเบกขาเฉยๆไปไม่ต้องไปไปทำร้ายเขาไม่ต้องไปอะไรเขาเฉยๆไปถ้าถ้าถ้าพูดดีเขาไม่ได้ก็เฉยๆไปครับอาจารย์ ถ้าทำทายไม่ได้ก็เฉยๆไปแต่อย์่าไปทําอะไรอย่ไปพูดไม่ดีอยไปทําอะไรไม่ดีกับเขาครับพระอาจารย์ได้ครับแล้วมีถามอะไรคําถามอนะไรเรื่องนี้คือคําถามนี่คือคําถามครับพระอาจารย์มีเท่านี้ครับถ้าแผ่ไม่ตายไม่ได้ก็ใช้อุเ บ, บกขาไปก็แล้วกันเชฉยๆไป ไม่ได้ทำ ไ, ได้ครับพระอาจารครับ <Okay. S 2> จะกลับไปปฏิบัติค่ะบขอบ <Okay. S 2> พระคุณพระอาจารย์ครับคุณพร้อมทราบเชี่คุณพร้อมทราบและพร้อมทราบมีที่ไหนนามัส ก, การจ้าค่ะจังหวัดบึงกาฬจ้าค่ ะ, ะมีอะไรไหมวันนี้ไปเดินจงกรมได้สองชั่วโมงตัวเบามากเลยค่ะอ่าท่านที่ไหนื่อยเขาไม่เหนื่อยนะ มันมีสติร่างใจมันเบามาเลยเจ้าค่ะก็เลยได้ปัญญาว่าถ้าไม่อยากหนักใจก็ไม่ต้องเอาอะไรเข้ามาเจ้าค่ะ่แล้วเอาก็าแบกเองใช่ไหมเร <c oughs> าไปคิดเองไปแบกมันเองพอใจเราว่างไม่มีอะไรในใจนี้มันโล่งมันเบามันสบายเบาแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่เจ็บเท้าเลยขนาดเดินปูนซีเมนต์ร้อนก็ไม่เจ็บใช่ใช ในรประวัติพระหลรานน้องลกท่านเดิอนอยังท่าฝ่าเท้าแต่ท่านเคลกับการเดิอนอยังทาไม่รู้สึกว่าร่างกายมันเขียดเลยยังท่าฝ่าเท้าแตกแต่ว่าคิดขอเรียนถามอันหนึ่งเจ้าค่ะว่าเ น, นี่ยข้านอยไปไปวัดอีกจะห่างจากบ้านสองกิโลแล้วก็เป็นวัดที่ที่ไกลจากที่ไกลจากพระแล้วก็ ในใจก็คิดว่าถ้าเกิดมีชาวบ้านหรือใครที่ที่เห็นข้น้อยว่าไปอยู่ตรงนั้นทุ่มสองทุ่มสามทุ่มคิดว่าถ้าเผื่อเข้ามาฆ่าหรือมาอะไรเรายอมตายเลยใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าเราต้องรักษาชีวิตเลยก่อนก็ถ้าหลบได้ก็หลบเลยได้ก็หลถ้ามันจอดจ่อก็ต้องยอมยอมตายอ๋อเจ้าค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทข้น้อยไม่ใช่ใช่ไม่เนี่ยอย่าประมาทอย่าประมาทต่วังมีความระมัดระวัง ป้องการได้ก็ป้องการหลบได้ก็หลบแต่ไม่ไปทําร้ายเขาไม่ไปสู้กับเขาถ้าถึงเวลาที่ก็คิดว่าเป็นเป็นกรรมของเราแล้วกันที่เราจะต้องใช้กรรมนี้ตายก็ยอมตายไปเจ้าค่ะเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านเสียดายเสียดายเสียดา ย, า ย, ายความสุขเวลาเดินแล้วเสียดายไม่ไม่อยากหนีก็เลยมันจะดึกอย่างเงี้ยนะ่ะค่ะเจ้าค่ะก <c oughs> ็บางทีท่านดูการละเทสะด้วยปฏิบัติหน้าที่เาต้องรับครอ ต้องปลอดภัยไปเราเป็นผู้หญิง<ะ>อยู่ในที่ไหนใน ย, ยามวิการนนคนเดียวมันก็อาจจะไม่เจมาะนอกจ า, อาจากก้ามันเป็นที่ปลอดภัยก็โอเคหรือว่าเราอยากจะทดสอบความกลัวก็เอายอมตายไปให้มันถ่ายกลัวไปเจ้าค่ะการนอนจัการเจ้ค่ะโอเคคนคนคนเ อ, คนองคอมแน่จากญี่ปุน่นได้ยินไหมอยู่หรือเปล่า ยังไม่ไะ้เปิดวิดีโอนะเดี๋ยวไปข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวค่อกลับมาไปที่คุณลีก่อนกำลัง c สีกชาการนักร<อ>าชการอาจ า, ารย์เจ้าค่ะหายไปอาทิตย์หนึง่งพอดีลงไปใต้ไปกินไปกับคุณแม่จ้าค่ ะ, ะก็เออเมื่อเร็วๆนี้พอดีลูกสาวเข้าเหมือนกับมีตําน้ำเหลืองที่คอแล้วมันบวมขึ้น ลูกก็กังวลว่าเฮ้ยจะมาแบบว่า อ, อ, อะไรอินทรียเรื่องแบบเคนเซอร์ตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าลูกก็ได้คำสอนจากพระอาจารย์นะคะว่าบางทีเราต้องอยู่กับปัจจุบันเราไปกังวลอะไรข้างหน้ามากเกินไปอะจะเกิดก็ต้องเกิดห้ามไม่ได้ก็เลยไม่ไปสนใจกับมันแล้วก็ปล่อยมันไปค่ะค่ะ ก็ไปดูใหม่ลูกสาวบอกมันยุบยุบลงแล้วแม่ก็เลยโอเคต้องคอยเตือนใจว่าเกิดหน้าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ช้ากะเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนหนูคงแบบวิ่งจับพาหาหมอวุ่นวายอะไรหลายเรื่องเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ก็เงียบใช้ธรรมะสดใสเจ้าค่ะก็ไม่มีคำถามเจ้าค่ะรักษานรักษาใจเราอย่าไปตึงต้นตกใจ เดีะค่ะถ้ามันจะเป็นก okay. ็ห้ามมันไม่ได้ถ้ามันจะหายมันก็หายมันเองใช่จ้ะค่ะค่ะค่ะงานดีมีประโยชน์นะมีธรรมากก็มีประโยชน์นะมากค่ะ very much โอค่ะคุณธนพลเชิญกอธรรมร์การรับราชการครับอาจารย์ ก็มากราบครับเพราะว่าติดภารกิจเป็นหลายรอบเลยช่วงที่ผ่านมาก็บางทีก็กลับมาดึกไม่ทันไม่ทันเข้าสู่งเี่ยครับวันนี้ได้เวลาได้โอกาสก็เลยข อ, อมากราบอาจารย์ครับส่วนคำถามก็ก็ไม่มีครับก็ก็คิดว่าคิดว่าคุณป า, ณปาเข า, ากำลังเรียนอยู่เหมืม <c oughs> หอนกันอะไรถามพี่เฉย ครับครับก็เขาก็นึกถึงอยู่เหมือนกันก็คอยเตือนเหมือนกันเวลาเราไปทุร้กันกลับมาเดึกๆว่าโอ้วันนี้เข้าไม่ทันอีกแล้ววันนี้เข้าไม่ทันอีกแล้วอ้าวมามาแล้วครับอาจารย์ถามถึงว่ากาสตราอาจารย์เจ้าค่ะอ่าโผล่นะโผล่นะอ่าแล้วพรุ่งนี้เดินทางอ่ะว่าอาจารย์ไปหาแม่ชีนะเออหาแม่ชีหาหามิ้นด้วยหามินด้วย ไปชีมินไงไปชีมินไงไปเยี่ยมไงจะไปจะไปเยี่ยมเธอละค่ะไปอยู่ด้วยกันแล้วก็รอบนี้มินเขาก็เลยจะเขาก็จะเอื้อกับคนอื่นแล้วอะค่ะก็คือจะจัดคอร์สเด็กๆอะค่ะจะเริ่มสอนแล้ว่หรอแต่ว่านี้อย่าเพิ่งรีบเลยทำงานของตัวเองให้มันทำแบบเพลินงไปก่อนเะยแล้วก็ไม่ติดแล้ก็ไม่ติดงาน อ๋อไม่ได้สอนนะคะมันจะเป็นการจัดคอร์สแล้วก็ น, นี่มลพระอาจารย์มาสอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะค่ะผไม่ควรนะคนจะเอารายงานของเรา <c oughs> คนเดียวก่อน น, นั่นอย่าไปยุ่ง ม, มาเล่นงานอย่างนี้เลยอืมอืมไม่เอาทะเลทลายแล้วไหมแม้ว่าจะเป็นประโยชน์แต่มันมันมันเป็นโทษกับตัวเราเองมันเป็นอุปสรรคทำให้เราราชา อและบางทีอยากจะลืมกัรยืมหน้าที่ของเราไปมวนแต่ไปอคอยทำประโยชน์ให้กับคน อ, อื่นย้อนไปแม้ถ้าเขาเสร็จงานแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วเราเสร็จงานแล้วเขาจะทำอะไรก็ได้พระอาจารย์แล้วอย่างนี้อย่างเราที่ยังเป็นคาราวาสอย่างเนี้ยก็ยังมีพวกกิจกรรมอาสาเยอะกว่าภาวนาอย่างเนี้ค่ะอาจารย์เขาจะนั่งว่ามันยังก็ยังไปไม่ถึงไหนใช่ไหม ถ้ามันจะไปทึงไหนมันต้องไม่มีกิจกรรมอื่นมาเกี่ยวข้องเลยไม่แต่กิจกรรมปฏิบัติอย่างเดียวอืก็ในพรพุทธเจ้าท่านไปทำกิจอะไรที่ไหนอับใครระบาดรัธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นงานอาสาเกี่ยวกับคือมันเป็นบุญแบบเป็นบุญต่ํามาทํางานสูงนนะว่าง่ายไหมเหมือนเกาเหมือนเาากาแมงมดมาลากแมงพันคนนี้ยอมแรงกในะนะ่ไอืมก็ ค่ะจริงๆก็บอกคุณปลาไว้นะครับบอกว่าเดี๋ยวพอจริงๆพอถึงจุดห น, นึ่งเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าเราจะ <c oughs> เราจะไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่อะไรฮะมันจะเริ่มเข้ามาหาตัวเองเนี้ยครับแล้วเราก็จะแบบมันเหมือนจะเป็นอุเบกขานะฮะมันไม่เมาาขา้ามาเท่าไรถ้าไม่ปฏิบัติมันมันก็จะกินอะไรกินอมันจะดันเราออกไปข้างนอกได้ครับ ถ้าเราไม่ระวังนก็ปล่อยตามกิเลสได้กิเลสมันเรอกเ ป, เป็นบุญเป็นประโยชน์นี่เป็นกุศล ม, ม, มันมาหลอกเราให้เราไปทำกุศลที่ต่ำกุศลที่สูงมันไม่ให้ทำเออก็จริง <laughs> ใช่ใช่ว่าอาจารย์แล้วมันก็มีอีกอันนึงที่แอบเกิดขึ้นมาคือตัวตนนะคะ ม, มีนะใช่ <laughs> ใช่ค่ะจริงค่ะ มันก็ระวั ง, ง, งนะถ้าอยากจะไปให้มันถึงถึงดวงดาวก็ต้องตัดทุกอย่างไปก่อนอันนี้น อ, อย่าไปกังวลการเรื่องการทําประโยชน์ให้กับค น, อ, คนอื่นพุทเจ้าใครทําประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมแล้วให้ไปทํ า, าทประโยชน์ของผู้อื่นต่ออีก ม, มันเหมือนเป็นเป็นธรรมชาติของคนเราที่ตัวเองก็ยังยังเหมือนพัฒนาขึ้นมาระดับหนึ่งแต่มันอดไม่ได้ที่อยากจะช่วยคนอื่นนะคะอใช่ ดังนั้นมันมีประโยชน์แต่มันมนึงแปลว่าตัวเองยังไม่ไม่ได้ประโยชน์ที่สมูงสุดการเรียนเป็นเรืกักศึกษาเรียนยังไม่จบแล้วเ่าไปทํำไปทํากิจงาน<ร>อาสา ก, กิจงานนอกนี่มันก็ไม่จบสัทีอะย่างเี้อค่ะค่ะน้องนี่จบแั้วเป็นยาป่าแล้วเข้าไปทํางานดีค่ะ พระอาจารย์เตือนใจจะต้องเขียนเอาไว้ติดเอาไว้ที่กระจกเลยค่ะ<ม>ต้องเตือนใจตัวเองบ่อยๆเพราะมันมันมันก็อาจจะเป็นกิเลส ท, ที่เราคิดว่ามันเป็นบุญนะคะพระอาจารย์ไใช่ทำให้เราตึ่นคำดีมากวันนั้นได้ไปทำประโยชน์ให้กับคนแต่เราลืมาว่ามันมาทําลายประโยชน์ที่เรายังไม่ได้ที่คน ไ, ได้ค่ะส่วนี้บางครั้งนีที่ที่เห็นก็คือเหมือนกับ ครั้งนี้พอแนะนำเพื่อนๆแล้วบางทีเพื่อนบางคนอาจจะแบบเอไม่ได้เห็นด้วยหรืออะไก็ราจะไปรู้สึกมันก็จะมีเสียใจเรื่องก่อนอะไรขึ้นมาใจก็ขนลวขึ้นใหม่ับใช่แต่ถ้าเราเสร็จงานแล้วใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเราก็เฉยไปออืทฉันบอกคุณแล้วคุณจะทำก็ทำคุณไม่ทํำก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหมอกขาแล้วก็ไม่ทำแล้วเราเสียใจโอ๊ยแสดงว่ายังไม่ถึงไหนอือช่ เจ้าค่ะขัะขใจนะโทษใจเลยค่ะอดนใจเลยค่ะทำยางไงก็ร่างเสร็จก่อนเรนให้จบไปเราทำไปสองคนอื่นก่อเจ้ค่ะคือ เ, เ, เรื่องเลือดกเลสมันจะชอบเราให้เราที่เรา้เราเห็นแก่ตัวมากเราทให้ตัวเราอใช่ค่ะใช่ใทเราไม่ช่วยคนอื่นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเรื มันคิดไปเหตุผลว่าเราตัวอะไรยังไม่เสียจงานของเราเราก็ต้องทำงานน้ยเสร็จก่อนที่จะจบส่แล้วทุกครั้งที่ทำเนี่ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือดูเหมือนจะดีนะคะคือความภูมิใจใช่ภูมิใจเวลาเราทําประโยชน์ทำอะไรให้กับคนอื่นมีความสุขใจมันมีความสุขที่มันตื่นกว่ามันไม่มันไม่มันไม่ดลิกเหมือนกับความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติอืมใช่ค่ะใช่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าโดนมันหลอกไปแล้วใช่ พิเรนมันชนะมันเาบุญมาหลอกอบุญตาน ม, มาทำลายบุญสูงค่ะค่ะอืมใช่ค่ะแต่ต้งเขียนติดไว้จริงๆไว้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้าภาวนาแล้วอย่าไปกังวลการนำทานถ้าถ้ากลับมาทำทานก็นึงดึงใจให้ลงตับลงมาอยู่ซื้อดับทานอืมค่ะแล้วค่ะ โชคดีวันนี้ได้เข้าค่ากับะ้าจารย์มีค่ามากเลย่อยก็มีโอกาสให้คนอื่นได้ฟังด้วยเพราะคนอื่นก็คิดเหมือนกันบทีปฏิบัติไปแล้วก็อยากให้คนอื่นเขารู้เหมือนเราเห็นเหมือนเราก็อยากจะสอน <c oughs> เขาจ้ะเจ้าค่ะแต่เรายังไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงดวงดาว <c oughs> ให้ไปให้มันถึงดวงดาวก่อ โอเคมีอะไรไหมน้องใส่หัวเจ้าค่ะไม่ไม่มีแล้วเจ้าค่ะโอเคยังกการสวัสดีเจ้าค่ะไปที่ท่านต่อไปอยู่ตรงไหนอ่ะคุณคุณพงศอ่ะคุณพงเมื่อกี้เข้ามาแล้วหายไปครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับสวัสครับมีอะไรไหมพูดได้เลย มีมีครับพ่อาจารย์ครับก็คิดเออพี่ท่านเมื่อกี้ก็ผมก็คิดเหมือนเขาเลยครับพ่อาจารย์ก็อาจจะต้องเรียนให้จบปริญญาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยอาจารย์ใช่มาทํางานนี้ก็ทําไม่ได้เต็มไม้เต็มมืออดีครับพ่ออาจารย์คือทําให้จบปริญญาก่อนเราจะได้ทําได้อย่างเต็มที่เลยครับพ่อาจารย์ วันนี้ผมมีเรื่องมาปรึกษาผ้าอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องในการทํางานครับแต่อย่างแรกขออนุญาตเลาเรื่องการปฏิบัติในรูปแบบขอครับอาจารย์ผมกะครับครับก็ผมมาดูลมไปครับจนลมมันหายครับแล้วก็เจอสภาวะนิ่งๆครับก็พยายามทำแบบนี้ทุกวันครับทีนี้เรื่องเรื่องสำคัญนะครับก็คือคือผมเองก็เหมือนผมจะขยันฟังธรรมครับแล้วก็ขยันนั่งสมาธิครับแต่ว่ามันมันมันมีความรู้สึกแบบไม่อยากทํางาน ที่มันเรามีหน้าที่อยู่ครับเหมือนผมก็งานตะกอดผมรับเยอะมากเลยแล้วก็เหมือนตอนนี้ผมก็รับให้มันพอดีพดีครับจนมันเหมือนว่ามันเป็ความรู้สึกไม่ไม่อยากจะใช้ทํางานนะครับเหมือนอยากมานั่งฟังธรรมอยากนั่งสมาธิอย่างเดียวครับอาจารย์ น, นีนนน้่ก็ไม่เสียทำไมก็ดีเพราะงานอย่ากเราเราต้องการทํางานที่ละเอียดกว่าครับอาจารย์ครับทีนี้เหมือนประมาณว่าคือแล้วในการทางานสมัยก่อนนะครับผมผมจะขับเคลื่อนด้วย ด้วยตันหาครับอาจารย์เหมือนต้องแบบงานนเยอะแต่พอเรามันไม่มีแล้วมันก็ไม่อยากทําอะไรเลยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยหรือว่าเราต้องมีสันทัดในการทํางานครนะอาจารย์แบบมันต้องมีแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่เกิดสันทัดไหมครับอาจารย์เราต้องใช้เหตุผลในการเป็นไงเชืจูงใจว่ามีความจําเป็นจะต้องทำได้ถ้าไม่มี ค, ค, ความจาเป็นก็ไม่ต้องทำครับราอาจารย์ครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้จะถามอาจารย์เรื่องบุญสารระดับก็เมื่อกี้กน่าจะได้คําตอบครับครับชอบ มีประมาณนี้ครับอาจารย์ครับคุณระหว่างทางกับภาวนานี้มันจะขัดกันนะครับมันทำทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ถ้าภาวนามันก็ต้องไปปิดเว่ยๆอยู่คนเดียวครับถ้าทำทานมันก็ต้องไปร่วมร่วมสังกัดกับคนอื่นครับอาจารย์อย่างเป็นกแยกครับครับพระอาจารย์ครับข่าวที่แล้วที่ผมไปเจอพระอาจารย์พระอาจารย์บอกผมว่าอะไรครับยายาสังคมมากใช่ไหมครับอาจารย์ยาคู่เคียงยาคู่เคียงคอครับ เพราพระเราพอกุ๊กเกอร์เขาเรามันจะทําให้เราปฏิบัติเข้มข้นแบบที่เราปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่ได้ไครับหม อ, อย่างกินเมื่อเดียวเนี่ยเราปอยไปอยู่เขาเดี๋ยวเขากินเที่อย่ง ก, กินกลางวันกินเย็น<ด>เราไม่กินกับเ้าเราก็รู้สึกไม่ดันดนะใช่ครับเพราะเดี๋ยวผมจะปฏิบัติวิเวกครับก็คือจะทําตัวเองปฏิบัติให้ดีก่อนครับแล้วอาจจะยังน้อยอาจจะเดือนละครั้งก็ได้ครับค่อยค่อยเขาก็ได้ครับ <laughs> หรือโปรเตนีสุดครับ ก็เราเราหาเวลามาทำแบบเต็มรูปแบบรู้ว่ารักพักหนึ่งสลับกันดูครับอาจารย์ครับแล้วจะเห็นว่าประโยชน์มันได้รับต่างกันมากกับเวลาที่เสียไปเท่าๆกันครับอาจารย์ครับนองรับไปปฏิบัติครับอาจารย์ครับโอเคนะขอบับอาจารย์ครับอคุณนายฝนแปนนายฝนแปนไม่ทราบชื่ออะไรเปิดไมอีก่ัน สับธรรมศาร์ค่ะคอาจารย์อยู่ที่ไหนคุณชาิาเลยใช่อยู่อเมริกาค่ะอยู่เซาลมออริกอนค่ะอ่าเซาลมออยู่ใกล้ๆายเซลมไมด้อยู่ใาั้ใช่ค่ะอาจารย์แต่วันนี้หนูมาคัคมัสฟอบอามาคคมัสพาสามีมาผ่าตัดปัวใจค่ะที่คัคมัสอยู่ตรงไหนครย์ที่ที่คัคมัดที่ไคลเซอร์ค่ะไคลเซอร์เพอร์มเตที่เซาลมคะที่เซลมอ ที่เซเลมไม่ไม่มีสาขาเฉพาะทางทางด้านหัวใจเลยค่ะอาอจารย์หนูฟังอยู่ที่อยอเล็กซ์เหมือนกันนะใช่ค่ะหนูดีใจมากคือหนูฟังพระอาจารย์ทุกวันฟังธรรพระอาจารย์ทุกวันทั้งวันในขณะทํางานก็มีโอกาส ก, าก็กําหนดตามเคนรุปค่ะพระอาจารย์คือวันนี้หนูเป็นครั้งแรกที่หนูเข้าซูมค่ะ ไม่แต่ ก, ก่อนหนูไม่รู้ว่าต้องเข้ายัางไงก็มันฟังมันปฏิบัติตามแล้วก็คือหนูไปวัดแล้วก็มันไปปฏิบัติธรรมเป็นประจำค่ะ<น>แล้วก็ค่ะหลังจากฟังธรรมระอาจารย์มาประมาณสองปีหนูมีความรู้สึกว่าจากที่หนูทุกที่สุดจนถึงขั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่ค่ะทำให้หนูเปลี่ยนจาก จากเป็นคนที่อารมณ์ร้อนอารออมณ์ร้ายชอบสอนชอบพูดกลายเป็นคนนิ่งลงแล้วก็คือมีปัญญาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเยอะขึ้นนะคะอย่างวันนี้หนูก็อยู่ๆก็เอ๊ะเข้าสูงเข้ายังไงหนูก็ไม่เคยเข้าหนูก็อ้าลองเข้าดูโอ้สำเร็จกับพระอาจารย์ดีใจมาก หลังจากที่พยายามฟังจากพี่ๆที่เคยที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่มีคําถามกับอาจารย์แต่อยากจะกลับเรียนพระอาจารย์เท่านี้ค่ะได้ก็ดียินดีต้อนรับยินดีที่ได้รับได้รู้จักและได้ฟังว่าได้ได้ไปดูจากการปฏิบัติา ก, การปฏิเสธความธรรมก็พยายามนํามากระช้นะ ตลอดน้องกรับค่ะอาจารย์อยู่ที่นานนี่ยังอยู่ออริกอนมานานนี่ยังหนูอยู่ออริกอนมาสิบห้าปีแล้วก็ไปอยู่อมินนิโซตาไปดูแลแม่สามีมาสองปีค่ะแล้วก็ย้ายกลับมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เซเลมมาค่ะอาจารย์เซเลมอยู่เซเลมอยู่จีนไหมอยู่กาจังอยู่จีนอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะอาจารย์ ก็มีพี่พี่แม่แม่ที่รู้จักก็มาปฏิบัติธรรมมาวัดที่วัดมีวัดพุทธออริกอนค่ะก็มีแล้วก็มีมีอาจารย์สอนแม่่อาจารย์สอนมีค่ะมีพระอาจารย์สุบินแล้วก็พระมหามนตรีท่านจะจำวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็มีที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชื่อเอลพีเฮอร์มเทตเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมของหลวงตาชาลีท่านอายุประมาณ86ถึง88เนี่ยค่ะท่านก็จะสอนแบบสมถะวิปัศนาคือสอนน้อ ย, อยพูดท่านจะพูด น, น้อยแต่ก็คือเน้นการปฏิบัติเจ้ า, จากาิบัติไม่ต้องพูดมากสติคําเดียวก็พอคท่านบอกว่าไปนิพัานอย่างเดียวให้ปฏิบัติไปอย่างเดียว ได้ได้เยอะเจ้าค่ะอาจารย์รู้สึกนิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วก็ในแต่ละวันหนูถ้าหนูมีเวลาหนูติดนั่งสมาธิบ่อยมากมีความรู้สึกว่านั่งแล้วก็อยากจะแบบอยู่ในความสงบปะค่ะการติดติดสมาธิไม่เสียหายหรอกเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราไม่กล้าวหน้าต้องได้สมาธิแล้วต้องหาใช้ปัญญาต่อ ปัญญาพิจารณาปายารับปนิจกรรมทุกขาราตตาอย่างวันนี้ก็ภาสามีมาเอ่อตอนนี้ส่งเข้าห้องผ่าตัดไปลแล้วค่ะแล้วหนูก็มาอยู่โรงแรมใกล้ๆแล้วก็คือส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยขับรถทางไกลเขาก็มีเอ่อเขาคือเขาเป็นคนขี้วิตกกังวลเขาก็จะมีเวี่ยงบ้างเราก็รู้สึกโอ้วันนี้เขาเหวี่ยงมาเขาวินมาด้วยด้วยด้วยความที่เขากลัวไม่ทันเวลา เรารู้สึกนิ่งอะค่ะพระอาจารย์ อ, อไม่<ด>ไม่โกรธถ้าโกรธเขาก็ไม่เกิดปโอะไรไใช่ไหมแล้วเขาก็จะบอกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้หนูเปลี่ยนไปคือไม่ไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยแบบขี้งุดงิดไม่บนอะไรก็ออโอเคได้ดีแล้วก็บอกทั้งโกรด้วยกันทั้งคู่เขาเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันก็บอกนี่นี่หนูก็จะไกดเรื่องพระอาจารย์ได้ฟังบอก ป้าอาจารย์มีซูมภาษาอังกฤษด้วยนะบอกสนใจเข้าไปฟังไหมคือเขาไม่ไม่เคยขัดขวางเรื่องการปฏิบัติ mm hmm. เขาก็จะคอยสาธุแต่ว่าก็ไม่เค ย, เคยห้ามเรื่องกร็รแต่เ้ายังไม่เคยศึกษาด้วยตัวเขาเองใช่ไหมเขายังไม่รู้เรื่องการปฏิบัติยังค่ะ mm hmm. แต่ตอนแรกที่ก่อนแต่งงานที่หนูจะย้ายมาอยู่หนูบอกว่าหนูเป็นคนชอบชอบเข้าว่าปฏิบัติธรรมนะ mm hmm. แต่ว่า เขาก็บอกได้ท <würden ancia> ี <Ox ide> ่เนี่ยมีวัดเขาก็พอหนูมาถึงวันแรกเขาก็พาหนูไปวัดเลยอล้ก็ในศาลมีที่ดีเขาสนับสนุนเรื่องนี้หนูเขาบอกว่าชีวิตหนูก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมีแต่ธรรมะแล้วก็ไปช่วยเหลือคนบ้างมีเท่านี้ค่ะพระอาจารย์ขอบคุณนะขอบขอบขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะที่ให้ความเมตตาให้ทํา ออลูกเหมือนได้เกิดใหม่อะค่ะพระอาจารย์ได้เป็นคนใหม่ได้ได้มีโอกาสอีกครั้่งได้เป็นของพระพุทธเจ้าแล้วตอนนี้ได้เป็นลุกขอพระพุทธเจ้าลูกศิษย์เจ้าค่ะขอกคับเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อีกค่นทุก่าพระอาจารย์มากค่ะอุชิตาจารยต่อนี่ก็อยู่แท็กซัสอเมริกาเหมือนกันกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ลูกไม่มีคำถามใช่ไคะแต่ขอข อ, ขอบคุณคุณธนพลกับคุณปลาที่ยกประเด็นเรื่องอนะ <laughs> ต้องขอต้องขอบโหต้องใจแข็งมากๆต้องอุเบกขามากๆท่องอย่างเดียวช่างหัวตัวทางนี้ตัวใครตัวใหม่บอกง่ายคุรูยังไม่เสร็จมีมายุ่งของตัวไอ้ไคุณทำงานของคูให้เสร็จก่อน โดนเพื่อนแ่าเพื่อนก็บอกเอ้ยมันก็แหมวิทยาทานก็ช่วยคนอื่นเขาบ้างบอกไม่เอาเดี๋ยวจมน้ำตาอย่างที่พระอาจารย์สอนตัวใครตัวมัม่ไม่เอาอ่นถึงฝังงฝ่งมาในการนะอ่านไปถึงฝั่งมนแล้วก็โยนเชือกมาให้เขาใช่เจ้าค่ะกลัวมากเพราะเพราะรู้ว่าถ้าเรายังไม่ถึงนี่มันน่ากลัวมันมันมันน่ากลัวจริงๆนะคะ มันน่ากลัวป้ามีเขาบอกพอดีหนังสือของลูกที่ลูกเคยพิมพ์ไว้เจ้าค่ะเขาจะขายหมดแล้วก็เขาก็บอกพิมพ erm ์เพิ่มก็มีคนบอกให้พ erm ิมพ์เพิ่มมันเจ้าค่ะลูกก็บอกไม่ <c oughs> เอาไม่พิมพ์ไม่ไม่อะไรทั้งนั้นตัวใครตัวมันทางนี้เจ้าค่ะดีแล้วนะ <c oughs> ตัดสินใจถูกต้องนะดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะพอ <c oughs> เสร็จงานแล้วมันทําประโยชน์ได้มากมายกายกองมหาศาลเลย ลูกนึกถึงตาหน้าพระอาจารย์เจ้าค่ะใครใครจะว่ายังไงลูกไม่สนใจอ่ลูกขอทําตามที่พระอาจารย์สอนอย่างเดียวเจ้าค่ะขอข อ, ขอทําตามขอนึกถึงคําสอนของพระอาจารย์อย่างเดียวเจ้าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจมน้าตายไม่เอาไม่เอาตัวใครตัวมันจริงๆเจ้าค่ะลูกขอให้รอดก่อนนะใครจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาดีมากดีมากโอเคเอไม่ต้องเกณฑ์ใจไม่ต้องเกณฑใจคนอื่นนะนงตามาว่าบอกถ้าไปเกณฑใจคนอื่นทำก็แหละ เราต้องเก่งทำมากกว่าเก่งใจคนนั้เจ้าค่ะลูกคิดเสมอว่าถ้าถ้าเรื่องของทางโลกเราไม่ทําคนอื่นเขาก็ทําแต่เรื่องทางนี้ถ้าเราไม่ทำเราเราตายอย่างเดียวใช่เจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะจะจะไม่ว่าจะเรียนดีเรียนจบหรือว่าจะทางสายวิชาชีพไหนก็มีคนทําอยู่ดีแหละบอยให้เขาทาเถอะเราขอทางนี้ดีกว่าใจเจ้าค่ะเอาตัวเราก่อนดีกว่าเจ้าค่ะ ดีนาธุสครับขอบขอบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ครับคุณ พ, พี่สิทธิ์จากมุนการเนี่ยน้องชายชอบจำผิดใช้ครับนมัสการพระอาจารย์ครับ อ, อ, ยอยู่ที่สกลนครครับรพระอาจารย์ส <c oughs> ก, <c oughs> กลนครกๆอยู่เท่านั้นครับสก<ป>ลนครนี่ดินแดนผ้าหมนด้นดนยนวย อาจ า, ารย์เป็นผ้าฐานเยอะๆ่นท้วสกนธ์นั่งนุ่นนงปูมันไงเสียเสียท้าวสกนธ์นุ่งปูแบงหนึ่งยาก็ฝึกฝึกสมาธิภาวนาก็ตอนที่นั่งสมาธิไปนะครับระอาจารย์นั่งไปแล้วมันมันก็พอนั่งไปนานๆก็รู้สึกรู้สึกปวดก็ทนไปเรื่อยๆทนไปทนไปเรื่อยๆ ทนไปทนไปก็เลยนึกถึงเอี่ยคบอกที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกว่าไอ้ดูดูให้ดีๆซิวซิวว่าใครเจ็บท่านว่าจะ ก, กันนะนึกนึกคําพูดของท่านว่าดูให้ดีๆดูให้ดีๆว่าใครมันเป็นคนปวดท่านว่าอย่างเงี้ยเนี่ยดดูห้ดูให้ดูให้ดูให้ดาใครเป็นคนปวดแต่จิตไปเกาะยึด อ, อยู่อจิตเป็นผู้รู้รู้ความรู้วมันปวดแต่จิตไปคิีว่าตัวมันจิตปวดไปด้วยครับมัจรีงมันเป็นเพลงแต่ร่างกายที่ปวด ดังนั้นแยกจิตออกจากจร่างกายให้ได้แล้วก็จะมันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะปล่อยความรวจได้ตรงตรงนี้ต้องต้องต่อไปยังไงครับอาจารย์รู้สึกมันบมือตอนก็ใช้พุทโธก่อถ้ามันยังไม่ไม่นิงการพุทโธพุทโธไปมันยังไม่ต้องไปดึงถ้เรามีอุบเบกขาแล้วมีสติแล้วใจเราปล่อยวางได้แล้วทีนี้เข้ามาใช้ปัญญาแยกว่า ใชเจ็บมันน้ามันเกิดจากที่ไหนเวลามันเจ็บมันมันาจากทางร่างกายไม่ใช่ใช่ไหมครับก็ประมาณนี้พอาปาญญาที่ทำอยู่พระปัญญาเบื้องต้นก็ใช้สติไปก่อนใช้พุทโธพุทโธบริกรรมไปเวลามันปวดเพื่อหยุดความอยากของใจหยุดความอยากให้ความปวดหายไปพอหยุดความอยาก ให้ความปวดหายไปได้อยู่คกับอย่างนะอยู่กับความปวดได้ทีนี้ก็มาใช้ปัญญาแยกเราครับ<ม>ว่าเพราะว่าพอเรานั่งไปพอมีสติจริรงๆปัญญามันก็พอจะเกิดขึ้นมาตามนั้นแต่ก็สามารถที่จะวางไปตามตามสติปัญญาของเราเนาะพี่กันเนาะใช่ครับครับครับก็กลับกลับมาตอนนญญอี้เอาสติเอาสติให้ได้ก่อนนะทา่านใจให้นิ่งให้ปล่อยวางด้วยสติให้ได้ก่อนต้องให้มาปล่อยวางด้วยปัญญาเนาะ ครับครับอาจารย์ครับกลับขอบคุณอาจารย์ครับโอเคคุณเซรินทานจากอเมริกาเหมือนกันนว่าสตารเจ้าค่ะเมื่อคืนนี้ได้ยูู่าคุณซาจทาราารูปรูปรูปทีอาไปฝาแลมาให้โว้เขาก็ประทับใจมากเอว่าเขาดีใจอะไรใช่คอาจารย์เขาน้าตาไหลเลยนะคะตอนที่เขาคุยกับโยมเขาเขาเาเป็น เ ข, เขาเขาศรัทธามากๆอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าครอบครัวเขาไม่มีใครนับถือพูดเลย mm hmm. แล้วยากับลูกเขาก็คือไม่ไม่มาทางนี้เลยอะค่ะ mm hmm. แล้วตัวเขาเป็นคนเดียวแล้วบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้จะวางตัวยังไงในการดูแลลูกและเข้าใจภรรยาแต่ตอนที่ยมงไปนั่งคุยกับเขานี่เหมือนไม่เหมือนคนที่รู้จักกันมานานแนานนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แต่มากคุยกันได้ทุกเรื่องได้คุเรื่องเดียวกันเลยรู้จักเรื่องเดียวกันชอบเรื่องเดียวกันค่ะพระอาจารย์แล้วเขาจะเป็นขเนขาจะเป็นแนวนักวิชาการมากๆ <laughs> แล้วเขาก็จะมีหนังสือ reference <h ums> ในสิ่งที่เขาพูดเยอะแยะไปหมดเร <h ums> าโยมก็บอกแต่ว่าให้เขาปฏิบัต <h ums> ิกับพระอาจารย์เพราะว่าเขาไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยได้เขามี reference หนังสือเอามาวางเรียงหน้าให้โยมดู เล่ม น, นี้ใครเป็นคนเขียนเล่มอธิบายเต็มไปหมดเลยค่ะพอาจารย์<น>ยมก็บอกว่าไปยังใช้ทฤษฎีใช่ค่ะอาจารย์เขาก็ทฤษฎีเยอะมากค่ะแต่ก<น>็โยมก็พยมสกิบอาจจะไปโดนจิตใจเขาเป็นบางเรื่องอะคะ่ะเขาก็จะแบบพอไปพูดถึงบางคําบางคําผู้ที่พระอาจารย์เคยพูดถึงเขาก็จะน้าตาไหลเขาก็จะบอกใ ช, าาชาเ่เขาตา้าองทําอย่างนี้เขาต้องทําอย่างนี้ก็แต่เขาเป็นคนดีมากมากค่ะะอาจารย์ยม ขอบพระคุณพระอาจารย์มากที่แนะนำกัละยะาณมิตรใกล้บ้านนะโยมแล้วดันนี้อยู่เดียวกันใช่ใกล้มากๆค่ะแล้วก็บางทีเขาก็จะมีเท็กซ์มาหา mm hmm. เ อ, อ่อเนื่องในโอกาสวันหยุด ต, ต่างๆก็ขอให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเท็กซ์ mm hmm. มาบ้าง <Okay. S 1> แต่วันนี้วันนี้ฟังทำของวันนี้รู้สึกปื้มติ๊กมากๆมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องที่มันเหมือนอกับโดน โดนจิตใจเราแล้วเหมือนกับการปฏิบัติของโยมที่ผ่านมาเนี่ยเ ห, เหมือนเหมือนพอเราสีเราสะอาดเราไม่มีเรื่องกัวงวลใจอาหารดีอากาศดีร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วมันก็ทำไปได้เรื่อยๆอ่ะอาจารย์ <c oughs> เหมือนก่อนหน้านี้เราก็นั่งกำหนดที่ลมหายใจแล้วเราก็ไปเรื่อยๆแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันเกิดอาการอัศจรรย์ใจที่ว่าเออมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า ระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงที่เรานั่งปฏิบัติแต่อยู่ๆมันก็วุบลงไปในระยะเวลาที่รวดเร็วมากแล้วพอถอนออกมาเราก็บอกเฮ้ย e จริงเหรอเนี่ยนี่มันนี่เรานั่งได้ไม่นานเลยนะทำไมเราเกิดอาการแบบนี้ซึ่งซึ่งยอมรู้สึกว่าอันอยู่ที่สติอยู่ที่สติถ้าสติดีห้านาทีมันก็รวไ ม, ม, มได้นะสงบได้ค่ะอาจารย์ ก, ก็ก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะแล้วยิ่งฟังธรรมพระอาจารย์ของวันนี้ ยิ่งทำให้มีกําลังใจว่าอุ้งสองต้องทำให้ดีกว่านี้นะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้โยมไปติดกิเลสเรื่องเรื่องอาหารนะคะอาจารย์โยมอยากแล้วก็ทานอาหารอยู่ตลอดเวลาเช้าตอนนึกถึงปฏิกูลของอาหารปฏิกูลของอาหารมันนึกไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ตอนกําลังกำลังอยากกินเนี่ยมันิดมันคิดอาหารที่อยู่ในจานมันไม่คิดถึงอาหารตอนที่ออกมาจากร่างกายแล้วพอกินเสร็จก็อยากกินอีกจานหนอย่างเนี้ค่ะ แต่ก็พอฟังทำวันนี้แล้วโยมก็ต้องไม่ได้แล้วเราต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปแล้วเรายังติดกิเลสเรื่องอาหารนี่เราต้องกลับมาเกิดเพราะอาหารแบบเนี้ยไม่ได้แล้ต้องต้องพยายามลดให้มันมากกว่านี้ในขณะที่ไปขึ้นเขายังกินมื้อเดียวได้แล้วก็ไม่ได้กินเยอะด้วยทนะไมตอนที่ต้องกินทุกมื้ออย่างเงี้ยครับใช่เพราะเราไม่ข้ามติดใจตามใจมันเลยมันอร่อยมันก็ยินมันก็ยินอยากได้ ค่ะค่ะยิ่งเพื่อนๆบอกอุ้มชอกินอะไรอ่ะนุ้มขอดูหน่อยสิมันติดมาั้งแต่อยู่บนทยงแล้วมันทยของแร ก, กินเยอะเหมือนกันหยุดไม่ได้ค่ะแต่ยมต้องปฏิบัติต่อไปแล้วก็จะพยายามพยายามฝึกทางด้านอาหารแล้วค่ะเพราะว่าโยามยังไม่เคยลองเลยค่ะโกเค ด, ดูพิจารณาปฏิกริอาหารที่อยู่ในปากนะหะนี่อยู่ในท้อง่ที่อยู่ในท่อส้วมมันก็เป็นอาหาร ข่าวอาจารย์กับขอบพระาาคุณพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะคุณคุณมอนบอนบอนเรนดีมอนเ ร, น ด, น, น, เรนดีได้ยินได้ฝายใหม่ อ, อ่อา <ยะ S 2> อนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกค่ะแต่เคยได้มีโอกาสไปกราบพระอาจารย์ อ, อได้ติดตามจาก f เฟซบุ๊กนะคะก็เลยเ อ, อมีความสนใจ ทีนี้ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือไม่เคยทราบว่ า, เ, าเรื่องของศีลเป็นเรื่องของการรักษาจิตใจให้อยู่กับกับกายไม่ไปคิดเรื่องอื่นโดยส่วนตัวนี่เป็นคนเพิร์เจอร์เจ้าค่ะก็คือคิดอยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องอนาคตอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้นะเจ้าค่ะทีนี้พอได้มีโอกาสไปกราะอาจารย์ได้ฟังธรรมก็ ก็เลยเพิ่งรู้ว่าสินคืออะไรก็คือการภาวนาทีนั้นหนูก็เลยไม่ใช่เสียงตเรองสติสติสตคือสติคือรู้รู้อยู่กับตัวเองเอใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่สินคือการาละเว้นการกระทำบาปคนละเรื่องกันใช่<อ><ำ>ค่ะมันคำว่าสติค่ะทีนี้หนูก็ได้ได้มีโอกาสอยากจะลองลองให้ให้ความคิดเนี่ยอยู่กับ กับกายเพราะว่าเป็นคนคิดฟุ้งซ่านมากนะคะก็เลยลองกำหนดพุทธโทที่เคยได้ยินพระอาจารย์ เ, เคยกล่าวในธรรมมว่าให้กำหนดอยู่ที่ปลายจมกูกหนูก็เลยลองพยายามกำหนดอยู่ที่ปลายจมูกนะเจ้าค่ะก็ก็ใช้เวลาทีเนี้ยรู้สึกว่ามันพอกำหนดที่ปลายจมกูกรู้สึกคำว่าพุทธเนี่ยมันมันแผ่วๆมันมันแทบไม่รู้สึกเลยเจ้าค่ะ ใช้เวลาไปนานมากเลยค่ะถึงถึงมีความรู้สึกว่าเมีลมอยู่ที่ปลายจมูกสักครู่นึงแล้วก็หายไปแล้วก็นานๆก็ถึงจะแบบกลับมาอีกแบบนี้นะเจ้าค่ะก็ไม <c oughs> ่เป็นไรดูตามความเป็นจริงไปให้เรเฉยๆดูลมเพื่อให้เราไปหยุดหยุดความคิดต่างๆได้เลยทีนี้ถ้าคําว่าบริกรรมพุทโธหมายความว่าจะต้องพุทในใจโธในใจหรือเปล่าเจ้าค่ะ คือคำว่าพุโทโธเนี่ยมั น, ม น, มนเราต้องเข้าใจใหมายว่าเราเำลังพูดถึงตอนไหนถ้าถึงถ้าเราพูดถึงเวลานั่งเนี่ยเราใช้ได้สองรูปแบบจะใช้คําว่าพุโทโธคกับลมควบคู่ไปก็ได้หรือจะแยกออกจากกาันก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นถ้าพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องดูมดก็ได้หรือดูลมอย่างเดียวไม่ต้องพุโทโธก็ได้นี่ในขณะที่เรานั่งสมาธินะ อาจารย์คะแล้วหนูอยากอยากทราบว่าคือเวลาหนูนึกในใจมันมันจับไม่ได้มั่นนะคะก็เลยรู้สึกว่าแล้วถ้าพูดพูดแล้วก็รู้สึกว่าเราพูดว่าพูดแล้วพูดโทแล้วรู้สึกว่าเราพูดว่าโทแบบนี้แทนได้ไหมเจ้าคะได้เบื้องต้นก็ได้ถ้าเรายัางนึกในใจไม่ได้ค่ะใช้ใช้ใช้พูดด้วยด้วยปากไปก่อนก็ได้พูดโทพูดโทไปก็ได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับบางครั้งเรารู้สึกว่า มันไม่นิ่งเลยก็เลยลองลุกมาเดินตรงกลมอย่างนี้นะเจ้าค่ะเวลาหนูยกเท้าเออ่วางเท้าอย่างนี้ยค่ะก็เหมือนเวลาเราวางเท้าลงไปเนี่ยจริงๆมันจะต้องรู้สึกก็เหมือนดูลองก็ดูว่าเท้ากำลังอยู่ตรงไหนใช่ค่ะแต่รู้สึกเหมือนรู้สึกเหมือนเท้ามันมันไม่มีน้ําหนักเท่าที่ควรอย่างนี้นะเจ้าค่ะเหมือนเหมือนเราจับไม่แน่นอีกแล้วอย่างเนี้ยน่ะเจ้าค่ะ อ๋อไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญขอให้เรารู้เฉยๆก็แล้วแต่แค่รู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าใช่หนึ่งวันเท่านี้ทากำลัอยู่อยู่ตรงไหนอยู่กำลังย่อเข้าที่อยู่กลังวางนี่ยค่ะแล้วหนูมีอีกคําถามหนึ่งค่ะด้วยความที่หนูทําอาชีพเป็นข้าราชการครูนะเจ้าค่ะและ้วก็ด้วยความที่อยู่ที่นี่หนูอยู่จังหวัดสุรินทร์เจ้าค่ะและ้วก็ที่เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมี พิธีกรรมหลากหลายนะเจ้าคะแล้วก็หนูเคยได้ยินเหมือนกับการถวายปัดใจพระสงฆ์จะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ท่านบกพล่องในศีลด้วยไหมเจ้าคะแล้วหนูต้องทำยังไงคือมันมีวิธีการที่ถวายเงินให้กับพระคือโดยปกตินี้พระจะไม่รับเงินเก็บเงินไว้เองเวลาจะถายเงินต้อง มอบให้กับลูกศิษย์คนที่พระสั่งไว้ให้กับคนนี้หรือถ้าลูกศิษย์เขไม่อยู่พระท่านกนจะบอกว่าให้เอาเอาเอาวางไว้นะเดี๋ยวท่านจะมอบให้กับลูกศิษย์ไว้เก็บไว้ดูแลรักษาให้แล้วถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าหนูจําเป็นจะต้องทํำละเจ้าค่ะคือทําตามประเพณีที่นี่นะเจ้าค่ะก็ทําไปแล้วกันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องไปฝืนประเพณีค่ะแล้ว อ, อีกอีกหนึ่งเรื่องนะเจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีว่าหลังจากที่ได้มีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆอด้วยความที่เราเราประกอบอาชีพภูมันจะต้องมีการพัฒนางานต่างๆใช่ไหมเจ้าค่ะโดยส่วนตัวหนูรู้สึกว่าการพัฒนามันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเจ้าค่ะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ไม่ได้ไขฟ้ า, า ม, มากเนี่ยเราเราจะมีความบกุกเบิกในหน้าที่การงานไหมเจ้าค่ะ ไม่หรอกเพราะว่าเราเพียแต่ใช้งานที่การงานไว้เป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงเท้าเราเท่านั้นเองเราไม่ได้ต้องการอะไรเนขะมากไปขนาดนั้นก็ไม่เป็นปัญหาเลยทางโลกเขาอาจจะมองว่าเราไม่ไม่ขวนขวายแต่ถ้ า, ามองทางธรรมพุทเจ้าก็บอกว่าให้ให้เอาแค่สันโดษนะมากน้อยสันโดษเอาเท่าที่เอาเท่าที่จําเป็นเนื้อ ถ, ถ้าเรามองหลักธรรมเราไม่ไม่เสียหายแต่ถ้ามองทางโลกก็หาว่าเราอาจจะ ไม่ไม่ขวนขวายไม่กระตือรือร้นไม่พัฒนาแต่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองว่าอาชีพนี้มีไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้าเราเทอนี้เจ้าค่ะเพื่อใจเราจะได้ไม่ต้องวุ่นวายใช่ไหมถ้าเราพัฒนานี้มันเหมือนวิ่งตะกุ้งเท้าอ่ะได้ครั้นี้เราก็ต้องไปอีกขั้นหนึ่งได้อีกขั้นหนึ่งก็ต้องไปอีกขั้นไม่มีวันจเจ้าค่ะต้องพัฒนาตลอดเวลาหรือเจ้าค่ะ ไม่สงบเลยใช่นะก็ไประจบมันที่กเกษียณอายุาอยู่ดีใช่ไห ม, มใช่ใช่ก็เหนื่อยกันเปล่าได้อะไรมนาะใช่ไหมเจ้าค่ะเนะงั้นถ้าทาง ถ, ถ้าเป็นนักปฏิบัตินี่ยเขาจะมองว่าอาชีพนี้ไว้เลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านัองพอลนะพอมีพอมีเงินเดได้กินจ่ายค่าหน้างากไปค่าอะไรต่างๆได้ก็พอเจ้าค่ะเอาเวลามาดูแลใจให้มันสงบผิดมา เสูอยู่ที่ควมสงบของใจนี่นะมันไม่ได้อยู่ที่ขั้นตำแหนนะ่งแล้วเจ้าค่ะกลบขอบพระคุณค่ะอาจารย์เจ้าค่ะหนูหนูมีเท่านี้ค่ะโอเคนะสาธุอ่ขาขันต่อคูณคุณนี่ต่อคูนี่เยอะัวนีลไปไหนนะมาได้ยัยามาแล้วค่ะเชิญคุณีิา ฉันพูดได้คุณนี่อัปิดอีกร้าใหม่ไปเลยอ่าพูดได้อาจารย์เน่ค่ะอา่าได้ยินแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ก็ได้ได้ดนทดสอบอีกคะ่ะาอาจารย์อ่ากังกชีวิตจนเป็นเรื่องทดสอบใจเอาตลาดเวลาใช่ค่ะอาจารย์ โดนด่าโดนแช่งด้วยนะคะพระอาจารย์เราตกก็แบบเราสอบตกก็แบบปุ๊บหนึ่งค่ะแบบตกแล้วก็แบบก็เฉยเฉยอ่า่ห้ามไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้พราะไม่พูดอะไรก็เดินออกมาแล้วแต่ทำให้ใจรู้สึกว่าเราสงบขึ้นแล้วก็รู้สึกสงสารสงสารมากกว่าสงสารมากเลยค่ะพระอาจารย์ เขายังระบายเขายังไม่สามารถที่จะเก็บอารมณ์เขาได้เราก็<ร>าบอกว่าเราเก่งเขาเราเราเก็ บ, าาาากบอารมณ์เราได้คก็เลยว่าโอ๊แต่แต่เราก็ยังมีแบบืแบบมุ๊ปขึ้นมาและอะไรอย่งางนี้แต่เรามีสติเรารู้ทันแล้วเราก็หยุดมันได้ไม่ค่ะพระอาจารย์เขบอกว่าอย่าแช่งมันเหมือนกับเข้าตัวเองอะไร ก็ก็ยินเหมือนโกรธมากอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ตัวเองมัไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอะไรแล้วเฉยๆเลยแบบทำไมรู้รู้สึกสงสารเขาขนาดนี้ยังไม่รู้แต่ก็อืม เ, เราล่วงควาโกรธเราล่ความโกรธมันไม่ดีมันมันเป็นเหมือนไฟเผ า, าไฟเผาใจาาก็ดีนั่นแหะที่เราไม่ทำอะไรเรก็เนี่ยก็เรียกแผ่เมตตาแผ่แบบนี้ เอาเวลาคนตกไม่จ้เจาเวกันไม่ไม่โกรธกันค่ะพระอาจารย์แล้วก็งานวิธีแผ่เมตตาลูกแผ่ตอนที่ก็ด่าเรานะตอนนั้นเวลาที่เราต้องแผ่เมตตาไม่ใช่มานั่งสมาธิเสร็จนั่งมานั่งส่วนบทแผ่เมตตาตอนนั้นไม่ได้แผ่รูกแผ่ละตอนนั้นเนินบอกว่าครบบท้วดให้ตั้งจิตอยู่ในใจเทปคือแบบ Spo Spo บอกบอกออกไปนะคะพระอาจารย์แล้วก็อโอ้ โอเไปเป็นไรก็เลยลุกลุกขึ้นคือทุกๆคนในนั้นก็เห็นแต่คือเขาไม่ยอมไม่ยอมรับผิดแต่ว่าผู้ป่ายเป็นเป็นหมวก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเขามีความผิดปกติบางสิ่งบางอย่างอยู่ะคะ่ะอาจารย์ก็ไม่โกรครับก็หรือว่าตัวเองโชคดีที่ได้เจอคะ่ะอาจารย์ได้ทดสอบตัวเองด้วยก็ดีถ้าเราถ้าเราไม่กดเขาได้เราถึงว่าเราเราชนะแนละ้วนถะ้าเป็นพระชนะเป็นไง ่พระอาจารย์แล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองได้ฝึกในเรื่องของอตามที่พระอาจารย์บอกนะคะว่าเวลาที่เราทำงานให้เราใช้ความคิดแต่ ต, ตอนตอนที่ตัวเองทำงานบางทีเนี่ยมันมันเหมือนมันฟุนน้งอะคะ่ะนู่นนี่นี่ ม, มาแต่ถ้าเราไม่ได้คิดแล้วเราก็จะมาพุทโูพุทโูพุทโธ แต่จะพูดโทมากที่สุดก็ ก, ก็ตอนที่ทำงานบ้านที่ม็นไม่ได้คิดอะไรนะคใช่ไม่ด้ใช้ความคิดทำงานบ้านซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือพูดโทพูดโทพูดโทไปอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็อย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับคนแก่เนาะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างด้วยทั้งสงสารทั้งออเ้าต้องปฏิบัติหน้าที่อะค่ะพระอาจารย์รก็แต่ว่า ก็ต้องมีตาหรือว่าได้อยู่ด้วยกันต่อไปนะคะพระอาจารย์แตนหนูก็บอกว่าหนูก็ถือว่าโชคดีที่ได้ได้เจอได้เห็นอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนเป็นการทดสอบตัวเองด้วยนะคะพระอาจารย์อืมค่ะอันนี้มันเป็นในเรื่องของการที่เราได้ฝึกในเรื่องสติแล้วก็ปัญญาของเราอีกแบบหนึ่งไหมคะพระอาจารย์ใช่เนียามาฟังเทศสังถามแล้วก็ฝึกสติ คัาเทศคํทาทาํานี้ก็ได้ปัญญาแล้วเราึกากติกแล้วไมจะได้เบเปคาความมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยเฉยได้ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าถ้าถ้าเราผิดเราก็จะเอามาปรับปรุงแก้ไขก็ต้องมานั่งคิดว่าเออสิ่งนั้นมันมันเป็นห ป, น เ, ปนเป็นใช่ไหมถ้าเช่าก็ปรับปรุงแต่ถ้ามันไม่ใช่หนูก็คิดว่าช่างหัวมันก็แล้วกันอะไรประมาณนี้นะพระเจา้า ค่ะบางทีก็ต้องก็ต้องคิดแบบนั้นเหมือนกันนะคะพระอาจารย์แล้วก็ยิ่งได้มาอ่านหนังสือทุกย่อมไม่มีเก็บผู้ไม่เกิดของพระอาจารย์<ม>ที่ที่ลืมขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์ที่เอามาลับในเพจนะคะพระอาจารย์<ม>ใกล้จะจบ<ม>เพราะว่าอ่านจบไปแล้วรอบหนึ่งก็มาอีกรอบสองพอาพูดไปพูดแทบจะน้ําตาไหลมันเหมือนกับว่าเราได้เห็นอะไรหลายหลา ย, หลายอย่างด้วยแล้วก็ทําให้ตัวเองยิ่งแบบเหมือนแบบ สงบแล้วก็นิ่งมากขึ้นนะคะพระอาจารย์อ <c oughs> พอไปอ่านตอนที่แบบพระถลกหนังคือในส่วนของของหนูเองเนี่ยพยายามไม่ได้คิดถึงเรื่องแบบว่าอา่สุภาษมากนะคะพระอาจารย์เพราะว่าอันนี้ตัวเองอาจจะติดสวยติดงามอยู่แต่พอมาถึงโอ้แทบตโอโทรนันราะวระอาจารย์แทจะอ้วกอะคะพระอาจารย์ อ, ะะอาายืม <c oughs> ไม่ได้มีอะไรดีเลยหรอเนี่ยอะไรประมาณในร่างกายเรามีแต่ของขยะขยะแค่ไหนใช่ค่ะพระอาจารย์ใช่ดังกาพระอาจารย์เรามองไม่เห็นเราคิดว่าไม่มีคิดว่าร่างกายเราเป็นทุบๆใช่ไหมมันไม่มีอะไรข้างในมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยค่ะพระอาจารย์แม้กระทั่งในเรื่องของการกินแต่ตัวเองอะได้แล้วในเรื่องของการกินคือเรากําหนดได้อยู่ค่ะพระอาจารย์ไม่อะไรเยอะแหล่ยเอาเขาพระอาจารย์ก็ ไม่มีอะไรมากก็ถือว่าอา่ครั้งนี้ที่ได้เจอก็ถือเป็นบททดสอบพระอาจารย์เพราะคิดว่าตัวเองสอบผ่านในระดับนี้แต่ยังไม่ได้นิ่งสนิทมันก็ยังมีอารมณ์ที่แบบไม่นี่อยู่เพราะว่าดูปลายมือตัวเองแบบสั่นมากแล้วก็รีบลุกไปอ่ะคะ่ะพระอาจารย์มันต้องนิ่งเดิมที่นะต้องแช่แล้วมันก็แม่รู้สึกแมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์ก็จะพยายามต่อไปคะ่ะพระอาจารย์ฝึกสติให้มากขึ้นนะ ค่ะพระอาจารย์โอเคุกพอาจารย์นะคะคุณบคุณบอบมีระพันบอบวีาจารย์อ า, ออาออจารย์ อ, นนอยู่ไหนตอนนี้อยู่พิจิตโลกนะได้ครับอาจารย์ครับอยู่พิซโลกครับจากที่นี่ที่นี่ต้อเข้ากรุงเทพใช้ครับลูกเขามีธุระ ต, ต้องเข้าไปตอนบ่ายอาทิตย์ตอนตอนเช้าครับอาจารย์กลว่าจะกลับมาไม่ทันแล้วครับอาจารย์ไม่เป็นไรวางใจกันได้หนึ่งอาจใจกัได้ หลังจากนี้ไปก็กดูแลล่องโล่ง้วครับไม่มีไม่ค่อยมีเกลียนแล้วครับอาจารย์จะเป็นเห็ุนะครับอาจารย์ไม่ได้มีคำถามอะไรครับเข้ามากราบอาจารย์กรบโ okay. ปรโอเคสาธุที่คุณชายานิดก็หยาดนิดกราบมาสการอาจารย์เจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างก็ <laughs> ยังร่างกายก็ยัง ค่ะก็ยังป่วยอยู่ยังไม่หายเพราะว่าไปเที่ยวไปต่างจังหวัดก็ทําลายร่างกายแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ทุกข์กับตรงนี้ว่าเราป่วยเจ้าค่ะอ่าดีไม่ทุกข์ก็ดีแต่ก็ก็คิดอยู่นะเจ้าค่ะว่ายังไงสุดท้ายเราต้องตายแต่แต่รู้สึกทรมานเจ้าค่ะ ทรมานทุกเงี้ยถ้าทรมานก็แปลว่าทุกเงี้ยคือทรมานในที่นี้ก็คือว่าร่างกายมันมีความเจ็บป่วยแล้วก็ก็เลยมาคิดดูว่าเราจะตายแบบไม่ไม่ทรมานได้ไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือเราฝึกสติฝึกสมาธิได้เราก็จะไม่ทรมานที่ทรมานไม่ใช่ร่างกายทรมานใจเราทรอเราเอาใจไปไปไ ป, ไปยึดไปอยากไม่ให้มันเจ็บไม่<อ>ไม่ไปอยากไม่มันตาย ก็ไปมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแล้วอย่างนี้ก็จะไม่ทรมานเจ้าค่ะเพราะว่าหน่อยก็ดูอยู่ว่าเออเราเราจะเจ็บได้เท่าไหร่เชียวลองดูสิว่ามันจะเจ็บขนาดไหนอ๋อเราต้องปล่อยใช่ไหมเจ้าค่ะนั่งสมาธิไปเวลามันเจ็บก็อย่าไปขยับปล่อยมันเจ็บไปทราบเล้ต่อไปเวลาตายมันไม่จะเป็นแบบนี้เนี่อะไร ตอนนั้นตอนนั่งสมาธิหน่อยก็ไม่กลัวเจ็บนะเจ้าคะ่ะแต่พอมาป่วยปุ๊บลงลืมเลยอืมเพราะยังทําน้อยทําไม่มากามทํำบ่อยๆแค่ถ้ามันชินอยู่มันชินความเจ็บเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะ่ะสัญญานี้ก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะที่จําได้มันก็เป็นมันเป็นมันเป็ น, น, ป น, ห, นหน้าที่อย่างในห้องใจคือความจําความคิดก็เป็นหน้าที่อย่าง ไม่มีใครจำ <offering S 1> ไม่มีใครคิดมันมันจําของมันเองมันคิดของมันมเองมันนมอนมพัดแค่ว่ามีกายประพัดนมนมมังงะประพัดของมันเองเจ้าค่ะการคิดมันก็คิดของมันเองความจํามันก็จำของมันเองไม่มีตัวตนเจ้าค่ะคือหน like ่อยคิดเสมอว่ายังไงทุกวันสักวันหนึ่งต้องตายแต่ถ้าคือทุกอย่างที่หน่อยทํามาถ้าหน่อยเหมือนกับ ไม่มีการฝึกซ้อมยังไงก็ก็ไม่ได้ดีเจค่ะก็คือเหมือนอย่างสมมุติว่าหน่อยจะออกไปพูดข้างนอ ก, ออกไปพูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าเราไม่ซ้อมให้หนักยังไงแบบเหมือนการว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจุดยากใช่ต้องมีการฝึกซ้อมก่อนก่อนจะขึ้นเวทีก่อนนีจยไปลงไปสนามแข่ง<ช>เราก็ฝึกซ้อมให้ดีถ้าฝึกซ้อมดีลงสนามแล้วก็ทํา ทำหน้าที่มาได้อย่างเต็มที่เจ้าข้าพระสารแล้วอย่างถ้าอย่างอย่างอาการถ้าเราป่วยขึ้นมาอย่างไงก็คือเป็นการแบบทดสอบอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมจ๊ะเราถึงต้องทราบไม่ก่อนเนยทราบนั่งไอ้นั่งกายมันเจ็บในเวลาว่าเวลามันเจ็บจริงจริเราจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเราจะรู้วิธีปฏิบัติกับมันที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่ทอมานไปกับการเจ็บของหน้ากาย เจ้าค่ะเนีย่ยต้องทัทบกันบ้างไปก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมแก่เตรียมเจ็บเตรียมตายวหก่อนพอถึงเวลามันจะ ไ, ได้ไม่ไม่ทรามานไม่ทุกข์ก็มันเจ้าค่ะที่จริงอืมคนเรามันก็ตายได้ตลอดเวลาเลยนะเจ้าคะ่ะไม่จำเป็นต้องแก่ต้องไม่มีใครเป็นกำลังขับตายได้มันจะตายในวันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่ชะลาใจนะเจ้าคะ่ะ ต้องต้องต้องคิดว่าจะตายได้ทุกเวลาดังนั้นควรจะรีบเอาเวลามามามามาทำการบาให้มันเรียบร้อยตอนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราเจ้าค่ะก็ต้องอ่าถ้าอย่างทําอะไรไม่ได้เลยก็ต้องเจริญสติให้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจรสติวุ่นเถุ่นเถห้ใจอยู่เฉยๆใหก่อนอืมเจ้าคะ พูดโทพูดโทพูดโทเจ้ะค่ะแล้วข้ออ่าที่หน่อยเคยถามพระอาจารย์ไปถ้าอย่างเป็นกระแสนิพพานที่พระอาจารย์เคยเทศไว้ว่าถ้าเข้าไปในกระแสแล้วก็เหมือนเข้าไปในกระแสน้ำอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ะก็คือเหมือนการลงแม่น้าําเจ้าพระามันก็จะไหลาพาลมลมออกทะเลต่อไปเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเจ้าค่ะคืะคอเอาจริงๆนะคะ หน่อยอ่ะไม่เชื่อหรอกต้องลองทําดูประมาณนี้สคิค่ะไม่ทําก็ไม่รู้หรอกที่ทันรรการเปไ็นงไงคิดยังไงมันก็ไม่เหมือนกับใช่ค่ะคมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยนะสิค่ะพระเจ้าสันธิติโก้เนี่ยพระเจ้าบอกเป็นสันธิติโกเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพิจารณาได้ด้วยตนเองใช่ค่ะ จะพยายามทําให้ได้ตลอดเจ้าค่ะพยายามปฏิบัติสติไปแล้วมันจะพาเราไปเจ้าค่ะแล้วปัญป ญ, ญานี i คือว่าต้องคอยเอามาใช้ตลอดใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ปัญญาก็คือให้เรารู้ทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนร่างกาย<ำ>เรวก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเราเป็นจะตายเมื่อไหร่ก็ได้ต้องมันเอามาสอนใจอัอ น, นั้นตาเราห้าม ม, าามันไม่ได้จัดการไม่ได้ เจ้าค่ะต้องบันทออลาสใจต้องยอมรับกับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางอยากไปอยากให้เป็นอย่างไรเจ้าค่ะเจ้าค่ะไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะโอเคนะที่ไว้น้อยหน่อยอฏิบัติให้มากขึ้นเจ้าค่ะเดี๋ยวปิดเทอมเปิดเทอมเที่ยวน้อยแล้วจ้าค่ะเท่ย้อยชอบเทีน้อยชอบเทน้อยแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นคือจริงๆ ถ, ถ้าอยากจะใช่ก็ <c oughs> เอาไปทำบุญทำทานแทน <c oughs> อยากซื้อของ <c oughs> จะพยายามเจ้าค่ <Okay. S 2> <c oughs> ะครับเดี๋ยวเป็นราลิ้นตากลิ้นต<ร>ามกิจการเขาหลวงพ่อก็สิ่งที่หลวงพ่อสอนว่าให้แก้ไขตัวเองพอแก้ไขไปบางส่วนแล้วมันทำให้เราเห็นใจตัวเองแล้วใจตัวเองก็สิ่งที่อยู่ในใจก็แบบ เห็นกุศลกับอกุศลที่ได้สะสมไว้แล้วแต่ว่าเราก็พยายามอยู่กับกุศลก็คือเจริญตติที่หลวงพ่อบอกก็รู้สึกเออมันก็แบบมีความสุขในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นนะครับหลวงพ่ออืแบบมันจะเรียกว่าไงอ่ะมันจะเออรู้สึกว่าเรามีเรามีสมบัติที่อยู่กับใจเราอะครับหลวงพ่อรู้สึกเนืองเนืองทราบภายใน มีสติมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นใจก็จะสงบเย็นมากขึ้นไปตามลำดับครับมารู้สึกแบบเนืองเนืองเนืองเนืองแต่ว่ามันเออมันก็มันค่อข้างแบบเรียกว่าอะไรอิ่มอกพิม์ใจ่ะครับมันอราอรมณ์แบบนั้นนะคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติท่านทำให้เรา ม, มีความอิ่มอกใจในความสุขใจครับก็ผมอ่านบทความเอ๊ะคําสอดของท่านพ่อรีธรรมธารโลมาด้วยว่าอะไร บุญภายนอกกับบุญภายในบุญภายนอกกอะไรการให้ทานให้คนอื่นมีความสุขแต่บุญภายในคือศีลภาวนาเออเข้าใจก็เลยทําให้อ๋อแจ่มแจ้งมากขึ้นในเรื่องนี้เมื่อเมื่อลองเมื่อพอรู้สึกอ่ะครับคนไม่เข้าใจว่ า, ารักษาศีลต้อได้บุญอย่างไรไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมเข้าใจแล้วครับตอนคนน<ๆ>ั่งสมาธิต้องได้บุญอย่างไรไม่เข้าใจเ <c oughs> พราะมันเป็นบุญภายในใช่ไหมมองไมหครับ <c oughs> เขาไปมองว่าไงอะ เอาวายการทำต้องทํานู่นทํานี่ถึงจะได้บุญใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าน่าเฉยๆนี่ทําได้บุญเยอะกว่าครับหรือแบบทําบุญทําทานแบบต้องกวดน้ํำหรือว่ารับพรให้พระให้พรที่กว่าจะได้บุญแบบผมแบบแค่ทําบุญเออมันก็แบบมันไม่ต้องรอพิธีกรรมอะไรอย่างเง้ยแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ขัดฝัางนะครับก็เข้าทํำก็เลยแบบอ๋อก็เลยแบบอ๋อพิธีกรรมก็เข้าใจอ๋อมันเข้าใจแล้วแต่ว่าเหมือนแบบ มีก็ได้ไม่มีก็ได้อารมณ์ประ ม, มาณนี้ครับหลวงพอ่อใช่อันนี้อันนั้นนี้ไว้สําหรับคนที่ยังต้องมีพิธีกรรมเพราะรู้สึกว่าไม่ทําให้มีพิธีกรรมแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ทําอะไรครับก็เลยอกอกก็รู้สึกผมก็ เ, ล, เลยเแบบข้าใจแล้วออกก็เลยแบบออกเข้าใจแล้วจะได้จบบทาบุญที่ระดับอะไรบุญภายในได้มากขึ้นเลยเลยเพราะก่อนหน้านี้ทําบุญภายในมันไม่ค่อยเกิดแต่พอมันเกิดอ๋อมันอย่างมันเริ่มเห็นผลก็เลยอ๋อก็เลยเข้าใจเพราะว ที่อยากจะทำมากขึ้นนะตอนต้นไม่ทำไปแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อะไรกันเลยไม่อยากจะทําไปทําบุญไดนน้เท่าเว่าทํา่ทแล้วเห็นผลใชบ่บุญภายนอกมันเห็นผลง่ายเลยครับอย่างเช่นให้ ใ, <ช>ให้ข้าวเด็กให้ข้าว<ช>หมามันมันเห็นเลยใช่แร้วมีคว า, ามสชมแล้วมีความสนแล้วก็มีความสุขครับก็บ เ, เ, เข้าใจนะครับโ อ, โอเคนะโอเคสบายใช่ไห ไม่มีอะไรเลยครับนี่คุณบมอสุทธาเนตาหมอปฐุมธานีค่ะน้อมสักการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคำถามค่ะยังปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะโ อ, ะอะเคดีน้าถุ๊เดวยวจากสเปนยูบิซา่าตอนนี้ ไปไปอังกฤษหรอยังนี่ที่ลอนดอนเหรอครับมาหรือลอนดอนนมาอะไรเปิดแล้วเลยเปิดแล้วครับเปิดอาทิตย์ที่แล้วครับยังไงยากไหมก็กําลังอดั p t o new environment ครับก็ก็ให้ขยันนี่ก็กันถ้าขยันมันมันไม่ยากถ้าเราขี้เกียจมันจะยากครับก็ก็เรียนรู้หลายอย่างครับก็ไม่ได้อยู่กับแม่เราก็เหมือนต้องมาเริ่มทําอะไรเองเพื่องตัวเองแล้วต้องเตือนตัวเองสอนตัวเอง ไมีมคใคมาเตือนมามาคอยสอนคอยบอกแเราลนะพระอาจารย์บอกว่าอัตตาหิอัตโนวาดาโถนี่ยตอนเปนที่ไม่หลงตอนดีที่สุดครับโอเคครับคุณแม่คุณแม่เข้าไม่ได้เพราะพอดีคอมคุณแม่เสียก็เลยไม่ได้เข้าก็เลยเข้าวันนี้วันนี้เดียวฝากให้ร้อยแม่เรนะียบร้กันะนะแม่ฝากให้ร้อยกับน้สกังหลังตาด้วยครั บ, รบโอเคไม่มีอะไรไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีครับวันนี้เข้ามาฟัง อ่าแม่อยู่ที่สเปนใช่ไหมอยู่คนละที่ใช่ไหมอยู่คนละที่ครับที่นี่ที่ลอนดอนไหมที่ซาอันนี้อยู่คนเดียวแล้วไม่ขครั้งแรกที่มันจะต้องมาอยู่คนเดียวครับครับมันเสงาไหมมันเสงาไหมก็ยังครับแต่ว่าถ้ามีอะไรทํามันก็ไม่เหงาแล้วไม่ยังบีซี่คิดบีซี่ครับดูหนังสือทำกันบ้านอะไรไปครับนั้นจะไม่เงาเนอะ โอเคครับผมเค okay, นะหวัดดีขอให้เราสู้ร่างกาแข็งแรงครับโอเคคุณชานิสาต่อ N.K. ญี่ปุ่นนะญี่ปอน N.K. นี่มันยังญี่ป่นได้ปะ N.K. ชื่อลูกชายค่ะนะักขุณค่ะลาบนะำม้าจาการพ้าอาจารย์ค่ะมีอะไรไหมตั้งแต่เมื่อค่ะตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่พระอาจารย์บอกว่า ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องรอฝึกสติให้แข็งแล้วให้ทำเลยก็ทำมานั่งสมาธิมาตั้งแต่วันที่พระอาจารย์อ <Yeah. S 1> บอกอะค่ะแ <Yeah. S 1> ล้วทีนี้เมื่อวันวันพระค่ะว่าอาจารย์ก็นั่งสมาธิแตนดึกหน่อยเพราะว่าลูกนอนดอนดึกแล้นะคะประมาณทีสองตีสามก็นั่งนั่งไปแล้วมันมันได้ยินเสียงอะค่ะพระอาจารย์ตอนแรกครั้งที่หนึ่งเอ๊ก็มองดูไม่ได้มองค่ะก็คือหลับหลับตาแต่ว่า พยายามดูว่าเอ๊ะมันใช้เสียงกลนหรือเสียงย<บ>อะไรแบบ ก, ก็นิ่งไปก็นั่งพุทโธพุทโธข่มไว้ซักพักมีอีกครั้งหนึ่งก็เสียงเหมือนเดิมอีกก็เลยแบบ อ, อ๋พุทโธพุทโธพุทโธชักไม่อยู่ไปซักพักก็เลยไม่ไหวละพอดีกว่าก็เลยออกจากสมาธิอะคะ่ะอย่างอย่างนี้ควรควรทำใจยังไงได้ะคะ่ะพยายามนึกถึงาพระอาจาร์ว่า ปล่อยมันไปให้มันได้ยินเสียงก็ปล่อยมันไปแต่มันทํำใจไม่ได้สนพยายามกอดติดกับพูดโทไปให้มันถีบขึ้นก็ได้ให้มันเดวขึ้นหน่อยก็ได้ออืแต่ไม่ต้องออกเสียงออกมาใช่ไหมไม่ต้องออกเสียงท่องไปในใจพูดโธพูดโทพูดโทออมันรู้สึกแบบเอ้ใจมันแบบมันหวิวหวิวมันมันครั้งที่สองแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเอยิ่งคิดมันยิ่งกลัวใหญ่ยัไม่สนใจ ปกติทําถ้านั่งสมาธิถ้าช่วงกลางวันที่เออพักพัก work from h มอยู่ น, นะคะรีโมทเวิร์กตอนกลางวันก็จะนั่งสมาธิถ้ากลางวันเนี้ยไม่มีปัญหาเลยจะนั่งนานแค่ไหนก็ได้แต่ถ้ากลางคืนเมื่อไหร่รับถ้าเริ่มมีรู้สึกแบบอืมเริ่มปวดขึ้นมาก็มันจะคิดไปใช่เราคิดไ ป, ดไป ม, มันไม่มีอะไรหรอกอ๋ออยู่ พ, พูดตัวไปพูดตัวไปแล้วเนี่ยมันก็จะเิกมันก็หยุดคิดไป อ๋อก็คือพุโทโธทีทีทีทีทีทีไม่ต้องสนใจอะไรเลยใช่พุโทโธทำมือสามข้อก็ได้สามข้ออย่างเดียวก็ได้เมื่อวันนั้นที่ออกมาจัดสมาธิแล้วค่ะก็เลยกลายเป็นแบบทําใจยังไงก็แบบนอนนอนไม่หลับต้องตื่นยันเชา้าตีห้าเลยอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเราไม่ถูกกับการ น, นั่งสมาธิกลางคืนหรือจะนั่งกลางวันอย่างเดียวดีนะ อาไม่เรามันจะเวลานั่งสมาธิถ้ามีสติมากๆมันก็จะทําให้มันเติมมันไม่มันไม่หลับอ๋อแต่ก็ไม่เป็นไรก็นอนไปเรื่อยๆอย่าไปอยากให้มันหลับนอนแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปยุดอย่าไปคิดอะไรเีอย่ามันก็หลับเองอ๋อค่ะก็ก็เลยคิดว่าตอนแรกพยายามหลับเอ้ยมันก็ไม่หลับที่พระอาจารย์เคยบอกว่าอย่าไปบังคับจังใช่ยิ่งพยายามไม่ยิ่งไม่หลับใหญ่ถ้ามันไม่หลับก็รุกเขมานั่งสมาธิต่อมาได้ เดี๋ยวมัน <funk> ง <anak lonely> ่วงเย็นๆบางครั้งหลับเองค่ะทุกครั้งเวลานั่งสมาธิดึกๆตีสองตีสามเวลาง่วงไม่ไม่แน่ใจว่ามันง่วงหรือเปล่าแต่ว่ามันตกหลุมปกติถ้าตกหลุมเนี่ยมันก็จะนิ่งนิ่งไปแล้วก็สงบใช่ไหมคะใช่แต่เวลาง่วงเนี่ยมันก็จะคลไม่แน่ใจว่าง่วงหรือเปล่าค่ะอาการจะเดียวกันมันก็แบบหลับตกหลุมหลับใช่ไหมคะพัาว่างหลับไม่ใช่พักว่างสมาธิ <minutes> ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสภาพกเอ๊ะงวงเหรอแต่ก็ยังพูดโธอยู่นะพูทโธก็ยังไม่ตกถ้าท่านหมดสติค่ะก็กาลังคิดว่าเอ Little, ๊ะแต่พุทโธเราก็ย <Maria> ังอยู่นะแล้วทําไมมันตกหรือหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าหลับในหรือเปล่าคะกั่นแหละสติมันนริ่มอ่อนกำลังนมันก็เลยมันก็เลยหลับหลับในแต่เราก็ควรไปต่อใช่ไหมคะถ้าถ้ายังยัง ถ้ายั ง, ยงมีสมาธิ<ด>ยังยังนั่งได้ยังทำได้ก็ทำต่อถ้ามันไม่นอนมันไม่หลับเก่ออยากไปฝืนบังคับมันยังไาเดี๋ยวเวลาเอล่าเปลาเอาเวลาม า, มานั่งสมาธิต่อนีังไงค่ะได้ค่ะไม่ไม่มีคําถามแล้วครับอาจารย์สาธุดรากาค่ะ<า><า>คุณมาลีเชนวุฒากาลค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้หนู เพิ่งมาถึงตะทักมีบางโลทอ่งค่ะลมีบ้านที่อสองออค่ะงพ่อบมทน้ำไม่เทั่ยนะแวนอนไปเรียนน้ำยังยังไม่พ่วงค่ะหลวงพ่อเป็นเป็นเป็นอีกบ้านหนึ่งเลยในในที่บ้าบางโมทน่้ใช่ค่ะหลวงพ่ อ, อมี ที่บางบัวทองค่ะแล้วก็ที่นครนายกแล้วก็ที่ยูธสาขาค่ะแล้วเวลาย้ายก right ็ย้ายไปั้งอคัวเลยนะก็สลับมาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อวันวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะจะมาบางบัวทองค่ะหลวงพ่อถ้าถ้าแต่วันทางานหลวงพ่อไปในเมใช่ค่ะงั้นมันมันไปไม่ทันค่ะหลวงพ่อรถมันจะติดมากค่ะก็เลยไปใกล้เวลาทำงาน เ อ, อี้พรุ้หยุดอีกสี่วันด้ยุดสี่วัน้ย <c oughs> ใช่หยุดหยุดสี่วันแต่นหนู <c oughs> หนูจะไปอะไรนะ <c oughs> วันวันศุกร์ที่บริษัทเขาอยู่ค่ะพอดีหนูจะไปวัดนะคะหลวง่อจะไปไปวัดที่ <c oughs> ทางอุดรทางอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะหลวงปอเออยังไม่เคยไป วันทำสบายหรืออะไรต่างวันทำสบายมันทำสาหิตมันทาสาหิตอาจารย์จารย์เรียนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจะลองเอาไปดูเราไปสัมผัสกับครูบาอาจารย์ทางพระอิศร์นดี๋ค่ะแล้วแล้วมีอีกวันนหลวงปู่ที่หลวงปู่บุญมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวพอ กลับมาหนูก็จะไปขึ้นเขาวันที่22ค่ะที่สอนชินะคะ22เนี่ยกลับมาจากอันนี้แล้วค่ะเดือนน22ค่ะเดือนเนี้ยเดือนเดือนนี้ค่ะพอดีพอดีช่วงช่วงตั้งแต่พวกนี้ไปที่เขาเอถามถามว่าปลูกแล้วไม่ไม่ว่างค่ะอดีไปได้ช่วงที่ 22-23 มันดยุดยาวมนจองไปหมดแลค่ะแต่หนูก็จองตั้ง ตั้งงานแล้วค่ะพัส ด, ดยังโชคดีที่ได้ได้ยี่สองยีสามยสี่ค่ะหมอค่ะหลวงพ่อคะช่วงเนี้ยมันการปฏิบัติหนูก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพแต่ว่าเวลาช่วงที่ทํางานอย่างเนี้ยค่ะหลวงพมันมันมันจะรวมอย่างเดียวเลยมันเหมือนคนคนอื่นเขาก็จะไม่ทราบเหมือนหนูลืมตาอยู่อย่างนี้ย อยู่ๆจิตมันรวมรวมแบบสงบนิ่งเหมือนตายรวมอยู่มันมันจะเป็นอโนมณ์อ่ะมาปฏิบัติกนอมากสติมันมากขึ้นมากขึ้นบางทีเราไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกบางทีเชื้อมันก็มันก็เข้ามามันก็เข้าสงบได้ค่ะแล้วแล้วช่วงที่มันมันสงบมันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอะไรสักที่นึงอย่างเงี้ยค่ะหรอตอนเวลาที่มันสงบก็แล้วก็กับเข้าไปในโลกทิพย์นี่มันจะ มันจะไม่มีรูปเสียงกินรู่ปจะไม่มีรูปเสียงคนกินรถมาค่ะแต่คนอื่นเขาก็ยังเดินมาเดินไปทํำงานแต่แต่ใจเราเฉยเฉยอุเบกขาใ่ะช่ค่ะเราไม่อยู่แต่ไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่เราเรารู้เราเห็นเฉยเฉยไปสักวันหน่งไปค่ะแล้วก็ทีเนี้ย พอพอหนูมาถึงตำถึงขั้นตอนตอนเนี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้ทางด้านปัญญาค่ะหลวงพ่อมันเหมือนเวลาเราก็อยู่ในสิ่งที่เรารู้สึกกดดันอะไรเนี้ยหลวงพ่อมันมันรู้สึกว่าเออก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันจะกระทบอะไรเนี้ยเราก็จะนิ่งเราก็จะนิ่งได้หลังจากที่เราขอกมาแล้วอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันเหมือนรับกับ สิ่งที่มันกดดันสิ่งที่มันบีบเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะรับสภาพได้เหมือนใจก็เพ่มแล้วแล้วกันนะครับเราเฉยๆับมันเราเกับมันไม่ได้ไปยินดียินร้กับมันถือถือว่าอันนี้คือมามาถูกแล้วจังคะหลวงพ่อแล้วไม่มีอะไรมากดดันเราได้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ไม่มากดดันมันกดดันเราไม่ได้ เหมือนเราเรายอมรับกับสิ่งที่มันมันเข้ามาอย่างบางคนมีอาการใส่เราหรือว่าอเราก็ยอมรับใช่ใช่แบบัค่ะแล้วแล้วที่หนูปฏิบัติ เป็นแบบเนี้ยค่ะแล้วแล้วมันจะมีหมายหมายถึงว่ามันจะไม่ได้คงที่แบบนี้ตลอดใช่ไหมคหลวงพ่อหมันจก็อยู่ที่เราว่าอยู่ที่สติกับปัญญาเองเราว่ามันมันต่อเนื่องกข้ามาช่วงไหนสติปัญญาเผลอก็จิตมันก็อาจจะเครียดขึ้นมาแล้วแล้วทีนี้หลูงพอ่อเขามันมีความรู้สึกว่าช่วงถ้าเรามีเวลาเราไม่อยากทําอะไรอะ ค, ะอค่ะหลวงพ่อหนูก็จะหลบไปนั่งในรถในที่ไม่มีคนเห็นเนี้ยมันจะไปนั่ง มันจะดีแบบนี้ได้ดีดีได้สงบความสงบนี้แม่เป็นพิษแต่นภัยเป็นประโยชน์กว่าค่ะถึงถึงบางทีมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงเยมันจะเก็บหมดอย่างนี้มันจะไปเบบนี้อืมทาไปเลยไม่นอากลัวดีอาหลมงพ่อแม้กระทั่งอย่างเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันก็จะรวมันก็จะรวมอืมมันจะเก็บไปให้เฉยเฉไป อย่า ง, งนี้ถือว่าไม่ไม่ได้กปกติใช่ไหมค่มมะหลวงพ่อกติแสดงว่าสติเรามีมากมันทําให้จิตแบบมันไม่พปคิดคิดปรุงแต่งมันก็จะสงบมันเองโดยที่เราไม่ตําไปบังคับมันค่ะ แ, แล้วพอช่วงที่เราไม่ได้ปฏิบัติเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็จะสนใจเกี่ยวกับที่เราไปฟังธรรมของครูบาอาจารย์เนี้ยคือมันตอนเนี้ยมันจะพาจิตใจหนูเป็นแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะ ใยแค่ว่าสนใจทําถ้าไม่ได้นั่งปฏิบัติเหมือนเราเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยแต่พอถึงเวลามันก็จะได้เวลาว่าเราจะต้องไปนั่งแล้วนะไปปฏิบัตินะอย่างเงีเ้ยทำพอดีฟังทำก็ดีรถแหกทำชนะรถทำทำโปเหมือนไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นอะไรเงี้ยมัน ม, ม, มีแต่ไล่แม่ไล่สาระทั้งนั้นนี่น<า>มีคนมีประโยชน์ครับจิตใจเราว่าคือทำบ้านี่แหละป้าไหมค่ะ วันนี้หนูรายงานหลวงพ่อประมาณนะนี้คนะหนูทำ<อ> ถ, ถูกแนละ้วทุกอย่างที่ไล่มาเล่ามาถูกแนละ้วไม่ต้องไปกังวลทำต่อไปน ะ, ะทำให้มากขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้ว ถ, ถึงเวลาหนึ่งถ้ามันถึงเวลามันจะต้องตัดสินแต่มันก็จะมีให้เราไปได้เองใช่ไหมคะหลวงพ่อถ้ถึงเวลาแล้วถ้ามันถึงเวลามันก็จะด้วยเนะองค่ะค่ะหลวงพ่อ ช่วงนั้นแหะมันเป็นช่วงทยากทสุดในชีวิตช่วงที่เราตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งแต่พอเรนตัดสินใจแล้วมันจะโล่งเบาสบายเหมือนกับเป็นอิสระออกจากโกลเมย์คือตอนเนี้ยทางที่บ้านเขารู้สึกหนักใจตจหนูนะว่า เหมือนห้ามหนูไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการคือหนูมุ่งมาทางนี้แล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ยังก็หนูยังอาจจะไม่พร้อมก็ได้ก็ยังไม่ยังไม่ไปค่ะหลวงพคือห้ามห้ามไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวถึงเวลามันก็เกิดขึ้นเองนะไม่ต้องมีความหวังมากก็คือตั้งตั้งใจมีจุดมุ่งหมาย วาเราจะไปทางนี้นะ่ะคือจะรอจังหวะนั่นเองอย่างพระพุทธเจ้าว่ารอให้มีลูกก่นพราะลกคลอออกมาปั๊บไปเลยอยู่ไม่ได้นะอย่างอย่างหนูจะไปวัดพวกเนี้สี่สี่ห้าวันเนี้ยเขาก็ห้ามแต่คือเหมือนแบบว่าไม่เคยไปเป็นห่วงคือที่สิ่งที่เขาห้ามคือเขาเป็นห่วงเป็นอะไรเงีง้ยค่ะหลวงพ่อแตหนูก็ยืนยันแลว้วก็ตัใจวัดมัน<จ>วันมันน่ากลัวที่ไหนวัดปลอดภัยกว่าไปเที่ยวนามแหล่งท่องเที่ยวต่าง เขาเขามองว่ามันไกลเขามองว่าไกลและจะไปพักยังไงจะสารพัดที่เขาจะเป็นห่วงเขาไม่รู้เขา ไ, ไม่รู้ว่าทัวร์วันนี้สนุกกว่าทัวรอย่างอื่นนะหนูอยากอยากจะไปก็คือตอนนี้ไม่มีใครพูดแล้วค่ะเหมือนต้องจะปล่อยหนูนเราเป็นคนต้องเดินตายแล้วไปไหนก็ไปได้่นะ สันโดษยินดีตามมีตามเกิดถ้าสันโดษน้อยสันโดดเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้เท้านั้นค่ะหลวงพอถ้าตั้งใจแล้วต้องไปให้สุดใช่ไหมคะหลวงพ่อไปเลยไม่ไปก็ไม่รู้ไปแล้วก็จะรู้ค่ะโอเคนะตั้งนี้ก่อนขอบคุณหลวงพ่อนะคะสาธุรัค่ะ และที่นี้ก็ถึงคิวของเฟร็ดลูกนะคุณจุบ ม, มีใครบ่างคี่มีคำถามเท่าไหร่ค่ะตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมดห้าคำถามนะคะค่ะคำถามแรกค่ะจากคุณชัดท่าเรือค่ะพราอาจารย์มาอยู่วัดป่าบ้านตาดก่อนหรือหลังหลวงพ่อวันชัยวัดภูสังโก ค, ครับนู้สึกก่อนปีสองปีถ้าอาจารย์ไม่เห็นปีสองปีแล้วเข้าไปในปีหนึ่งแปดาอไปหนึ่งเก้าสองน คำถามต่อไปอจคุณถคบคำถามต่อไปจะคุณนาวา น, นาวีค่ะอยากสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องคุณแม่ค่ะคือท่านมีลูกหลายคนดูแลท่านให้กินดีอยู่ดีและให้เงินคุณแม่ใช้ทุกเดือนแต่ลูกคนโตมีพฤติกรรมเอาเปรียบไม่ยอมทำงานหวังแต่มรดกเคยพูดให้แม่เสียใจจนร้องไห้ แม่ก็ให้อภัยอย่างซื้อข้าวให้มันกินทุกวันทุกวันและช่วยมันจ่ายค่าผ่อนบ้านเคยบอกแม่ว่าแบบนี้จะยิ่งส่งเสริมให้มันขี้เกียจแม่บอกว่าอย่างไรมันก็เป็นลูกหนูให้เงินแม่ไปแล้วแต่ได้แต่คิดว่าแม่จะเอาไปทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของแม่ท่านแต่หนูรู้สึกสงสารแม่และรู้สึกถูกเอาเปรียบค่ะหนูขาดไม่ตาหรือเปล่าคะหนูจะช่วยแม่และควรจะวางใจอย่างไรดีคะ ก็วางใจก็คือตามใจแม่เหมือนเป็นความสุขของแม่แม่นั่งลูกทุกคนนะพาใจนะถึงแม่ลูกจะขี้เกียจลูกจะเร็วยางไงแม่ก็ยังนั่งเพราะเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในทอ้องนนอย่าไปอย่าไปอย่าไปขัดใจอย่าไปขัดความแม่ไม่ต้องไปวิจตบแทนแม่ไม่ไหวให้แม่เขาทาตามที่เขาต้องการจะทำคำถามต่อไปจะคุณเอกวิทย์ค่ะพระอาจารย์ครับ การสร้างครอบครัวหาราบยศสรนเสริญเงินทองมันไม่ใช่ทางหาอริยทรัพย์หรือไม่ใช่ทรัพย์สมบัติที่แท้จริงของเราใช่ไหมครับใช่ตายไปเอาติดตัวไปไม่ได้นะมีเงินกี่ร้อยล้านพันล้านก็ต้องทิ้งทิ้งให้คนอื่นไปเอาที่แต่บุญอริยทรัพย์ที่เราได้ปฏิบัติการปฏิบัตินี่มันเป็นของเราจะได้สวโสดาบาลก็จะเป็นโสดาบาลไปเอาโวสดาบาลไปได้นะ มศ ก, กินอาคามีไปได้อาณาคามีไปได้อาลอาหารได้นิพพานได้อาไปได้หมดเขานี้คําถามต่อไปจากน้องหลินหลินค่ะสอบถามเจ้าค่ะในช่วงวันหยุดบวชใจลองฝึกงดอาหารดื่มน้ําเปล่าและลุยปฏิบัติธรรมได้ไหมเจ้าคะได้ถ้ามีที่ปฏิบัติที่ไม่มีใครมารบกนวนเระ คำถามสุดท้ายนะคะจากคุณสุภาพรชามรัสค่ะกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วเห็นแสงสีม่วงแวบไปมาคืออะไรคะไม่นําไปสนใจนะมันอะไรจะเกิดขึ้นให้เราอยู่กับพุทโธไปแล้วอยู่กับลมไปอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นปั๊บเป็นภาวะธรรธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นอดดับไปช่วงนี้หมดแล้วคะ่ะหมดแล้วโอเค หาใครอยากจะมีคำถามถามอีกรอบหนึ่งก็เชิญยกมือขึ้นมีปุ้ยคปุ้ยคก็ปุ้ยปุ้ยพได้ไหมปุ้ยปุ้ยพได้ปุ้ยปุ้ยก่อนก็ครับหายไปหลายอาทิตย์เพื่อมามาเด็กไม่ทันกราบนรัสการค่ะอาจารย์คุณปุ้ยค่ะคุณปุ้ยรักเสมอค่ะ คุณปุ้ยไม่ได้หายไปไหนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณปุ้ยก็เข้ามาฟังอาจารย์แต่ว่าเอคุณปุ้ยทํางานไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ทํางานจะต้องคระอาจารย์ด้วยคอะคุณปุ้ยเนี่ยนี้เรามารับพลังเลยเปิดคอร์สหลังเลยหรือเปล่ามารับพลังงานแล้วมันรับผ่อนด้วยค่ะเอาเอาขออาทิตย์ที่แล้วด้วยหรือเบล่าจะได้เบิลให้สองสองเท่าเลย อาที่ที่แล้วมาฟังแต่ว่าตอนมาฟังตอนรับพรพดีเลยแต่ฟังอยู่เครื่องหลังแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องกลักวกลักวกลัวบอส ด, ด่า <laughs> แอบฟังอแต่ว่า <Okay. S 1> คุณปุ้ยก็ถือศีลคุณปุ้ยก็กิกนเจคุณปุ้ยก็ทำทุกอย่างนะคะปฏิบัติตามพระอาจารย์บอกค <laughs> <laughs> ่ะ <ก S 2> <laughs> มากขอให้คุณปุ้ยได้สร้างบุญสร้างบารมีในทุกนวินาทีนะพระอาจารย์ใขอให้สเเจริญให้น้ให้โดยสวยทั้งวัวสวยแม่สาไม่รู้เลยลืราเลยอ่ะขอบคุณนะขอขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะใสาธุไปที่คุณงสดาต่อลุงสดาอยที่ไหน อยคุมเทพค่ะพระาอาจารยกับธรรมัาสการค่ะมีอะไรหมพระอาจาขออนุญาตถามประมาณสองสามเรื่องนะคะพระาอาจาอย์พระอาจารย์เรื่องเสียงที่ทําให้เรารู้สึกโกรธนะคะพระาอาจารย์เวลาคําพูดที่ไม่ดีมันมันมากระทบเราเนี่ยเราเร า, เรารู้สึกอึดอดัดใชไพระอาจาแล้วก็มันต่อเนื่องเป็นความรู้สึกอยากอยากให้ให้เขาแบบเป็นนู้นเป็นนี่เลยค่ะแล้วก็โกรธ ทีนี้ความรู้สึกแรกที่เอเรารู้สึกปิกตดตาค่ะอาจารย์คะอันนี้ครั้งที่แล้วว่า<ร><ร>ความังเก็บเสียงพวกนี้ไงรเราไปชังมันเราไม่ชอบเสียงพวกนี้พอได้ยินเสียงพวกนี้เลยทําให้เรารู้สึกปวดตาไม่สบายใจขึ้นนะใช่ค่พะพอเทียบกับเวชนาที่เกิดจากความเสดค่อะอาจารย์ตรงนี้จริงๆมันเหมือนกันใช่ไหมเราต้องอยู่เฉยๆได้ต้องอยู่ได้เหมือนกันอังเก็บมันก็มาทางร่างกายเสียงก็มาทางเสียง โอเคเข้าใจนะคะทีนี้แต่มันจะต่างกันตรงช้ามาทางเสียงมันเร็วค่ะพระอาจารย์ใช่มันม <า S 2> ติด <มา S 2> ตัดแป๊บ <มา S 2> เดียวแล้วมันก็ต้องฝึกเบรคเข้าให้มากๆทําใจเฉยๆพุโทโธพุโทโธไปถ้ามันไม่เฉยก็พุโทโธพุโทโธไปให้คำวันคำส่วนใหญ่เราเราจะไปหรือใช้<น>ใช้ปัญญาเปรียบเทียบพน้าเสียงมันก็เป็นเหมือนเสียงลมพัดเสียงนกทำไมเสียงนกน้องเราทำไมรู้สึกอะไร มันจอเสียงนี้เข้ามันก็เราไปยากแยะมันเองก็เป็นเสียงที่เราชอบเสียงที่เราไม่ชอบมันก็เป็นแค่เสียงเทั้สมมติถ้ายังดูไม่ถ่านนี้เราเราไปรู้ตอนอารมณ์คือเกิดขึ้นเราก็ใันสติปัญญาิใช้ปัญญาชนะว่าเป็นเป็ น, ปนสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เหมือนเสียงล ม, มพัดเสียงพัดผ่านนี่เนาะมันจะเกิดก็เกิดเรามีหน้าที่รับฟังและรับฟังไป ถ้าถ้าสุดท้ายถ้าบางครั้งมันถ้าอารมณ์มันไม่แรงเราก็จะคิดแป๊บหนึ่งแล้มันก็จะหมดไปเลยแต่ถ้ารรเราเรามันแรงเนี่ยเราพอโอเคเรารู้ว่าเราอยากอะไรเรเราก็แค่รอให้มันดับก็ได้ใช่ไหมลเนี่ย <ๆ S 1> มันก็ดับ <ๆ S 1> ไปโดยที่เราอย่าไปคิดถ <ๆ S 2> ึงมันพยายามให้มันกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธอะไรก็ได้เข้าใจนะคะเขกับอีกเสียงหนึ่งค่ะอาจารย์อันนี้พอดีพอดีเอ่อ พอีมีมีความเส็บป่วยออกมาเรื่อยๆนะคะพัชมันมีเสียงมีเสียงหนึ่งที่พอดีในในส่วนในห้องผ่าตัดออกมาเลยค่ะเมื่อก่อนมันก็จะมีเสียงเสียงเยอะเลยระหว่างที่เรารอเสียงคุณพยาบาลเสียงคนเข้าคนออกสุดท้ายเมื่อก่อนก็จะฟังซ่านตามเสียงแต่ตอนหลังๆพอฝึกฝึกมากๆเข้าค่ะเสียงเดียวที่ที่มีปัญหาตร่างถึงเสียงคุณหมอเวลามาถึงที่ห้องเราเรารู้สึกว่าเราจะต้องเริ่มเริ่มตั้งสติหละทีนี้ถ้าถ้าเรา เราไม่ได้โกรธนะคะพระอาจารย์แต่เรารู้สึกแค่ว่าระหว่างถูกพุทธโธพอได้ยินเสียงที่เรารู้ว่าเป็นคุณหมอเข้ามาในห้องมันจะก ล, กลับเพื่อมีนิ่งพุทธโธ แ, แต่ถ้ามันสั้นๆแล้วเราก็กลับมาอยู่กับอารมณ์พุทธโธของเราต่อนี้ถือว่าใช้ได้นะครับพระอาจารย์ได้ถ้าเรากลับมากลับมาทําใจให้เราเฉยๆตอนนี้เราอ<ด> ย, ย่งเฉยกับหมไม่ได้ก่ะเรี้วยโอเคก็แค่แค่ แค่แค่รู้ว่าเราเราหลุไดไปแว็บเดียวแล้วเราก็รีบกลับมาค่ะโอเคคระอาจารย์นะคะอาจารย์อีกสองคำถามนะคะพระอาจารย์พอดีเราฝึกต่อความเจ็บมานานพอสมควรอาจาอืมสเต็ปในการฝึกตอนแรกกับครูอาจารย์ท่านแรกอ่ะท่านเป็นพระสายวัดป่าก็ให้เรานั่งสมาธิอย่างเดียวทำคำสอนที่ท่านสอนก็คือเวชนามันเป็นสภาวะที่ชนไม่ยากใจที่ไม่ยอมกับก็เลยเป็นทุกข์ ทีเราก็ฝึกประมาณเจ็ดปีจนจนเห็นเห็นเห็นตามเป็นความเป็นจริงของอารมณ์เนี้ยตอนนั่งสมาธิก็พอเห็นรู้ทุกอย่างก็แยกออกเป็นกองใช่อาจารย์กายกองหนึ่งวิชากองหนึ่งเราผู้รู้กองพอพอเอาไปใช้กับการเจ็กสิ่งอาจาร ย, าารย์มันก็สามารถเฉยได้ระหว่างรักษาตัวอืมถ้าพอดีพอพอท่านจากไปอาจารย์ก็ก็เราก็จะรู้สึกยังมีอารมณ์ที่แบบ กอนรักษาตัวเราอย่างมีความกังวลก็จะค้างอยู่ตรงนี้จนจนมาเจอพระอาจารย์ค่ะก็ก็พระอาจารย์แนะนําว่าอารมณ์ก็เป็นไตหลักเราก็จะเฉยพยายามเฉยกับทุกอารมณ์แล้วก็สุดท้ายที่ฝึกเพิ่งเพิ่งฝึกกับพระอาจารย์ก็คือหลังหลังรักษาตัวมาให้ลองไม่ใช้ยาไม่ไหวพระอาจารย์ก็ก็แนะนําว่าต้องไหวแล้ก็ซึ่งซึ่งเราสึกว่า สุดท้ายเรารู้สึกเราเฉยต่อความเจ็บได้พระอาจารย์ mm hmm. อยากถามพระอาจารย์ว่าอืมันมันนึกถึงคําคําถามหนึ่งที่สมัยเรียนเราเรามีความมีอาการที่เจ็บป่วยวิกฤติดีหนึงพระอาจารย์แล้วเราตอนนั้นเราผ่านมาได้แต่ว่ามันเป็นความคําถามในใจว่าถ้าเราต้องผ่านความเจ็บทรมันครั้งก่อนจะตายรอบพระอาจารย์ถ้าเราปฏิบัติแบบนี้ทรงอารมณ์ที่เฉยกับ เวทนาและอารมณ์มันมันน่าจะใช้วิธีนี้ได้ใช่ไหมใช่มันวิธีเดียวกันเพราะปัญหาเดียวกันระดัแบบเดียวกันอก็รักษาการปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยใช่พยายามซ้อมไปเรื่อยพยายามถ้ามันไม่เจ็บก็นั่งให้มันเจ็บแล้วก็เอาไปให้มันเจ็บไปใจเราก็แยกออกจากมันไปให้ไรู้เฉยไปตั้งแต่ใช้พุทโธที่อาจารย์แนะนําก็ ช่วงวันนี้ทำงานโดยเฉพาะฟูงร่านั่งสมาธิเวทนาแรงก็แต่แต่ไม่เคยต้องรู้เพราะเวทนาจิตไม่รวมแต่เราก็จะเฉยเฉยก็เวทนาจนหมดเวลาค่ะออพอดีมีมีความสงสัยมานานมากอาจารย์แล้วเหมือนเดือนที่แล้วได้ได้อ่านเฟซหนึ่งเฟซบุ๊กหนึ่งเขียนเขียนเล่าว่าหนูงตามหาบัวมีสอนว่าจิตสุดท้ายก่อนตายค่ะอาจารย์ วิญญาณทุกอย่างจะดับหมด ต, ตามองไม่เห็นสุดท้ายท่านบอกว่าเวทนาที่เรารู้เนี่ยมันก็จะเหมือนร่างกายก็จะไม่รับรู้เวทนาทุกอย่างดับหมดแล้วก็ตอน น, ต น, นั้นจิตก็พร้อมแล้วแต่ว่กดิ์วาโเมียร์เดียวก็คือถ้าเราทนเวทนาถึงตอนนั้นก็ก็หมดงานของเราใช่มันก็จะเข้าไม่ธรรดาโอเคขอบใจนะครอาจารย สุดท้ายพอพอมีความเข้าใจตรงนี้คระอาจารย์เริ่มปฏิบัติกับครูอาจารย์ท่านแรกท่านเป็นพระอาพาธท่านท่านเหมือนท่านเฉยต่อความเจ็บได้เลยนะท่านมีแผลใหญ่มากที่เท้าแต่ระหว่างท่านสอนเราท่านดูลีเฉยกับความเจ็บที่ระหว่างรักษาตัวเราเคยคิดว่าถ้าทําได้แบบท่านน่าจะดีพระอาจารย์มันคงมีความสุขแต่ทําไมตอนนี้ปฏิบัติสอดความเจ็บมา ถึงตอนเนี่ยพระอาจารย์มันก็รู้สึกว่ามันไม่สุดพระอาจารย์อ่าไม่ไม่ทุกก็พอที่เราปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพิ่มสุดปฏิบัติเพิ่มมาให้มันทุขแล้วมันมีความอยากขึ้นมาพร้อมๆกันว่าอยากไม่เกิดมากกว่าการะาจารย์ใช่พอเกิดแล้วมันทุกข์ไหมเขขาดทุกข์ยังไงเวทนามันมันก็ทนได้ยากของมันใช่ไหมอาจารย์อถ้าเกิดมามีร่างกายก็ต้องมาเจอเวทนาต้องมาเจอทุก็เวทนา เราทําได้แค่เฉยแต่มันมันก็จะเป็นได้แค่นี้ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วก็เฉยเราไปดับมันไม่ได้ถ้ามันไม่ดับก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ของมันไปตามธรรมชาติของมันก็คือตอนนี้เลยรู้สึกว่าอยากอยากจะปฏิบัติรักความสุขใช่ไหมจ๊ะเพื่อไม่ต้องดับก็ร่างทุกอย่างร่างทุกอย่างร่าความสุขแจกรูปเสียงกินนั้น อาจารย์ท่ที่ผ่านมาเราเรามีความเจ็บมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่สมัยนี่ยคือถ้าถ้าแรงจูงใจให้ให้ละทุกความเจ็บเนี่ยมันมันเราเราสู้เต็มที่แต่พอให้ละสุขอาจารย์มีมีอบายอย่างไรก็เฉยเฉยไปอย่าไปแสวงหามันอย่าไปวิ่งตามมันปล่อยมันมาปล่อยมันมาปล่อยมันไปถ้ามันมาก็ให้มันมาถ้ามันจะไปก็ปล่อยมันไปได้ไหม อย่างเช่นไม่ได้ไปวิ่งตามอาหารอย่างเช่นถ้าใกล้ตัวแบบถ้าถ้าเราอยากกินกาแฟหรืออยากกินไม่ต้องไม่กินถ้าเราขอเป็นแค่ว่าเหอได้กินก็กินไปก่อนด้วยความอยากเดี๋ยวถ้าไม่ได้กินถ้าจะกินก็ต้องถามว่าเมริการจําเป็นที่ต้องกินไหมถ้าไม่จำเป็นยังต้องกินก็อย่าไปกินนถ้ากินด้วยความอยากเน่ยไปกินให้กินเพราะว่าร่างกายต้องการอาหารก็กินกินตกินเป็นเวลาอย่าไปกินตาม ค, ค, ความยาคความอยากกำหนดเวลยไว้กำหนดเวลาไว้เช่นกิน ม, นมันลำบืน<ม>กินครั้งเดียวหลังจากนั้นก็จะไม่กินอยากแคกินกาแฟลัวซองหรือขนมเค้กหืออะไรก็ไม่กินอนก็จะกินให้มันกินเวลาเดียวมนันหนึ่เดียววนเดียวจบความอยากมันต้องต้องหมวดจากใ จ, จกใช่ไหมพระอาจาใช่มันต้องไม่อยากทำรูปเสียงกินรสต่างๆถ้าอยากมันก็จเลยงให้เรากลับมาเกิดต่อมันยังต้องใช้นานกาย ตอบสนางความอยากทั้งๆ ท, ที่เรารู้ว่าเวทนามันถ้ามันเกิดแล้วก็ต้องมีเวทนาแต่ใจ <c oughs> มันความอยากมันมากกว่าใอ่แต่กําลังสู้มันไม่ไหวค่สติปัญญาเรายังไม่มีกําลังไม่พอที่จะสู้มันมต้องฝึกสติปัญญาให้มากขึ้นต้องต้องฝึกหลักสติปัญญาลัความอยาก อ, อยากให้ได้ใจะได้พิจารณาว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ได้มาแล้วเวลาไปหมดไปก็จะทาให้เราทุกข์ ถ้าตอนที่ไม่ได้กินเราทุกเราเร า, เราคุมอารมณ์ได้ง่ายกว่าค่ะจ๊ะเรารู้ว่าเราอยากแล้วก็เฉยแต่ตอนที่มันได้กินมันมั น, ม, นมันหยุดไม่ได้ค่ะจ๊ะกินทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าอยากจนจนหมดเลยเราค่อยต้องฝืนต้องฝืนมันต่อไปอย่าไปกินเมื่อเมื่อกินเมื่อกินแล้วมันหยุดไม่ได้ตอบบอกว่อย่าไปกินมัน <Smash> ได้ค่ะจ๊ะต้องต้องรักลงที่อยากใช่ไหมค่ะจ๊ะเราไปหลอกตัวเองว่า กินก่อนถ้าไม่ได้กิน ก, ก็ค่อยสึกแล้วก็ดูความไม่สวยงามของสิ่งที่เรากินเวลาเราเข้าไปในปากแล้วมันน่ากินไหมน้องชายามาดูนิดน้ อ, อยหน่อยนะเป้าหมายคือต้องเอาความอยากในใจออกไปให้หมดใช่ไหมใช่ต้องหยุดความอยากความอยากหาความสุขจากรูปสิ่งกินแล้วเ น, น้นดื่มก็แฟกินครัวซองนี่เป็นการรัตนา คำถาม้วคะอาจารย์กบครอบครัคุณ <Okay, S 2> อาจารย์เป็นคนคนราชอณาคนคณบอตก่อนนะคบาตรับาตรอยู่ที่ไหนอาารยักการท่านอาจารย์ครับไม่ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินไยินอยู่ที่ไหนกำลังเดินทางกลับพัทยาครับอยูอ่บางพระแล้วครับบางพระล้วเลย มีเจออะไรไหมมีคำถามอะไรไหมมีคำถามสั้นๆหนึ่งคถามครับครับพรอาจารย์คือมีเหตุให้ต้องกลับไปกินข้าวหรือแบบเอ่อไปเที่ยวอะไรกับครอบครัวอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ตั้งใจไปดูแลตายายเราก็ไม่ได้อยากเที่ยวอะไรทีนี้เราสืบถึงแปดเนี้ยผมก็คิดด้วยปัญญาของผมว่า เหตุที่เราจะต้องกินมื้อเย็นกับครอบครัวอะไรแบบนี้มันก็เราก็จำเป็น ท, ที่ต้องทำตามหน้าที่ผมคิดว่าจะใช้มื้อเย็นที่เราถือสินแปรไม่ได้เนี่ยเป็นกรรมฐานก็เลยอันนี้เป็นคำตอบของผมก็เลยจะมาถามพระอาจารย์นะครับว่าเราจะทำยังไงวางจิตวางใจแก้ยังไงดีครับ เราก็ถือสินห้าไปด้ก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถรักษาสินแปดได้ก็รักษาสีนห้าไปก่อนจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาอย่ามันเริ่มกินสีนห้ากินได้ทุกกี่มื้อก็ได้ไม่มีห้าเมือนกับเราทำข้อสอบไม่ได้กเราก็าต้องเราก็เลยพิ่งหย่าเพิ่งไปทําเพราะมันเกินกำลังของเราที่เราจะทําได้เราก็ทําข้อสอบที่เราทําได้ รักษาสินงแไม่ได้กรับรักษาสิ่ง้าไปก่อนจะรักษาสิ่ง้าก็ไม่ได้มันกินกินข้าวมันกินเหล้าหรือเปล่าอ่ะไม่กินครับ้อาไม่กินแคยังว่างขาดสติขาดสติเหล้าไม่ดื่มอยู่แล้วโอเคยังก็ถือสิ่้าไปก่อนหลังไม่พร้อมนี่จะถือสิ่งแตครับพอาจารย์นะพระอาจารย์นะโอเคอ่าุ่นวัชนาตอน ว่างเลยทหมดแล้วนหะละรัาชดาเชิญปิดไม่เป็นไม้พระราชดากดที่มุมซ้ายล่างอโอเคพูดได้เลยลานนิมสการ์ค่ะพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอยยุสุราชค่ะอ่ะมีอะไรไหมมีค่ะตันนี้โยมป่วยหลายโรคค่ะ แล้วก็มันเจอวิทนาเยอะอะค่ะแล้วก็ได้ฟังการปฏิบัติมาหลายปีค่ะกลอบสิบปีจะเจอพระอาจารย์ได้ไหมคะพระอ ะ, อะไรไไหนเรียนยหนูฟังยูทู e จากยูทูบค่ ะ, ะจากอาจารย์หลวงพ่อปรามุค่ะเออได้ยังไงนะเออตอนนี้ มันมีโรคเข้ามาคือเป็นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วเป็นอันตราซาวแล้วก็หมอก็ได้อันตราซาวบอกว่าอาจจะมีก้อนเนื้อที่เต้าน ม, มาค่ะก็แลตอนนั้นเราก็ตอนวันนี้เราก็ปวดมาเราหกเดือนแล้วแหละแล้วเราก็ไปหาหมอมาแล้วก็ซาวซาวมาเมื่อหกเดือนก่อนบอกหมอ บ, บอกบอกว่าเป็น เป็นถุงน้ำค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วก็มาชาวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอีกแล้วก็หมอว่าไปชาวอีกครั้งนี้หมอมันผมบอกเพิ่มอีกว่า อ, อาจจะมีก้อนก้อนเนื้อข้างฝาค่ะแต่โยมก็มันนั้นมันใจมันมันไม่ทุกข์อะค่ะเราเรารู้สึกว่า เราก็ทุกมานานเลยนะแล้วยามมรับสภาพใช่ค่ะอยอมามรับสภาพก็ไม่ทุกยา ม, <ช>มหยุดเย็นยามหยุดหน้าก็เย็นใช่ใช่หนูหนูยอมยอมรับว่าหนูป่วยหนูมีความทุกข์เวทนามามานานแล้วก็แล้วก็มันเริ่มเริ่มเริ่มเราเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มทําใจได้แล้วค่ะอ่าดีดีแล้วก็หมอไปจึงนัดไป น้องหมอใช้ไปที่โรงพยาบาลใหญ่แล้วเราก็ไปโรงพยาบาลใหญ่เมื่อวันจันทร์นะคะ uh huh. แล้วก็โรงพยาบาลใหญ่ก็ตรวจให้บอกแล้วก็ดูตีว่าอันตรสาวหมอว่าโออก็ไม่ได้สงสัยไม่ใช่หมอบอกว่าให้พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้กับหนูว่ามันไม่สงสัยไม่ใช่ก้อนเนื้อให้มาตรวจอีกใหม่อี ก, ออกเดือนนะคะ uh huh. แล้วก็ตอนนี้ก็เฉยๆยอมเพยามแล้วก็เฉยๆมากมั น, ม, น <ๆ S 2> มันก่อนร้นมีเคยมีติดเชื่อมแล้วว่านี้ถ้าเรามีมีหมอมาทายอย่างนี้ว่าเราเป็นก้อนเนื้ออะไรประมาณนี้หนูคงจะแย่และหนูหนูเป็นคนแพนิก ด, ด้วยอะค่ะคุณผา้จาร์หนูหน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ูคิดว่าหนูหนูผ่านมาแล้วระดับหนึ่งแล้วล่ะอันนี้ <ๆ S 2> ๆๆก็ ถ้าผ่านความกลัวตายแล้วก็สบายนล้วไม่ไม่กลัวตายมันเริ่มเริ่มเริ่มไม่กลัวแล้วค่ะป้าจาันดีก่อนหน้านี้หนูหนูกลัวตายมากหนูหนูห่วงห่วงมากกับเรื่องการทุกเวทนาก่อนจะตายอะคะอ่ะป้าจย์วันนี้เสียงไม่ไม่ขึ้นจากหมดเป็นหวัดหน่อยนะคะค่ะจารย์ไม่เป็นไรแล้วได้ยินค่ะค่ะเออทำใจนะเพิ่งทำใจไปเรอยเพิ่งทำใจไปเรื่อย อ<ช>ะไจเกิดขก็ปล่อยมันเกิดไปห้ามมันไม่ได้รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ยอมค่ะตอนนี้หนูใช้วิธีออ่บริกรรมว่างๆก็ใช้วิบริกรรมอดูลหมหายใจค่ะอืมัน<ด>มันชอบวันนั้นรัา ใ, ใจสงบแล้วมันจะรับกับสภาพได้ดีมันจะเฉยเฉได้ ใช่คะ่ะหนูหนูใช้วิธีดูลมหายใจเพราะฉะนั้นไปนั่งที่บริเวณหน้ารอห้องหมอหนูหนูหนูห น, หนูสังเกตว่าใจหนูไม่ทุกข์หนูหนูอูนั่งรอได้โดยที่ว่าหนูไม่กังวลกระวายเมื่อก่อนหนูจะเป็นคนที่ว่าเป็นคนที่รับไม่ค่อยได้เรื่องแบบนี้ค่ะ <c oughs> ดีดีแล้วล่ะหนูมาถูกนะทางแล้วทำต่อไป อาจารย์ให้ให้แนะวิธีออกไปให้หนูด้วยนะคะก็เน้นนะใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาปลงลงไปเลยไม่ใช่ตัวเราขอาเรามันเป็นน้ําลงไฟเดี๋ยมันก็ต้องกลับกลืนสู่ดินน้ํำลมไฟอ่าหนูก็ก็คิดไว้ล่วงหน้าแล้วแหละค่ะว่าสุกวันก็ต้องต้องเป็นแบบนั้นนะคะมันต้องการไปคีดเท่ากัยนะให้หนูสอนอันนี้ก็ ว่างวางก็ใช้วิธีกระดิกนิ้วด้วยค่ะก็ได้พอเทียนนะวางว่างใช้สองวิธีของหนูค่ะคือดูลูกไมใจกับกระดิกนิ้วค่ะวิธีไหนก็ได้ทำไใช้ใจเรานิ่งสงบก็แล้วกันนะค่ะอาจารย์โอเคนะอ่าสามสิบก็เสร็จบวดหน้นะวันนี้ใกล้จะหมนเวลาแอ้วดี เอ <Okay. S 2> ่าค่ะหนูหนูถ้าให้ลูกชายทำเอ่อหนูทำไม่เป็นเข้างซูมวงซูมเมื่อกี้ให้ลูกใจทําให้อะค่ะอ่าดีดีใช้ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจะฝุดฝุดฝุดเข้าห้องเองให้ได้เออไม่ยากหรอกอ่อออโอเคนะท่านนี้กัอนนะจะลิกละวันนี้หมดเวลาแล้วโอเคขอให้ท่านทั้งหลายจงนํเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพนะินิจพิจารณาไปปฏิบัติ